มันติดอะไรเขาเรียกอะไรมดกัดยังทําอะไรไม่ได้ดูมดมันกัดเชียดตายเชียดเฉยดตายีกอเป็นน้ำมาเพื่อเอามาเพื่อเอามาพาดไปนะคุ้นมาได้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยกี่เดือนนะแต่มันเป็นก็จะมองอย่างเดียวมองมันตายเลยเต็มที่อยู่ประมาณสามเดือนทีเดือนแต่ถ้ารวมรวมมันก็ปีหนี่งไงไอ้ช่วงช่วงวิกฤตเนี่ยประมาณสามสองสามเดือน ที่เรขยับไม่ได้นะจนเราเที่ยวหดเยเราเราเราเราไม่มีทางที่จะขยับอะไรได้เลยไม่มีอะไรได้เลยคือจะนอนอยู่เฉยๆแหละแต่วันตัวราแต่เขาขยับแต่เขาจับแล้วเขาขยับเราแล้วก็เราก็ได้ขยับได้แต่คออืมตาก็เลยัไปเลื่อยไหมขยับได้แต่คอแขนขานี่จะขยับไม่ได้ทั้งหมดแล้วโรคที่เป็นโรคก็ไม่เป็นอะไรเลย มอเช็คแล้วไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรผมไม่เป็นอะไรเลยไม่เจอแต่แกร่กั้มเนืนอมันติบัติแต่ก้ามเนื้อมันไม่มีแรงแตนอนอย่างเดียวไงแต่ที่กั้มนอนอย่างเดียวกัามเนื้อเข้ามันต่อสู้เองมันไม่ให้ทำงานมันก็มีสร้างภูมิคุ้มกันว่ากดไปกดกั้มเนื้อไม่ให้ทํางานไม่ให้ตอบสนองการที่เราจะทํางานพื้นโดยแั้วกามานี่มาเที่ยวไปบวดก่อนเดี๋วปดแก้ปวดก่อนปวดแก้ปวเสร็จแล้วก็เสร็จไปทแพท แแต่มาท้อใจในการพูดที่มดมันมากัดอะทำเงินพวกเราฟังเลยไอ้มดมากัดยุงมากัดมดมากัดเนี่ยเราก็ไอความรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเราก็มันมีความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดในทร่างกายไมันเจ็บมันปวดหมือนกแต่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เจ็บปวดแต่ความรู้สึกเนี่ยมดมากัดเลยเห็นมดมาเนี่ยเราจะร้องไห้แหละคือไม่มีปัญญาจะบี้มันกัดตัวแน่ยังไงมันกัดตัวแน่มันเดินมนเนี่ยเราเห็นเรากัดเราแนเราพูดได้ไหมเนี่ย ได้พูดได้ทั้งหมดพูดได้แต่ว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ได้นอนเหมือนเหมือนคนตา่ก็ไม่ได้ใครมาช่วยว่าเออก็เมียเราช่วยเออก็เราก็พูดเมียเลยหมดมาแล้วหมดมาแล้วเนี่ยจะมาลัาคานนั่นแหละแล้วหมดนี่มันก็ชอบมามามาทดสอบแล้วนีมันก็ทังยุงยุงนะยุงเนี่ยมันก็จะชอบล่าได้คอยเดียวนนอนรู้ดเดียวันขยับเปลูกดิันทนตงนี้ไปมันใช้ไม่ได้เลยมันไม่ไม่สามารถ ขยับตัวได้ส่วนมดเนี่ยเราก็ได้เห็นเมือไ เ, เราก็นอนนี่มดรรมเนื้อปปกันเนื้อป็นปกติไงปกติค่ากั้เนื้อมีแค่นี้แบบว่าหมอก็เช็คแล้วว่าค่ากั้เนื้อมันเพิ่มไปทั้งกี่เท่าตัว้ยต่ำมาหนึ่งสี่พันเ <4, S 2> ก้าส <4, S 2> ี่พ <4, 9 S 2> ันเก้าของอะไรที่หมอเรียกปกติปกติคนเรานี่ยจะมีแค่ไม่เกินสามรอยมีแค่ร้อยหนึ่ง หรือสามอยะไร่างนี้นะมันถึงจะทำงานได้ปกติอย่างเราลเงี้ยธรรมดาเงี้ยค่ากล้าเนื้ออะไรของมันเนี้ยแต่มันขึ้นไป49สีมันขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วก้ามเนื้โป่งไหมไม่โป่งเหมือนคนเล่นกล้ามแขนเขืนเนี้ยยัมีมีกล้ามเลยละถ้าเราเก่งมันเงี้ยมีกล้ามไลยละมัน่ากับโป่งนะมันเหมือนโป่งเพราะละเมันก็ว่ามันมีกล้ามมันเออมันมีกล้ามมีกล้ามเนื้อที่ว่าเหมือนคนเล่นกล้ามอย่างนี้แหละถ้าร่างกายเราสมบูรณ์ทุกอย่าง พอพอพอมาเลี้ยแล้วเนี่ยเนื้อมั น, น, น, น, นได้เหี่ยวเลยไหมตอนนี้ก็จะเริ่มมีชนิดแล้วนิดแต่ก็ยกประมาณได้สักสิบกิโลสองนิดได้มาแปดเก้าสิบปอร์เ็นตานอ่า<ม>จะยกยกมากไม่ได้เราไม่มีไม่มีกําลังที่จะไปยกเราก็อยากจะยกแต่แขนมันมันไม่มีกําลังมันก็เหมือนเหมือนเราเป็นครั้งแรกเลยว่าอพอเราเห็นตัวเราเองเนี่ยมันทําไมถึงไม่มีกําลังเราก็หาสาเหตุตัวเราไม่ได้วเวลามันกัดนั้นมันเจ็บไหมโอ้เจ็บสิ มันก็เหมือนธรรมดาแล้วมีมดกัดอะไรกัดความรู้สึกทั้งหมดเหมือนกันปกติแต่เราไม่เห็นมดเดินมาที่เราไม่มีปัญญาที่จะไปบี้มถ้ามันเป็นอมพลึกมันยังไม่รู้สึกใช่ไหมถ้าเป็นอมพลึกชาทั้งหมดหรือาดจะไม่มีความรู้สึกแต่นี่มันรู้สึกหมดรู้สึกหมดทรมานป่ามันทรมานทีถ้าถ้าถ้าเอามาพึกงอัมพาตเนี่ยไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่านอนทับเส้นน่ะที่มันแผลนอนไอไอนอนกดทับอ่ะมันจะเน่าเน่านี่ไม่มีความรู้สึก พวกนี้เราจะเป็นจะหนอนจะขึ้นทันทีเลยเพราะหมดความรู้สึกแต่เราไม่ใช่งั้นอืเรามันเจ็บทั้งหมดร่างกายเนี่ยนอนนานแล้วก็รู้สึกเจ็บแต่เราขยับไม่ได้หนีไม่ได้คือไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะขยับหนลมดกัดกอดเจ็บยุกัดก็เจ็บทุกอย่างเจ็บหมดปกติแต่เราไม่มีกําลังที่จะไปขยับไปก่อนหน้าครับมันก็ เจ็บมันเสียดแทงใจหมหมอต้องสัมภาษณ์หน่อมองเห็นมดเดินมาก็เสียวแวบเลยมันกัดเราแน่มันแล้วตอนที่มันนอนพักหลายๆเดือนเนี่ยมันกัดหลายรอบไหมโอ้โหทั้งทุกวันทุกวันหมดเนี่ยเพราะว่ามดมันได้ตายมางที่มันร้อนมันก็ลงจากหลังคามันอะไรเงี้ยมันเราจะรู้ว่ามดมันกัดเ่ยเราก็จะเห็นเราเดินเห็นมดเนี่ยเพราะเราเห็นมดบุกมาเนี่ยมันกัดเราแน่แน่มันจะต้องกัด แล้มันกัดจริงเอากัดดิมันกัดกัดก็เรียกเมียดิทะเลาะกันมันดิทีนี้มันก็ลำคาญนี่แล้วมากๆเขาเรียกลำคาญใช่ไหมเรียกมันนะแบบมดกัดแค่นี้มึงก็มีปัญญาชุบบีมันก็กล้ามมันไปน่ะไม่ได้กระดิ๊กระดิ๊กิไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเหมือนคนแกล้งทําำทีนี้ว่าเหมือนคนแกล้งทําเนี่ยคือเราสมบูรณ์หมดอนะไม่ใช่ว่า ถ้าเราไปลดความลดทนอะไรนี่นะมามาพลาดเสีกเนื้อเป็นแผลอะไรนี่มันมันไม่แกลง้งแม้กระทั่งผมไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ยังก็คิดว่าผมแกล้งทำก็ไปจ่ายะเลทุกสิ่งทุกอย่างในผมไม่เคยเป็นไรเลยออหาสาเหตุไม่ได้ก็เหมือนคนแกลง้งเพราะนั้หมอนเนี่ยหมอเขาลองผมนเนี่ยให้ผมยืนเราก็บอกหมอต้องพยุงหมุนดนิถ้าพยุงขึ้นยืนเนียยืนได้แต่ต้องระวังผมสุดก็แล้วกันออ หมอเขาก็เขาก็ไม mm. mm ่เ hmm. ช no mm ื hmm. you know, is, ่อว kind of uh ่าเรายืนได้แล้วมันจะสุดได้ยังไงเขาบอกหมอต้องระวังนะพอพอผมผมจับยืนปุ๊บมสุดเลยอืคือคือไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะยืนแต่เรารู้สุดเพราะหมอก็โดยคว้าผงผู้หญิงเนี่ยเขาเขาก็อกนอนนอนนอนเขาเขาก็คิดว่าตักล้ามเนื้อเอ็นเส้นทุกอย่างเนี่ยโถสมองเนี่ยมันทํางานในคอมพิวเตอร์มันทำงานหมดอืแต่เรามื่อขับมันไม่ได้เวลามันจะล้มเวลาจะอะไรล้มขับมันไม่ได้ทั้ง ม, มันก็เป็นโรคที่แปลกอไอ้ส่วนนี้มันเราก็ได้กำลังใจอาจารย์เดี๋ยวบันก็ปล่อยทีออ่าเราก็เห็นว่าไอคา้ความทุกข์ความทุกข์ของขันเนี่ยมันความทุกข์สัจจะที่มันเลียกยเลี่ยงไม่ได้ออืความทุกข์เหตปัจจัยอืออาจารย์ก็ไปเยี่ยมมันก็ปล่อยที่ปล่อยผมก็ปล่อยอแต่ว่างคือ เอาไม่ได้แล้ววะมันจะเจ็บปวดยังไงมันก็เอาไม่ได้แลว้วก็ต้องปล่อยอิสระตั้เหตุปัจจัยไปออพอปล่อยอิสระปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแรงดนใจให้เราเราไม่ไปทุกข์กับขันแต่เรวก็ปล่อยอิสระให้มันทางานตามปกติของมันมันจะเจ็บจะปวดก็เรื่องมันเลยนะ อ, อมันก็จะฟื้นตัวอโดยอัตโมัติก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนเราถ้าเครียดมากมันจะท้องผูก เห็นไหมคนเราเครียดเ่อนหมอกอย่าไปเครียดที่ไม่เกรนขึ้นอะไรเงี้ยที่หลพอเราปล่อยปล่อยความดิสระความดิสระของขันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ไปยึดเหนี่ยวมันละมันก็ปล่อยคือคือเราปล่อยในที่นี้คือตายก็เรื่องมึงแหละเพราะเราทําอะไรไม่ได้เลียวผมต้องนอนร้องไห้นอนคิดค่าตัวตายพอเห็นความทุกข์ตรงนี้เห็นไหมล่ะ S <S อก็เนาะก็ร้องให้ทุกวันนะร้อทุกวันนะร้องให้ทุกวันนะเพราะเราไปไหนไม่ได้เราไม่เป็นอะไรแต่เราไปไม่ได้ออืมไม่หนักกับคนคนที่เยู่เป็นน้องพราติอยูาา่แล้วเห็นไหมอยู่ๆมันเป็นไม่ใช่บไม่ใช่ว่าค่ยคอยๆเป็นแค่ น, น้อยน้อยน้อยอยู่ๆมันเป็นจากมไม่เป็นอะไรเลยอ่าสมบูรณ์อืมแต่อย่างเงี้ยมันแล้วมันมันจะท้อกท้อแล้วมันน้อยใจมัล่ะว่าเราเป็นอะไรแต่เราก็หมอเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเอืม เ <c oughs> ขาบอกว่าลุงไม่ได้เป็นอะไร <ứng> ะเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอ <ứng> ข้าวปลาทิ้งได้ทุกทิง้งทุกอย่างไปไม่มีแร <ứng> งแต่ไม่มี <c oughs> แรงแปาเขาบอกถ้าเราก็บอกว่าหมอเขบอกว่าถ้าเป็นไอ้พวกกามเน้ออนแรงเนี่ยเขาจะรูส้สาเหต <ứng> ุพอกํากเนอแรงพุกเนี่ยพวกให้น้ําเกลือ <ứng> ให้กูโค้ดสักพักพักฟื้น <ứng> เดี๋ยวมก็ฟื้นขึ้นมาเองแต่เราไม่ใช่เคลียอย่างนั้นกัมเนื้อมันมันต่อสู้มันเอง เนี่ยมันเป็นมันเป็นเคสที่หมอก็ก็สนใจนเลยออไอเราเองเนี่ยไอไอเคสอย่างนี้เราก็เกิดมาก็ไม่เคยรู้หนึ่งในหนึ่งในร้านหนในร้าก็บกกำลังฝุ<ด>่นถ้าอยู่ในต่างจังหวัดโรงพยาบาลก็ตายเขาหมอเขาก็ทาไม่เฉพาะทางไม่วิเคราะห์จริงๆมันก็ไม่ได้ว่าผมเป็นอะไรโรงพยาบานนลาไหนสี่ราช่มั <4 S 2> ้ยสี่ราศี่ราศเลยนอนสี่ราศ น้องก็หมอก็ามองตัปึบปึ๊บปึ๊บมี้กัไหมผมกไม่รู้ผมเป็นอะไรเสียงเขาฟอนตลายหน่อยลายมาแล้วมันดังแต่มันเหมือนนักตลกอะอยู่อยู่ก็เป็นขึ้นมาะจากที่คนแข็งแรงแล้วทําไมหายได้ก็ฝุดมาทำเราหายได้มันเป็นอยู่เป็นอยู่หลายเดือน ตอนนี้มาฟ้นนหมอก็วิเคราะห์ก็ให้ยากินนะนะเหมือนเหมือนเหมือนกําลังใจเราก็ดีด้วยเพราะนี้เป็นโรคโรคกำลังใจถ้าเราไปตัดปล่อยปล่อยวางแล้วยังไงถ้าเราไปตัดถอนตัดทอนชีวิตเราเองปุ๊บเนี่ยสกรรมไรกําลังใจเราเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช่ใช้อยลนะคิดมากมันจะตอมใจนี่คหมอก็วิเคราะห์ปิดเป็ิดปิดเสียงไปเลยปิดเสียงไปเลย เสียงทำไมไล่พูดถ uh, ึงตอนนั้ดังข้อความลลยมันมาเันดังตึ้งนืมไม่ติดอะไรติดอะไรปิดถึงแโมงแล้วแล้วมีฟามคิดยังไงแดโมงจะกลับมาดังได้เอาไปช่วยข่าว เปิดตลเป็นได้เปิดตลอดแล้วใครจะได้ที่ต่อตอนเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยเสียงก็ความันนะมันก็ความไรมันก็วางอย่างเดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมันมันจะเดี๋ยวจะถามเรื่องว่าจากสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยได้ ธรรมะเดี๋ยวตอบทุกข์ก่อนธารมะตอทุกข์ตอบทุกข์อ่เออ๋ยวตอกทุกข์จากเป็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดปัญญาทางธรรมย่างไรอืงทางธรรมทางธรรมย่างไรก็พิจารณาตัวเราเองเนี่ยอืเกิดเราก็หาความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ตรงไหนอืทําไมถ้าถ้าถ้าขันเราเนี่ยตามเหตุปัจจัยเราตามขันขันห้าเราเนี่ยเราทาไมทุกข์นี้ทําไมมันอยู่ที่ไหนทําไมเรา เราทํำไมทรมานเลยเกินแต่เราก็ไปค้นหาค้นหาว่ามันเกิดที่เร า, เรามีความรู้สึกเนี่ยทางกายนี่มันก็อยู่มันในเหตุตามเหตุปัจจัยอแต่เนี้ยทุกอยู่ที่ไหนก็ทุกก็ควรยึดจิตอยูปัญญานี่เกิดแหละนะถ้าเราปล่อยสละคือเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายเราเราปล่อยสละของมันมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันอื เราตัดจากมันได้ตัดจากมันคือวางนั่นแหละ ว, ลวางมันมันก็หมดทุกโดยปริยายแต่มันไอ้ทุก น, ะนกั้มบบนมันก็มีอยู่ความเจ็บปวดมันก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ไปไปเราก็คือไม่ไปหลงมันเนี่ยหลงเหตุปัจจัยเดี๋ยวถามเลรอีกอะไม่หลงยังไงมันไม่หลงไงเราเข้าใจในเหตุปัจจัยแล้วแล้วเราสามารถ ดับทุกอย่างไหนอะได้ดับทุกอย่งเราเราก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยเราไม่เราไม่หลงเหตุปัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนั้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันธรรมชาติเป็นความจริงอ่าเป็นความจริงของศาสนาแต่เราไม่ยึดติดเราไม่ยึดติดเพราะใจเราผ่อนอ่อนคลายที่เราไม่ไม่ไม่ไม่เคยเครียดก็ไม่เครียดไม่ไม่เครียดแล้วเราไม่ปรุงแต่งเลยที้งนี้เรารัความจริงได้เรารับความจริงตามธรรมชาติแหละอืราะเข้าใจธรรมชาติเพราะไอสิ่งนี้เราจะเข้าใจได้เราก็เอาท่ ถ้าอาชีวิตเขาแรกอ่ะยอมตายอ่ะออืืก็เหมือนเราต้องฆ่าตัวตายถ้ากูไม่หากูตายไม่หากูตายยังไงก็ต้องตายเห็นไหมนะอมหาทั้งออกไม่ได้อืถ้าเป็นคนทั่วไปถือว่าทุกที่สุดเลยโอ้โหเอาเอาร่างกายเขาเราเราเราแรกเราก็อยู่ตอนทุกข์มากๆเลยก็เหมือนเราก็เทียบว่าเห็นตัวปรุงแต่งเลยเห็นตัวปรุงแต่งเนี้ยโอ้โหมันช่างทรมานเห็นตัวยึดไหม เห็นดิเห็นมดกัดกระสูนไม่ได้ยุงกัดกระสูนไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างที่เราเป็นอัไหลเนี่ยนอนน้ําตาร่วงน้ำตาไหลเนาะเพราะไม่เห็นสะทกสะท้อนมากก็ทกสะท้อนจนไม่เอาแล้วมึงก็กูเลิกการตัดขาดอนะเราก็ยังไม่รู้ตัดขาดตัดขาดกับร่างกายอะไรตัดขาดกับร่างกายแล้วไม่เอาแล้วแต่ความเจ็บปวดเนี่ยแตความเจ็บปวดไม่เอาเราก็รู้เจ็บอยู่แต่เราไม่เอาแล้วแต่ไม่ติดไม่ยึดแล้วไม่ยึดแต่ก็เจ็บไปจต่ก็เจ็บแล้วเพราะว่ามันเอาไม่ได้แล้วมัน มันเป็นอย่างนั้นเราก็บี้มันไม่ได้เลยมดกัดเจ็บนี่นะเราก็ทัดตะเข้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเกิดมันเป็นหน้าตามที่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไม่ได้แล้ตามมหตุปัจจัยบังคับไม่ได้เราก็จะเข้าใจในเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแหละเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเห็นความเป็นทุกข์ของมันแต่ทั้งนมดไม่เที่ยงมันทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนนี่ไม่ใช่เราเลยไม่ใช่เราเลยมันเป็นของร่างกายอย่างเดียวมันเป็นของมันอย่างเดียวแหละมันเป็นเหตุปัจจัย ความเจ็บปวมันก็ธรรมชาติแทบมันน่ะคือเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญานะเกิดเป็นธรรมไอเหตุปัจจัยตัวเนี้ยเหมือนกับเราเจ็บเราเราเราเราขยับไม่ได้มันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันเองโดยธรรมชาตินะเราไม่ไปปรุงแต่งของมันแล้วมันเป็นอะไรมาอย่างไงอขณะปัจจุบันนั้ปล่อยเลยมึงจะไปอะไรายเรื่องมึงแหละเพราะเราเราคิดมาจน คิดจะทบทุนแล้วกเป็นอะไรที่สุดแล้วมันก็ช่วยเราเราไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะจะบี้มดนี่กูจะบี้มึงมาทําอะไรไม่ได้แล้วพอเราเราเข้าใจเหตุปัจจัยปุ๊บปล่อยธรรมชาติเราไม่สนใจแล้ะมันเกิดกันณปัจจุบันพวกมดมากันกัดเอากควานมันหายกัดกัง มันหาเราทุกเราเข้าใจในเหตุปัจจัยพรเข้าใจเราเลยมันไม่ไม่ทุกเราเราไม่ทุกแล้วเราก็รู้จิตเรมริงเรารับความจริงได้ที่มันเจ็บที่มันปวดยังไงมันก็เป็นธรรมชาติมันแหละมันมันก็ต้องเป็นของมันเองแล้วแบบธรรมชาติพูดไม่ต้องใช้ภาษาไม่ใช่เพราะไอ้นั่นเป็นเหตุปัจจัยที่เราเรารักษาขันอาศัยขันอาศัยเหตุปัจจัยของขันมันต้องมีความเจ็บปวดมีความอ่ามีความเจ็บมีความปวดที่มันเหตุปัจจัยที่มันมันเกิดการกระทบ แต่นั้นเราไปเราพ้นจากมันปุ๊บเนี่ยคือเราไม่พ้นหรอกแล้วเข้าใจในเหตุปัจจัยแล้วก็เข้าใจได้ความทุกข์นี้มาจากไหนเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยเออแม้กระทั่งร่างกายจิตเราก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยที่มันผสมกันเลยเนี่ยที่มันมีในขันห้าเนี่ยเราจะบอกไงว่าความเจ็บตาจหูกจมูกจางตาเราจะเข้าใจในเข้าใจในขันห้าแต่พอเปรียบเทียบกับตาเห็นรูปอ่ะตาเห็นรูปเป็นปกติออื มันมันมันมันก็มันผมก็พูดไม่ถูกกันก็เราจะเห็นแล้วมันชอบอะความปรุงแต่งนั่นเลยอแล้วถ้าไม่ชอบอะไม่ชอบกับความปรุงแต่งอีกมันก็เป็นปกติแล้วมันแล้วเห็นแล้วเรามันเกี่ยวกับจิตไหมเกี่ยวเกี่ยวไงเกี่ยวจิตจิตเป็นประธานออืจิตเข้าไปจิตเข้าไปมีอจิตพอจิตเข้าไปมีปุ๊บจิตเข้าไปจิตแหละไอ้นั่นตายรูปแล้วก็เราก็จะทอนกลับแล้วมาเปรียบเทียบกับไอมาเปรียบเทียบกับไอมดกัดล่ะมันจะเปรียบเทียบกันได้ไหม ได้เหมือนกันเวลาปุ่งแต่งปุ่งแต่งเหมือนกันกาเราเห็นเร่อความชอบนะความชอบความชอบจะตายเห็นกับบดกัดนี่เหมือนเหมือนกันมันก็มีความโกรธความเครืองเหมือนกันความชอบกับความไม่ชอบไอ้สิ่งนี้บดกัดนี่เราไม่ชอบนี่มันเจ็บไอ้นะไอ้นะไอ้นี่มองเห็นเราชอบนี่เราชอบเราก็ไม่ยืดแหวนมันก็ทุกมันก็เกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็ทูกเหมือนกันที่เราก็ปล่อยสลายเราลูกตายลูกที่เราก็ไม่ยืดแล้วไม่ยืดแหละชอบก็ไม่ยืดไม่ชอบก็ไม่ยืดไม่ชอบก็ไม่ยืดแต่สิ่งนั้นมันมีอยู่แต่สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบมีอยู่อาเมีอยู่เพราะว่าเป็นธรรมชาติของมันเองที่เราก็รู้อยู่เพราะรู้นั้นไอ้น้ <il S 1> ่นม <voir> ันเป็นเหตุป <it literally changes> ัจ <no> จ <wonder> ัยที่เราไปยึดมันตัางหักเราเดี๋ยวเราก็มันก็มีชอบก็ไม่ชอบมันก็เหมือนทุกข์ก็ไม่ทุกข์อ่ะไอ้ทุกข์มันก็มันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอยู่ไอ้สุขมันก็เป็นของมันอย่างงนั้นอยู่อแต่มาเราไปปรุงไอ้นี่คือสุขไอ้นี่มันทุกข์ เราอาศัยเหตุปัจจัยทั้งหนักที่ามันยึดที่เราจ ะ, จะเดินทางของเขาเรียกปัญญามันจะเกิดถ้าเราไม่มีไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสุขปัญญาเราก็ไม่เกิดมันคืออะไรรี่เขาวางไม่เป็นวางไม่ได้ดิเราก็ต้องมาเทียบเคียงดิไอ น, นี่เขาคือทุกนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้คือทุกเขาเรียกว่าทุกนี่สุขละเราไม่ไปติดใจในี่เขาเรียกว่าสุขแต่สิ่งนั้นมันมีอยู่อ่ะ นี่เป็นสเตปเลย เ, เราก็เราก็จะทิ้งมันไม่ได้เราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเราอยู่กับมันเนี่ยเหมือนความว่างเนี่ยเราว่างจากอะไรลหรอเราไม่เคยว่างจากอะไรเลยแต่เราไม่ได้ไปยึดสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งหา่าง oh. เราไม่ไปหลงมันนี่ประมแณนั้นน่แหละคือความว่างอไม่ใช่ว่างแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ <même. S 2> แต่มันมีมันอยู่แต่เราไม่ไปยึดติดไอ้นั่นมันเป็นเหตุปัจจัยของมันเองอ่ะอ ไม่กระทั้งไอความคิดไม่กระทั้งจิตเราที่ไป็เหตุปัจจัยที่เราไม่ไปปรุงแต่งมันก็เป็นอย่งงางนั้นอยู่แล้วอะอแล้วจะพูดว่าอะไร อ, ะอ่ะอพูดว่าสุจริตาทำก็ได้จะพูดว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งเราไมไ่ยึดก็ได้มันแล้วแต่จะพูดเอาเอ ม, มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ถูกกับความสมมุติอะพี่เราก็บอกว่าว่างว่างจากอะไรเอ มันไม่ใช่ว่างหรอกจริงมันเข้าใจเหตุปัจจัยเราไม่ยึดไม่หลงเหตุปัจจัยนั่นเขาเรียกว่าว่างธรรมชาติจริงเขานัอนนี้เนี่ยจากการที่รถาเป็นผ่านมาเมันมันมันไปติดสมมุติเลยนะครับเขาพูดสมมติไม่ถูกไงแต่เราพูดตรมธรรมชาติตอนนี้ไอ้ความสมมุติที่เราสมมุติต่างๆนานาเราสมมุติเอาไอ้ความสมมุติเนี่ยเราเป็นมานอกมาานานแล้วเราก็เหมือนเราเป็นคนไทยเราฝรั่ง แต่ละอย่างมันพูดไม่เหมือนกันถามันสมมติทั้งนั้นน่ยแต่ไอ้สิ่งสมมุตินั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองใช่ไหมเราก็ไปเทียบเคียงอีเอาไอ้ความสมมุตินี่ยเราไม่ต้องพูดถึงละเพราะอะไรก็ได้สมมติทั้งนั้นเน่ยสมมติว่าเราจะตั้งชื่อเอาเพราะว่ามันเป็นให้ความเข้าใจของเราแต่ไปถามมันจริงๆแล้วเด็กก็อีเองแล้เราก็อีเองฝลังบอกว่าแชร์แต่มันก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่มันเึงเพรมันมีอยู่อ้าวไม่ใช่แต่ไม่ใช่ขอว่ายเ เหตุปัจจัยมันมีอยู่แต่เราไม่หลงเหตุปัจจัยอ่ะก็เรียกว่าอะไรอก็มันก็เป็นประมาณอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างงั้นนะเราจะสมมุติถ้ามันถูกมันก็ไม่สบการยอนหเขาไปอยู่ซาโออยู่ประเทศแขกแล้วไปพิจารณากับแขกมาตลอดเนี่ยให้เขาเล่าได้เพราก็จะพิจารณาต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยไปอยู่ประเทศมันก่อนที่จะมาเข้าใจในมากมเนี่ยเข้าใจในเรื่องศัจธรรมเนี่ย แล้วก็วิ่งมามาเสร็จแล้วพอมากระทบตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเรารู้เออได้คานเดาไว้ทั้งหมดออนะเพราะยังไม่รู้จริงคาดเดาอาจารย์ก็พูดฉันงั้นยังงั้นนะเอาถ้าถ้าเรามันเป็นยังงั้นเป็นยังงี้คิดเอาคิดเอาคิดเอาคาดเดาว่างมันต้องเป็นอย่างนี้นะสุนิตาธรรมต้องเป็นอย่างนี้คิดเอาทั้งนั้นแหละออจนเราเข้ามากระทบในตัวเราเองเนี่ยมันจะวางอย่างไงอนอนร้องทําไมทั้องนอนร้องไห้ เราไม่เคลมันไม่เชื่อเราสักอย่างไม่ไว้เชื่อเราพฤติกรรมมาขนาดนี้กูทำไมกูต้องมาหนอองให้ทําไมกูต้งมาอะไรอาวอนกับร่างกายกูเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่มันก็ดับไปความเจ็บในนี้มันค็มีอยู่เอ๊ะมาทาไมมันทุกอยู่ในหันมาอ้าวจิตนี้เองเราไปยุ่งกับมันเองงัเอามึงก็กูเลิกกันเพอมึงก็กูเลิกกันปุ๊บเนี่ยความอิสระจากจิตกับกายเนี่ยมันก็มีอาศัยอยู่ด้วยกันแต่กูไม่ยุ่งกับมึงงั้มึงจะตามึันดับก็เรื่องมึงนะมึงจะเจ็บปวดงแล้ว เราก็อาศัยเหตุปัจจัยเงีนเน้ยก็คือ ถ, อถนอมมันแเราจะอยู่กับมันนั้นนะยป้อ ก, กันแล้วก็บีบ อ, อ, อ่ะออ่าแล้วก็หลีกเลี่ยงอ่ะอแต่เราที่จะว่างจากมันเป็นไม่ได้อนีอเพราเหตุปจัจจัยของมันมีอยู่อย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้อะไรมันกระทบขึ้นเราก็จะรู้เหตุปัจจัยเราก็ไม่ได้ก่อนเอาไม่ได้ก่อเอาไม่ได้เพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจสื่งต่างๆแล้วมันก็ทําให้เรามีกําลังใจ อมีกําลังใจเงเราก็อยู่อย่างงี้แล้วก็อยู่ก็โลกสบายสบายอาศัยเหตุปจ<อ>ัจจัยอยู่ในการอาศัย<อ>แล้วก็รู้ที่มาที่ควรที่อันควรแล้วไม่ควรออาจารย์ครูบาอาจารย์นี่เป็นพระนะนี่เป็นเพื่อนนะไอห น, นึ่นเป็นนอ้องไอหนึ่นเป็นพ่อไแม่เราก็แบ่งให้ันถูกอไอสิ่งที่จะพูดไอสิ่งที่ไม่สมควรพูดไอสิ่งที่ปฏิบัติ<อ>มันก็เกิดอาศัยเหตุปัจจัยขึ้นอก็รู้จักหน้าทีท่ของเราอเราต้องควรจะทำอย่างไง ของเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญสําคัญมากกับเราปฏิบัติธรรมอย่าเห็นว่าเส้นผมยังไม่สําคัญไม่ใช่มันทุกอย่างสําคัญทั้งหมดตามเหตุปัจจัยทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเหตุปัจจัยพุกเนี้ยปัญญาเราก็ไม่เกิดเพราะไม่เกิดเราจะไปรู้ทำยังไงเฮ้ยงหาพื่เกิดยึดเลยยึดเลยเพราะยึดแตเราล้วนาที่ไม่ยึดไม่ยึดอะเพราะเราวิ่งหาเนี้ยเราคิดว่าทําอยู่วัดโน้นทําอยู่ที่โน่นทําอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่เราทั้งหมด คนเราต้องรู้ตัวผ่อนอเพราะสิ่งต่างๆนี่มันก็เป็นเหมือนเราไงแหละไอ้นี่มันเป็นรูปลักษณะแตกต่างกันไปเหมือนก็จับดีลฉานกันเราเนี่ยไอความรู้สึกนึกคิดเข้ากันหมนะแต่รูปลักษณะตามกันมันก็หิวมันก็อยากจะกินมันก็ต้องหาเลี้ยงชีพไอเราก็เหมือนกันนะแต่เรามันมากกว่ามันคือกิเลสตัณหาราคะามันก็แหม ได้กะทีก็ดีเลยว้ก็ปุงแต่งไปนี่ก็ทุกข์หนักก็มันนี่ไอ้มันไม่แค่กินขี้ปีนอนวันวันหนึ่งวแล้วแต่ก็กัดกันนะโหเพราะราคาตัวนี้แหละมันก็แย่งอันนี้เนี่ยไม่มีที่สินสุดอะแต่คนนี่หนักกว่านั้นที้ปุงแต่งไปสารพัดแล้วมาจากไหนอ่ะเออถามว่าร่างกายเหรอร่างกายวิเวลาดับสลายตามเหตุปัจจัยจบแล้วไอ้ที่ทุกข์อะอะไรมันทุกข์อะมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ขายแล้วอะ มันไม่ใช่ร่างกายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ขันห้าเรอะมันอยู่ที่จิตทั้งนั้นแหะแดนเกิดเลยที่เนี่ยอมันท so ี่ไหนมันก็ต้องไปอด้านจิตใจนี่ที่ไหนมันต้องไปมันมีที่พบที่เกิดเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้ไงเพราะสิตเราเห็นเมื่อเกิดแหละถอาเราวางไม่ได้ดับไม่ได้แต่เวาเราเห็นปุ๊บนี่มันก็ดับทําให้นจิใจแต่เราไปยึดไว้มันเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนยดับ ดับที่จิตนี่เพราะตุปัจมันกิดที่จิทั้งหมดไอ้ท้าให้รูป็นนามมาทำเนี่ยมันอาศัยคันห้าอาศัยเหตุปัจจัยที่มันต้องอาศัยอ่เพราะไอ้สิ่งนี้มันมาอาศัยเป็นรูกประธรรมจะแล้วเนี่ยอาศัยด้วยสิ่งที่เราก็วางในสิ่งที่มันมันมีอยู่ทำไมวางเสร็จแล้วเราก็สบายไอ้สบายในที่นี้เหมือนก็ไม่สบายอะไรแล้วจะเข้าใจในเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ไปปรุงเอาปกติก็อยู่ก็โลกก็อยู่อย่างนี้ อถึงเวลามันมันเข้าใจเรื่องโลกว่างั้นน่ะเข้าใจเรื่องโลกก็โลกกระทาก็อย่างเดียวมันก็มันเข้าใจกันหมดเราไม่ได้โลกนั่นมันเป็นธรรมป่ะเป็นธรรมทำไปมันเจ็บมันยังเป็นธรรมอีกอ่ะมันก็เป็นธรรมอยู่มันเป็นเหตุปัจจัยของมันอ่ะออทําไมถึงว่ามันเป็นธรรมอ่ะเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติของเหตุปัจจัย โลกเนี่ยมันก็เราอาศัยอยู่กับโลกมันก็มีเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วอ่าเราไปลงเหตุปัจจัยทัางหากเลยมันเป็นมันเป็นคุณธรรมหร้อว่ามันทำธรรมชาติธรรมชาติที่เราไม่ปรุงแต่งก็เป็นปกตินะจำเหมือนก็บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็เป็นของมันเราก็สมม่บ้านเนี่ยมันก็เป็นปกติของมันเนี่ยแต่ทั้งโลกอะเราก็อาศัยมันอยู่เราก็สร้างอาศัยน้ำปกติแล้วเวลาเจะไหล ความคิดนันก็เป็นถามมันแล้วเป็นตัวปรุงแต่งมามก็ปรุงแต่งแล้วเราจะรับป ร, ร, รปุงแต่งไงรับปรุงปรุงแต่งเราก็รู้เประจยรู้รู้วงการปรุงแต่งเนี่ยว่าไอสิ่งนี้มันเพียงอาศัยใช่ไหมละ่ะ ไม่รู้ที่จะถามถามอาจารย์ที่อาจารย์มาถามลูกมาไล่ลูกชีตาโห o o d นี่ก็ต้องถามไม่ไปตอบผิดอยูไ่ไงความรู้สึกที่เรามีใช่ไหมควาร ม, ามารู้สึกต้องให้รู้ความรู้สึกมามัน ม, มันมาจากจิตล้ลนเลยมันมาจากความนึกคิดที่เราอะไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ที่เราเอาส่เหตุปัจจัยเหตุปจตัปจจัยนี่มันก็เป็นธรรมชาติ เราจะปรุงแต่งอย่างนั้นก็ได้จะสร้างบ้านให้ใหญ่โตมโหฬารแล้วจะสร้างหลังนอที่จะอยู่ในรู<ม>นั่นเหตุปัจจัยที่เราจะพอใจที่จะอยู่หรือไม่อยู่ได<ม>้เหตุปัจจัยตัวนั้นน่ะมันก็ธรรมชาติปกติงั<ม>้นนกก็สร้างรังได้ปลาก็อยู่ในน้ําได้มันก็ปกติของมันมเราจะไปบอกเอ้ยมึงอยู่ในน้ำํำหายใจไม่ออกเพราะเราไม่ได้เป็นปลา<ม><ม>อจำไปแล้วปลาเป็นพวกนกมึงบินยังไงแล้วมันถไม่มีน้ําไม่มีลอยอ้าวกราปลาไม่ได้เป็นนกนี่มันก็ธรรมชาติของมันน่ะเราจะไปเอาอะไรมันหรอมันก็เป็นปกติของมันน่ะ ออย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างนี่เราคิดเอาเรานึกเอาอะให้มันเป็นตามที่เราคิดเอามันเป็นมันไม่ได้ออออืต้องกระทำอย่างเดียวออทําในที่นี้คือคือทําความจริงแล้มันกระจ่างขึ้นมาเองไงมันจะทําอะไรก็ได้แต่ทุกทุกท่านเราเข้าใจมันทําแล้วเข้าใจมันไงไอตัวเข้าใจเรื่อปัญญากับปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็แยกแยกออกไอสิ่งที่อาศายยึดต้องทําจะทําบุญทําบาปทํา ทำอะไรก็แต่ต้องเกิดการกระทำนั่นแหละแต่นี้มันโทษของการกระทำทำไมล่ะมันจะไอทําชั่วเขาเรียกว่าทำชั่วมันก็ทําถูกของมันนั่นแหละแต่มันก็ได้รับผลของความชั่วไอทําบุญเนี่ยทาความดีอ่ะมันก็รับผลของความดีแต่ไอที่การกระทํำนั้นมันปกติแต่นี้มันรับผลของการกระทํามันอยู่ในอายุที่จิตอ่ะเราก็เราก็จะรู้ว่าไอสิ่งนี้มันไม่ดีไอสิ่งนี้มันดีเราก็ทําในสิ่งที่ดีมันกิดกระบองไส้แล้วเราไม่ได้ยึด ทำแล้วก็ไม่ยึดเราเป็นปกติของกันทำจะทาชั่วได้ไหมทำชั่วก็ทําได้แต่รับผลเน่ยแต่เราก็ไม่ยึดติดเราไม่ยึดติดแต่เราก็ไม่ทําำแต่เราก็ไม่ทํามันก็เหมือนมันแบบนี้นะมันก็เหมือนเราเราเราไอ้นี่มีกฎหมายรองรับไอ้สิ่งที่ชั่วนะ ไอ้สิ่งทีไม่ดีเขาก็มีกฎหมายรองับก็เหมือนเล่านี่แหละเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์ของมันที่อาจารย์คืกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่เอามาธรรมชาติเนี่ยมาเป็นกฎเกณฑ์แล้วทาชั่วก็ได้ชั่วนั่นแหละมาเป็นกฎเกณฑ์ตรงนี้เพราะมันเป็นความจริงเป็นความจริงแต่การกระทำนั้นน่มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดหรือถูกหรอกไอ้กฎเกณฑ์นี่เขาเรียกากฎแห่งกรรมได้ไหกฎได้กฎแห่งกรรมเพราะการอาศัยสึ่งอันลกันเนี่ยแค่ทำกฎแห่งกรรม มันมันก็เกณฑ์ธรรมชาติก็กฎแหงรรมนั่นเองแหะนั่นแหละกฎแห่งกรรมคือกดแห่งการกะทำนั่นเองไงอ่ทีนี้มันมีการกระทาแล้วมันจะทํางไงมีนอกเหนือกดได้อ่ะนอกเหนือก็ก็ต้องบุรพ้นเหตุปัจจัยคือเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ทําหละอ่าทําเหมือนกันแต่อาศัยในสิ่งที่ถูกทําหละออากระทำในสิ่งที่ถูกออ ก็เหมือนคนมีศีลก็ไม่คนไม่มีศีลคนมีศีลแล้วไม่ใช่ลูกคําในศีลไอ้ที่เราเห็นนี่ต้องคนในลูกคําในศีลแต่ติดใจในศีลแต่ไม่เคยปฏิบัติว่าศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ยเขาทำยังไงเขาปฏิบัติยังไงพุทธเจ้าเขาาเขาาวางวันเนี่ยเราไม่เคยปฏิบัติได้แต่รูกปานติปตาข้ามฆาสัตว์รูกได้แค่นั้นคลั่งในศีลไอ้นี้เลยว่าการกระทํำในที่นี้มันก็เลยไม่มีอพอไม่มีศีกก็ไม่เข้าใจในศีล ก็ไม่รู้จักถูกไม่เข้าใจว่ามีเจตนาทำอ่ามีเจตนาทำปฏิบัติอ่าพอการปฏิบัติเนี่ยพอไม่เข้าใจปุ๊บเป็นใในพอรูปคไปุ๊บมันก็จะทําผิดอยู่เรื่อยตลอดไปเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในสินแต่ไม่ใช่เลยรูปคำเฉยออืก็ทําผิดนะไม่ได้ผมอยู่ในศินนะมึงมีสินห้ารองรับจะไม่เคยปฏิบัติว่าไอ้สินเนี่ยเขามีเพื่ออะไรแตนี้มันก็ทําผิดสิ เราสมมุติว่าการกระทำผิดยังไม่เข้าใจในสิ่ที่ผู้เจ้าเขาวางไว้อืแต่ถ้าเข้าใจในสิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ทําแล้ไอ้สิ่งเล็กๆในน้อยเนี่ยเขาก็เปรียกย่อยมาให้เราทั้งนั้นแหละมันก็เปรียบเสมือนไอ้คนที่ลูบคำในสินเนี่ยอาจารย์เขาสอนให้ขึ้นต้นไม้มใช่ไหมเปรียบเทียบนะเพราอาจารย์เขาสอนขึ้นต้นไม้ไมานละ้วปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยลูบคำในสินก็นึกว่าไอ้ขาลงเนี่ยโดดลงเลยไม่ลงตามทางที่เคยขึ้น น่าจะคือรูปือก็เลยก็ไม่เข้าใจว่าถ้าโดดลงไปแล้วเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นออ ม, มันก็เหมือนเกิดความประมาทเกิดความประมาทเนี่ยดูตัวเองรู้แล้วอาจารย์สอนขึ้นแล้วถูกไหมแต่ขาลงเนี่ยเขาก็บอกมขึ้นไปแล้วอยู่มันก็ต้องลงมาทางเก่าอเลยต้องอาศาัยให้ป ก, ปกติอที่ได้มีโดดลงเลยอนั่นแหละคือลักษณะเข้าใจแต่ยังไม่ถึงทงอเข้าใจไม่ถึงทำในที่นี้คือ ขาดการปฏิบัติอืพอไม่ปฏิบัติปุ๊บก็ลูบแฉลบเรื่อสิงมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดไปเพราะเรามันเกิดขึ้นอยู่แล้วพอเราไม่เกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะเข้าใจในว่าไอ้การปฏิบัติเนี่มันไม่ใช่ว่าตายลูบแบบมันต้ปฏิบัติได้อ่าเขาเรปัญญาเกิดแปัญญามาเกิดมันก็เที่ยวเพี่ยเดียวนี่เราสีก็กฎเกณฑ์เียเหมือนกันไหมสีกัเกณฑ์มันก็สีมันมาจะกกเกณฑนะ์นะกฎเกณฑ์มานจะสีนะเออ เราแปลงไปเป็นกฎหมายได้ไหมได้มันต้องมาจากสิ่งธรรมนี่แหละก็เรียกภาษีเหมือนกันอ่าเป็นสิ่เหมือนกันแล้วใครอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใครอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใครอยู่ใต้กฎหมายเ้วผู้ที่ผู้ที่กระทำความผิดคืออยู่ใต้กฎหมายอยู่กฎเกณฑ์อผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายคือเราผู้ดูพอู่ผู้เหนือสิ่งเราต้องเราต้องรักษาเขาเรียกลัก เราต้องรักษาศีลไม่ใช่อ่เราไม่ใช่รักษาศีลต้องให้ศีลเราต้องรักษาศีลศีลที่รักษาเราอย่างเงี้ยเหมือนกฎหมายอ่ะเราต้องอยู่เหนือกฎหมายถ้าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเราก็กลัวกฎหมายกฎหมายบังคับเราเราต้องอยู่เหนือกฎหมายเราอยู่เหนือศีลเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดเรายู่เหนือกฎหมายเราก็ไม่ทําในผิดกฎหมายนั่นแหละคนอยู่เหนือกฎหมายอือางเงีละก็เหมือนศีลเหมือนกันเราเข้าใจในศีล็จแล้วเราเราไม่ปฏิบัติผิดศีล สินก็ทําอะไรไม่ได้สินเราทำอะไรไม่ได้แต่เราไม่รู้ข่าวและก็ปกติคือไม่มีไม่มีคนทุกข์ในสีนไม่ไม่มีแล้วแบบนี้แหละแล้วก็รู้อยู่อนะรู้อยู่ไอ้สินนี้ก็ว่าอะไรแต่เราก็คือเราอยู่เหนือสินอืออ่าเข้าใจในเหตุปัจจัยของศินแหละที่พระเจ้าเขาวางไว้ว่าไงแล้วก็ไม่ปฏิพุทธไม่ปฏิบัติผิดจากสินได้ก็อยู่อย่างสันทิสุขอยู่อย่างสบายอือพอมีศินแล้ว ไม่ไม่ดูถูกซึ่งกันและกันไม่ประมาทไม่รู้จักการอาศัยรู้จักการวางอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ถ้ารู้จักการอาศัยปุ๊บจะเข้าใจเหตุปัจจัยในการอาศัยทั้งหมดนั่นก็คือสินเหมือนกันนั่นคือสินมันก็อยู่ในสินทั้งหมดสินเลยทําอะไรเราไม่ได้สิลทําแล้วเราไม่ได้เราเหนือสินนือเพราะเราเข้าใจในสินอ่ะเราก็ไม่ไม่ผิดศินไงนี่สินทําอะไรเราได้หรอนั่นแหละคือศินรักษาเราแหะเราเหนือสินเหนือกฎหมายเหนือกฎหมายเหนือหมดเลยถ้าเรา ถ้าอยู่ภายใต้ศีลภายใต้กฎหมายมันทำมันเล่นเราเลยเออมาเล่นเราที่ขับรถมีแวบขี่ใช้นี่อยู่ใต้กฎหมายไงใช่ป่ะกฎหมายเขาวางศีลเขาวางไว้อย่างนั้นนะมันมาจากศีลธรรมอย่างนั้นศีลธรรมนี่คือการปฏิบัติอ่าธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ต้องบัตรให้ถูกที่ควรอใช่ไหมล่ะการรู้จักก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ก็รู้จักรู้จักเหตุปัจจัยรู้จักการปฏิบัติรู้จักการวางตัวรู้จักทุกทั้งทั้งหมดอรู้จักเหตุปัจจัยแลศีลมีตลอดเลย มีตลอดทุกทยีสิบเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้าข้อเลยไม่ใช่ห้าข้อละเอียดดิบเลยโอ้โหละเอียดทั้งหมดแต่เข้าใจในที่นี้แล้วมันก็ไปมันเองมันไม่ประพฤติผิดในสินเนี่ยแค่ข้อเดียวเนี่ยไอสินสงร้อยยี่สิบเจ็ดทิศพระเขาไว้เนี่ยหมดถ้าเขาจะไปกําหนดอีกเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่มีที่สิ้นสุดลกสินเนี่ยนะแต่ตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้นอแต่ถ้าเราเข้าใจในสักข้อเดียวเนี่ยมันก็ทะลุหมดอะมันเหมือนหมดรักษาได้หมดเลย เพราะไอ้นี่ม <promotions> ันมาแตเห็นปัจจัยทั้งนั้นที่เขาวางไว้เพื่อให้เราเกิดปัญญาเกิดปัญญาไม่ให้ประมาทหนึ่งไม่ให้ประมาทหนึ่งให้รู้จักคุณของการอาศัยใช่ไหมก็ต้องวางศีลไว้ก่อนเพื่อให้เรามีปัญญาเดินพอมีปัญญาเดินปุ๊บเราก็แยกแยะเอาเออคุณทานี้ไม่ได้เกิดความประมาทเกิดความประมาทเดี๋ยวก็พลาถึงกับชีวิตถึงก็เกิดบาปตกนรกมันจะเกิดขึ้นในปัญญาเราเองเนี่ยแต่ที้เราก็ไม่ทํานละเราก็จะทําปุ๊บก็พิจารณาก่อนก็คิดก่อน คือมีปัญญาก่อนก่อนจะดำเพราะมันเหตุตรงนี้มันไม่ใช่ขันที่เราจะทุกข์ไอขันนี้มันเป็นปกติของมันที่มันทุกข์อยู่แล้วเพราะไอขแค่ขี้แคบเยี่ยวมันก็จะตายอยู่แค่นี้ก็นําปากกับมันอยู่แล้วตื่นชาน้าดึกจะนอนให้สบายก็ต้องลุกมาเยี่ยวอยู่แล้วเพราะไอนี่ทุกข์ก็สัจจะทุกข์ไอความจริงของมันที่หลีกเลียงไม่ได้เดี๋เราจะพ้นทุกข์ตรงนี้เราก็ต้องละขันไปตามปกติแต่นั่นการละขันมันก็ต้องบรรลุไปก่อน คือพูดองมันก็ต้องเข้าใจก่อนไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่เห็นกล้องทุกตรงนี้ถ้าไม่เห็นกล้องทุกนี่ก็มั่วสุมี่ตายเปลี่ยนขันใหม่เอาเอาไว้แก่เพราะเรามีที่แดนเกิดออแดนเกิดตรงนี้มันคือมันจะเกิดเหตุปัจจัยให้แล้วเขาไปยึดอืทีน้เราก็ไปสิจากกระสุนนี่อยู่ใต้กดเกณฑ์ตลอดอยู่ใต้กดเกณฑ์เพราะอะไรเพราะเป็นเหตุปัจจัยเราไปหลงเหตุปัจจัยอะมันก็ทหารที่แดนเกิดสิชอบตรงนี้ไปตรงนู้นชอบงนี้ตรงนี้ตอนนี้มันก็มีรองรับรู้ว่า มันมีทางเดินทางเดนเนเินก็คือบุญกระปากอ่าบุญกระปากทางเดินนอกเหนือเกณฑ์คือเหนือบุญเหนือบาศ์เหนือบุญเหนบาศมันก็ไม่มีอะไรละปกต <c oughs> <c oughs> ิมันปกติแต่แล้วมันมีทางเดินของเราอาจารย์ก็พูดด้วยอาจารย์ถามมยเรืยอือคนเรานี่มีทางเดินจะไปนรกจะไปสวรรค์จะไปสัตว์หรือฉันจะไปมรุมมันเกิดจากับการทำอย่างนั้นออาเพราะเราจะไปหลงที่ไหนออืมไม่ใช่ เมื่อก่อนนี่ก็าหุ้ยถ้าคุณเลือกเกิดมาได้เลือกเกิดได้ทีที้เมื่อก่อนเราไม่รู้ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าจะเกิดไปทางไหนคนทางก็ชีมีทางพุทธเจ้าวางทั้งหมดอ่ะเราเลือกกันดิจะลงนรกบจขึ้นสวรรค์หรือจะไม่มาเกิดมันมีทางเดินทั้งหมดอื ใช่ไหมพอมีทางเดินเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเอาคือการกระทํานั่นเองการกระทําอยู่ที่ใครก็อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่อยู่ตรงนู้นอันนี้มันลงเขาเอาไปอยู่ที่เราแล้วถ้ามันไม่มีปัญญามันจะทำได้โอ้ไม่มีปัญญาทำไม่ได้ต้องต้องสร้างปัญญาต้องสร้างปัญญาให้เห็นแต่นี้มันต้องทําต่อเนื่องอทําต่อเนื่องเนี้ยเราก็ต้องย้อนกลับมาพูดถึงว่าบุญเก่า เราจะพูดยังไงอ่ะช่วงน้ปัจจุบันน่ะมันเหมือนมีบุญเก่าเราอ่ะมีบุญเก่ามีเจอครูบาอาจารย์ดีมีพูดแนะนําดีอย่างเงี้ยมันก็เขาก็อธิบายใหเราฟังแต่ถ้าเราปล่อยปละแล้วเลยเถ้าไม่มีบุญเก่าเสร็จไปไม่รอดพอไปไม่รอดแล้วจะอภิญญาเนี่ยเมื่อเกิดก็ไม่มีวิญญาไม่มีวัญญาก็อยู่ก็อย่อย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างนี้เราไม่อยากรวยอ่ะอือยากรวยครับ อยากรวยไม่ติดเลยไม่ติดมันเป็นอาศัยนอาศัยอยากรวยอยากถูกรัตตรี่ไปซื้ออยากถูกถ้ามันไม่ถูกกันแล้วไปถ้ามันถูกก็ดีใจมันธรรมชาติ การอยู่อาศัยไม่ปฏิเสธความรวยความจนเราก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็รู้อยู่เหตุปัจจัยอย่างนี้อ่าแล้ววิเศษมันไม่ได้เพราะเราจะต้องกินข้าวเราจะต้องกินขนมเราปฏิเสธไม่ได้โอ้ยงี้ไม่ได้หรอกไอ้อย่างงี้ว่าฉันทำวมยุทธ์ไอ้เนี้เดินป่าฉันจะต้องทานอย่างงี้ตอนข้าวหมดรถอย่างงี้อย่างงี้ต้องผสมกันอย่างงี้นั่นไม่รู้จักอาศัยเหตุปัจจัยอืเห็นไหมสมมติว่าไอ้ลุงที่มีบาดลุง เดินมิสบาทคนนู้นก็ใส่แกงันนี้ก็ใส่ขนมได้ทำไงมิบาทนะหลวงไม่นี้ละอย่างง้เขาวาสันที่หลังต้อรับไปก่อนเพื่อความสบายใจแล้วทานได้หรือไม่ได้ีกเพื่อนหนึ่งมายุคสมัยนี้มันมีเป็นโตมีไอ้น่นมีไอ้นี่มีอะไรก็แยกกันไปเห็นไหมแล้วก็ดูจัดการอาศัยอาศัยก็อยู่กันอย่างสบายสไม่เห็นว่าจะต้องแล้วกินแกงกินขนมกินกับ มันประสมกันที่น้หมดอ่ะมันไปไหนฮะที่ตอนนี้เราไปแยกแยะมันต่างหากแล้วไอ้นี่มันของหวานเนี่ยมันก็เป็นปกติของมันเราจะอาศัยอยู่แบบธรรมชาติปกติก็อาศัยได้เออนั่นแหละคือสัจธรรมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดอ่ะจะบอกว่าความตายมันก็ไม่มีอะไรตายมันเป็นเหตุปัจจัยที่การสลายของร่างกายทั้งหาอมันไม่เหตุปัจจัยของมันมันถึงเวลามันต้องไปเพราะว่า เราเอาขันเราเนี่ยเอาตัวเราในพิธานาตอนนี้ให้หาคุถณทนใหญ่ๆทาไมไไก็ทุกนอนน้าตาไหลเมื่อก่อนปฏิบัติธรรมโอ้ังไงกูดูแลเอาตัวรอดว่ารู้ดีทั้งหมดนะคิดเอาทั้งนั้นเนี่ยคาดการเอานึกเอานออต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงู้นนึกเอาอพอนึกเอาแล้วพอเข้าตัวเราเองเนี่ยเราก็นึกเออย่างนั้นแหละแต่มันก็ไปไม่รอดก็นอนน้าตาไหลอย่างนี้เพราะว่าเราไม่กระทบกับตัวเราพอกระทบแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอื ไอ้ความเจ็บปวดอ้ที่มันเคยอยากไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเราก็จะๆๆท้อทอนตัวเรา <_ s 1> อ้าวทุกสิ่งทุกอย่างนี้ มันไม่อยู่ที่มึงเลยอยู่ที่กูคนเดียวแหละมึงก็กูเลิกกัน <laughs> แต่แต่เอามันอยู่ตรงไหนอยู่จริงถึงปัญญาเราเกิดนีงเที่ยวเคลียร์ไอ้หางมึงก็กูเลิกกันแล้วไม่เอาแล้วมี่พอมันคลายหมดแล้วเราก็เข้าใจในเหตุปัจจัยพอเข้าใจในเหตุปัจจัยปุ๊บเนี่ยเราก็สบายสบายไอ้ที่สบายในที่นี้เข้าใจเหตุปจัจจัยเราก็ไม่ลงเหตุปจัจจัยที่มันมีมันกินอยู่ไม่มีก็อยู่อย่างนี้แหละมีก็อยู่อย่างนี้เนี่ยเหตุปัจจัยของมันมีอยู่มันมันเปลี่ยนความคิดหมดเลยโอ้โหเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือละมันกลับหมดออะ พขาเข้าใจในแล้วเข้าใจในเขาเรียกว่าเข้าใจในธรรมชาติโดยแท้ที่มันมีมันเป็นอยู่อย่างเนี้แล้วเราจะเอาอะไรมันได้ออแม้กระทั่งชีวิตเราแล้วว่าธนุธนองอาบน้ํามาทุกวันหายนกินทุกวันมันยังไม่เชื่อเราอะแล้วอะไรลราถึงเวลามึงก็กู้กันเลือกกันออืใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชีวิตเขาเดือพันแล้วจังหวะที่มันพลิกปั๊บมันเกิดอะไรขึ้น ไอ้เวลาพริกไปปุ๊บเนี่ยเราก็พิจารณาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น uh huh. อ่าเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันไอ้ตรงนั้นมันเกิดอะไร uh huh. แต่ที่รู้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เอามาเนี่ยมันเรารู้ว่าเหตุปัจจัย uh huh. เราไม่ลงเหตุปัจจัยโอ้ไอ้นี่มันเป็นเหตุปัจจัยอ uh huh. ยังไงล่ะเราจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันเขาเรียกสุนัตตาธรรมเขาเรียกว่าความว่างเหรือมันไม่ใช่อ่ะก็มันมีอยู่่เราจะว่างอะไรหรอแล้วไอ้สิ่งที่เรารู้อ่ะมันก็รู้อยู่ว่าไอ้สิ่งนี้ยมันเป็นยังงอย่างเงี้ยอ่าเราจะเอาว่างอยู่ตรงไหนอแล้วเอาอะไรมาเราจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็บอกไม่ถูกจะสุาัว่ามันไม่ว่างมันไม่ว่างเหรอมันไม่ว่างมันเข้าใจในเหตุปัจจัยเสร็จแล้วจะบอกว่าว่างก็ได้จะบอกว่าไม่ว่างก็ได้อย่างเงี้ยมันเข้าใจมันก็อยู่หน้าที่ของมันอยู่แล้วอ่ะ มันความคิดเราก็มันก็รู้อยู่ไอเหตุปัจจัยมันก็รู้อยู่แต่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะมันรู้ในเหตุปัจจัยจะบอกว่าว่างก็ไม่ใช่เอาว่างจากอะไรเราก็ถามก็ไม่เห็นมันว่างตรงไหนถ้าว่าง ก, ก็ว่างจากสิ่งที่มันมีนั่นแหละถ้าเราไม่ไปยึดมันนะเขาเรียกว่าว่างอ่าแล้วแล้วทําไมถึงว่างเลยไอติมและที่ไม่ว่างเลย ไม่ไม่ว่างมันก็ที่มันมีอยู่ไม่ว่างอะไรมาอีกแล้วก็ต้องพูดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันทําไงอ่ะก็เหตุปัจจัยมันมีอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วไม่ว่างอะไรตรงไหนอล้วเข้ามาแล่วนี่เขาสมมุติให้เข้าใจว่าไอ้คาว่าว่างเนี่ยมันว่างจากอย่างนี้ไอ้ที่ไม่ว่างไม่ว่างเพราะอย่างนี้เห็นไหมแต่ผลสุดท้ายแล้วเราก็มองเห็นว่า ไอเราไปหลง ม, มันทั้งหากเราที่เราไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างนะี่มันมีไปเต็มโลกธาตุหมืนนะทุกอย่างมันเต็มโลกธาตุมันก็เป็นปกติขนะองมันแหละแล้วเราเข้าใจมันปุ๊บเราก็ไม่ไปยึดมันนั่นแหละเขาถึงรู้วาว่างแต่เราว่างจากอะไรเราก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจะจะว่างนะ ม, มันก็มีอยู่อย่างไปว่างอะไรอทำไมละ่ะก็ไปวา่างตรงไหนอ่ะ เอาอย่างนั้นก็ยึดไม่ได้ยึดก็มันอยู่อย่างนั้นจะไปยึดเอาอะไรก็ว่างจากมันแล้วอ่ะเอาจะไปยึดอะไรอะไรของนี้มันก็มีอยู่แล้วอ่ะก็เห็นมันว่างตรงไหนก็ไม่ไม่ว่างก็ไม่ว่างก็ได้ไม่ว่างแต้ว่าว่างก็ได้ว่างเนี่ยมันก็มันเหมือนจะว่าคนรู้มากมันก็ไม่ได้รู้มากอะไรจะว่าคนโง่มันก็ไม่ใช่โง่อะไรไอ้นี่มึงโง่สิมึงรู้แล้วไม่เอาอะไรเลยก็จะเอาอะไรแล้วก็มันอยู่อย่างกันอยู่แล้วเอาอะไรไปได้น่ะไม่มีอะไรอ มันเหตุมันเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยที่เราวิ่งหาอยู่ก็ถ้าเราไม่กระทบยากอืมผมรับรองได้แล้วหัวมงการอะไรยากถามอาจารย์นี่ก็ไดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะพบกระทบก็เท่าขนาดไหนอืที่เราก็ต้องถึงตัวเราเอาชีวิตเขาแรกค่าตัวตายอย่างเดียวอเพราะลูกเมียเราจะมาเช็ดที่เยอะแล้วก็นอนให้เขาเช็ดที่เดียวต้องป้องข้าวต้องอะไรทุกอย่างอืไอ้วันต้งวันมันก็ดีเดือนต้งเดือนมันก็ดีนักข้า่ะ มันก็ด่าเราทุกวันเลยใช่ไหมด่าไปแล้วมันก็ต้องด่าเราที่มันต้องคาร์มาเลยก็ทุกใจใหญ่โอ้เราก็ยิ่งทุกข์ปูอกูจะต้องมบบทรมานมึงอย่างงั้นอย่างนี้เราคิดไปเองทั้งหมดมันไม่คิดให้ปัญญาเราเกิดถ้าไม่คิดมันปัญญาเราไม่เกิดเราไม่ใช่คนพิการไม่ใช่คนไอ้ปัญญาอ่อนใช่ไหมเรามีปัญญาแเราก็ต้องคิดแยกแยะพอแยกแยะนะเขาเขามันไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะไม่มีที่พึ่งครับ สุดท้ายก็ต้องตัวเราอะพึ่งโดนเราอะอพึ่งคนอื่นไม่ได้แหละเราจะฆ่าตัวตายพอเระวางเขาจริงๆเนี่ยมันก็กลับตะลับจากหน้ามือไปหลังมือออจากคนที่เคยทุกกนะันไะถึงว่าหน้ามือเนี่ทุกข์เนี่ยทุกจนหมดแล้วพอเราเข้าใจปุ๊บนี่มันกลับไปหลังมื อ, อมไม่เอาแล้วร่างการก็ฟื้นมันเองโดยอโตโมัติอมันก็มียาช่วยกำลังใจกำลังใจนําคัญนลูกเมียให้กำลังใจพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนพงให้กำลังใจเพราะจิตเราไม่เท่าหมอง ร่างการก็ปรับโดยอัตโนมัตินามประชิมั น, น, มมนยังไงออแล้วไม่ต้องไปยุ่งมันมาก ปฏิบัติกีหมายถึงต้องไปคุกเลยลงไปคุกมันต้องคุกไปคุกงั้นเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราปฏิบัติมามากแล้วงั้นเราก็ยังเข้ากองทุกไปหลงอยู่แล้วก็ยังหลงอยู่หลงเหตุปัจจัยอหลงให้ปัจจัยไอ้ตรงนั้นใช่ตรงนี้ไม่ใช่มันก็เต็มโลกชาติหมดไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วมันก็ยี่ิ่งเดียวกันน่ๆโอ้โหจะใช่หรือไม่ใช่ก็หลงตัวรู้หลงตัวรู้ว่าตรงนั้นใช่ตรงนี้ไม่ใช่คือมาเปรียบเทียบเอาก็หลงตัวรู้อยู่ไม่ไม่มีที่สุดก็ไอ้ความรู้นี่มัน เพราะเจะคิดยังไงมนก็รู้ทั้งนั้นแหะแต่เราวางมันไม่ได้รู้แล้วก็วางหรือวางไม่ได้หลุดหลุดจากตัวรู้ได้วยยังไงอ่ารู้จากตัวรู้ว่าเข้าใจในเหตุปัจจัยเข้าใจในตัวรู้ไงอืมเพราะเข้าใจมาเสร็จแล้วเราก็วางธรรมชาติโดยอัตโนมัติเข้าใจยังไงเข้าใจยังไงก็รู้ในเหตุปัจจัยไงอืออ่ะก็เลยขันห้าเราเหตุปัจจัยของมันต้องผสมขันห้ามีดินน้ำไฟลมใช่ไหม มีอ่าเราลุกไปธนาสัญญาสังขารกันแค่รู้รู้จากตัวรู้เนี่ยเราเข้าใจในเหตุปัจจัยว่าไอสิ่งที่มันมีอยู่อ่ะจริงคือคิดว่าจิตหรือปัญญาก็แล้วแต่อมันไม่ข้องเกี่ยวกันมันก็เข้าใจในเหตุปัจจัยทั้งหมดอ่าว่าไอเนี้ยมันมาจากดินน้ำไฟลมมันเป็นเกิดประจุมเบิงมันตามธรรมชาติของมันไอแต่ตัวรู้มายังไหนอ่าตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมาจปัญญาได้เห็นเห็นมันจิตที่แล้วที่ผมรู้ไงนะมันจะบอกว่าจิตก็ใช่ จะบอกก็ไม่ใช่จิตก็ใช่มันเป็นไอ้สิ่งที่ตัวรู้เนี่ยมันไม่คล้องแกวกอะไรทั้งหมดอ่ะมันก็เห็นอยู่อย่ก็อิสระลอยอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพ่าบอกว่มันมันสวางปุ๊บมาเนี่ยมันเห็นความเหตุปัจจัยทั้งหมดออตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอืออ่าแต่มันก็รู้อยู่ว่าไอ้เนี่ยเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเอ้าวอะเราไปหลงมันทั้งหมดอ่ะพระที่หลงมันนี่เพราะว่ามันไม่รู้มาแต่ก่อนอือาที่ที่พอมันรู้ปุ๊บันก็ไม่เอาลยมันก็เห็นความคือความททุกั้งแล้ว ที่เราไปหลงนยู่เนี่ยอแต่ที่จริงแล้วเราจะบอกว่าไอ้สิ่งนั้นคืออะไรผมก็พยายามนึกว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าจิตมันก็ไม่ใช่นะไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ที่การกระทบมันมาเนี่ยมันเหมือนไฟไฟดิออนเนี่ยเปิดจ้ามานี่ไอ้แสงสว่างนี่มายังไงตัวมันยังไม่รู้เลยมันก็มีอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่งันเลยถ้าเปิดไฟข้ามก็สว่างอย่างนันเละยหาข้อเปรีบเทียบอะไรเขาบอกว่าโอไอ้นี่เป็จิตไอ้นี่คือความสว่างไอ้นี่ คือพ้นทุกและนี่เขาเรียกว่าสุญญาตาธรรมเราพบแค่นิดเดียวเราไม่ชุ์เราไม่จะไปทรงไว้เราก็มันจะเราก็จะเข้าใจเลยว่าไอเหตุปัจจัยทั้งหลายนันไม่กระทั้งจิตที่มีเหตุปัจจัยทั้งปัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราไปหลงแล้วมันถึงได้มีเหตุปัจจัยยุ่งไปหมดอะหลงเหตุปจัจจัยพอหลงเหตุปัจจัยก็ไปยึดติดตรงนั้นชอบใจจะไม่ชอบใจตัวนี้ถูกใจตัวนี้เกลียดชังมึงก็ไปยึดไปหมดอะ่ะมันก็เอาอะไรไม่ถูกสับสนไม่หมด สิ่งไหนที่มันชอบก็ยึดไว้กูกจะหายเลอตัวนี้กูชอบใช่ไหมจิตกูกวิ่งหาปัญญาก็จะต้องหาชอบนี่อสนองกิเลสจะทํายังไงจะให้ได้สิ่งนี้มันก็ต้องวิ่งหานี่ปัญญาก็เกิดเกิดในสิ่งนี้นี่คือเกิดทุกข์ละอมันก็ต้องหายสิ่งมาป้อนอารมณ์ในตัวเองให้ได้อแต่พอเราไปเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยมันก็ปกติอปกติไอ้สิ่งนี้เกิดหรือไม่เกิด ที่จะวิ่งหานี่เพราะอะไรเราไปหลงม่าตั้งหากเราเราอจะตอบสนองตัวเราเองตั้งหากเลยอ่าตอบสนองด้วยปัญญามเกิดยังไงเนี้ยพอปัญญามเกิดเหมันตอบสนองตั้หาที่เหลือเนี่ยปัญญาก็วิ่งหานี่แต่ที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เนยที่มันมีอยู่นะเราสมมุติว่าจิตหรือสมองอะไรก็แล้วแต่ด้วยปัญญาทมันเกิดขึ้นเน่ยมันเป็นกันมันอยู่อย่างนั้นอ่ะอ่าพอเป็นอยู่งั้นพอเราเกิดมันมีขันปุ๊บเนี่ยมันเข้ามารวมเลยเข้ามารวมอีกทีนี้แล้วก็ยากที่จะแยกมันออก มันจะเพลื่อนเพลินมันมีแต่ความสนุกสนานเพรามันห่อหุ้มมาอ ย, อยู่อยู่ๆนี่เราไปก็ไปไปไ ป, ไปพบสิ่งนี้เราก็มันก็แปลกๆนี่มันจะทํามันแตกกระจายออกอาทีนี้ไอ้เราก็การพิจารณาของผมอะ่ะอีตอนที่ไปเห็นเรื่องนี้คือกระบวดปวแกบนเนี่ยปวแก้บนเนี่ยเดินพยยนิจารณาเดินก็ไม่ดีนะผมก็เข็นรถเข็นไปนะ เดินวันห้ากิโลไปกลับอป็นนั บ, บาตรตัวคนเดียวก็แบบกูทําไมต้องมาเหนื่อยหน่ายก็ชีวิตกูจังว่ะก็นั่งบนนี้คนเดียวนะมองอมขันตัวเองเดินกลมไปใครได้กูต้องบินทับบาทมันเป็นอะไรกูน่าจะตายเติมแล้วก็สบายไม่สบายก็ได้คิดอย่างนั้นนะงืับสิ่งมันแบบนเนี่ยไอ้นี่เป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องอาศัยอยู่ถ้าอยู่กับโลกเรื่มีเหตุมันมาเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่มันที่มันมีอยู่ไงมันคืออะไรล่ะ ถ้าเราไม่เราไม่หลงไม่เข้าใจเหตุปัจจัยมันก็มีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหนะเอ๊ะเกิดทัชช่วงนั้นอาจารย์เกิดทักเราเราคิดถึงว่จะขันดับหรือรลดทนป้องโอ้มาสบายอิสระเพราะไม่ต้องหาขันใหม่แล้วเพราะมันเบื่อเห็นเห็นขันตัวนี้มันเบื่อนายแหละมันไม่เอาแล้วแต่มันก็มันก็ไอความเบื่อนายี่ยมันเข้าใจในเหตุปัจจัยครับจะไม่อาศัยเหตุปัจจัยต่อไปอยู่อย่างอิสระสบายไม่ต้องมีแดนเกิดไม่ต้องมีทุกข์ชื่นใจจริงๆในช่วงนั้นนะ แต่เวลามันเข้ากลับคืนสภาวันเดิมก็เราได้เห็นแล้โอ้ไอทิงเหตุปัจจัยที่เราไปหลงมันอย่างนี้เองและยากที่คนเราจะแกะมันออกมันจะเพลิดเพลินนิดเดียวก็เพลิดเพลินน้อยเดียวก็เพลิดเพลินแม้กระทั่งเราไปกินน้ําเนยน้ํากาแฟน้ำอูเลี้ยงมันก็จะเพลิดเพลินนะไอนี่รสชาติอร่อยนู่นอร่อยมันไม่ติดหมดอ่ะอ่าเพราะมาจากไหนจะออกยังไงจากความเพลิดเพลินเหล่านี้แล้ความเพลบดเพลินเราก็ต้องพิจารณากันกระทำเนี่ยงเราเนี่ยแต่เราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ อย่างกะรดเกลือเกลือที่สมมติลดเกลืออแล้วจะเปลี่ยนให้มันเป็นลดหวานได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้ไหมล่ะพี่เปลี่ยนได้ไหมล่ะเปลนไม่ได้อะเปี่ยนมันนั่นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้าจะเปลี่ยนมันทำไมล่ะเราไว้ไปติดมางที่กันรู้ว่ามันเค็มเขาสมมติว่าเค็มแอนร์ท่าอย่างนี้มันติดมาตั้งนานแล้วมันก็ปล่อยมันที่มันเค็มก็รู้ว่าเค็มเขาเรียกว่าเกลือเขาเรียกว่าเกลือเมื่อคือเกลือแล้วไปเสกเขาได้ไหม ก็แสดงสมมติไม่ได้หรือปฏิเสธเหตุปัจจัยไม่ได้เพราะมันมีมันอยู่แล้วที่สมมุติอยู่กันเนี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วจะไปเอาอะไรสมมติมาดูหนังสนุกอ่ะสนุกก็สนุกไปสิแต่เรก็สมมติเอาทั้งนั้นนะแต่ให้เราจิตเข้าไปผูกมันไปแล้วปัญญาเราเกิดเธอไปหลงไปแล้วถ้าไปหลงเมื่อไรเราก็ไปยึดแล้วอไรี่ก็อยากดูอีกอ่ะอยากจะดูตรงนั้นอยากจะดูนั่งไอ้จริงดูตรงนี้ ความคิดมันก็คิดไปีิคิดไปที่มันก็เขาไปคิดเรียกเขาว่ามันความเพื่อเพลินในจิตมันเพื่อเพลินี่มขอบไปสร้างมโนภาพไปสร้างมโนภาพยากความยากความยากนะทีนี้มันมันหลงอยู่แล้วอ่ะมันก็ชอบมาสิมันมันก็ไปใหญ่เลยทีนี้กูไม่กลับอ่ะสีเรื่องห้าเรื่องตอนเนี้ยโอ้โหดูเรื่องนั้นแล้วไม่ใช่สี่เรื่อง5เรื่องนะอยากจะเลือกไปแล้วกลับมาดูอีกเพราะว่ามันคิด ติดอยู่อย่างน uhh. ั mm. ้นเองไงเพราะมันเพลิดเพลินเพลิดเพลินในจิตนี้มันก็ชอบกิเลสแตัยนี้ก็ชอบเอ่นจเราไปเห็นเราไปรู้เข้าใจในเหตุปัจจัยปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเหตุปัจจัยแม้กระทั่งภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันต้อเกิดขึ้นอย่างนั้นอยงั้นเราปรุงแต่งไปอย่างนั้นถ้าเราปรุงแต่งไปมากมันก็เป็นรามนี้ราปรุงแต่งนั่นแหละทําไมเราละจากความเพลิดเพลินไม่ได้อ๋อทําไมถึงละไม่ได้หรอใช่ก็ผมดูรึเปล่า ก็ไปหลงเหตุปัจจัยหลงความเพ้อเพลีงก็ไปยึดไงไปยึดได้สิ่งที่ความพอใจความยินดีแล้วไม่เห็นอุปทานไม่เห็นอุปทานในตัวเองที่าไปเขาไปเสกอยู่ตอนนี้ก็แหม่ต้องเป็นกูแล้วมึงเฮ้ยไปหลงไปหลงดูมันก็คิดว่าเป็นเราไงไอ้สิ่งอย่างนี้มันต้องมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเองไงไอ้เราผมจะพูดไปยังไงมันก็ มันก็ยังไม่ถูกได้นทีเดียวนะทเทียบเคียงให้ปัญญามเกิดขึ้ น, นเพราะเราการกระทบอย่างนี้มันมันเหมือนเราก็วิ่งหามาก่อนแล้วก็วิ่งหามันเกินอย่างนั้นกูมไม่เอาอะไรอย่างนี้มันเป็นเหตุปจัจจัยเองงี้มันกูรู้แล้วแต่ตามอง อยากรู้นะแต่ปิดกั้นตัวเองแต่ไดละจิตที่มันพุ่งไปนี่มันพุ่งไปแล้วไปแล้วนมันพุ่งไปแล้วเพราความนึกคิดมันเกิดไงเกิดให้จิตมันมาจากไหนมาจากจิตทางนั้นอ่ะเห็นไหล่ก็แล้วมันรู้เคยสัมผัสนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเีองว่าจินตนาการตั้งมโนภาพขึ้นมาอก็เป็นลมไปยเออก็ไม่มีความวิสระอึ้อ่ะอยู่เมื่อผู้หญิงที่เราอ๊ มันเป็นเหตุปัจจัยที่เราไม่เข้าใจแล้วทําไมเราเร า, เราไปหลงทั้งนั้นเลยซิซ่าเราอยรรรากเอาสึกกันอกนั่นแหละ ม, <อ>มันมีอารมณ์การอารมณ์การต่อเนื่องของจิตที่มันมีอยู่อืใช่ไหมที่เราเกิดมันมีกิจพกกระจายมาแล้วทีนี้พอพอกระทบปุ๊บเนี่ยไอ้จิตที่มันเคยรับรับอารมณ์ในนี้มันก็ไปปรุงแต่งเลยมันก็ออกทางกายวาจาใจมีก็ออกปรสชาติเสียงมีออกตามีออกทางจมูกออกมันออกหมดทางอายันตนาเพราะติดวิญญาณ กเขาแก้ไขก็ต้องดูจิตอ่ะก็ต้องดูอย่างไรอ่ะถามว่าดูอย่างไรก็ต้องปฏิบัติเอาก็เข้าใจเอถ้าผมบอกว่าดูอย่างไรต้องดูอย่างนี้ี้คุณเชื่อพอไหมอ่ะถ้าคุณไม่ทำ ผมถามว่าเกินในีเค็มนะถ้าคุณไม่กินคุณจะรู้ว่าเค็มหรือไม่เค็มบางคุณอาจจะมาหวานก็ได้ผมก็ไม่พิเศษนั่นแล้วแต่คุณจะคิดอนั่นไงละ่ะแต่ใต้ผมว่าต้องอย่างนี้อย่างงี้เป็นไปไม่ได้ก็ชี้แนวทางว่านี่นะทางไปนี้นะไปไ ป, ไปออกข่าประตูจุลพัณฑ์ไปเท้นนี้นะถ้าคุณไม่เดินเ้าไปทางนี้ไม่ได้เลยอราคุณจะไปก็ได้อ ไอ้สิ่งนี่ไปได้แต่จะถามถามว่ามันเป็นยังไงม้างเดินตรงนี้มีหนามไหมเดินตรงนั้นไม่น้ำผมบอกไม่ได้ก็ได้นะถ้าบอกไม่ได้ถ้าคุณไม่เดินเองนะงก็มุขเจ้าเขาวางไว้นี่แหละถ้าเร า, มาไม่ปฏิบัติจะาบัวไปเชื่อคนนู้นคนนี้ถ้าเราไม่ทำํำเราก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าตรงนี้เขาทาถูกตัวนี้เขาําผิดแล้วก็หลงเหตุปาใจัยอย่างั้นเองหลงหูหลงตาหลงจมูกแล้วก็หลงอย่นี้แหละถ้าหลวงพี่ไม่ทําเองพี่ไม่ได้เลยตอนนี้ก็เรามีปัญหาอยู่พูดจริงนี่แหละ ตอนแรกก็ปฏิบัติว่าปฏิบัติดีแล้วพอเห็นผู้หญิงก็สุดยอดแต้องกลับมาปฏิบัติดีกลไปเห็นอ๋อไปปงสุดพระทําใจไม่ได้ต้องมองวนเวียนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่กล้าหน่ไม่เข้าใต้องมองไปตัวเองข้างในมีอะไรมีอะไรวะมีแต่เนี่ยซสื้อเลือดนะฮะไส้มีแต่ของเน่าเหม็นทั้งนั้นก็ต้องปงต้องดูแลปอาเราก็เหมือนกันปงแล้วก็รู้สึกว่ารับได้ มันนะใจเพราะมันมันเคยไงเคยสัมผัสประสบการณ์เคยสัมผัสมาเคยสัมผัสมาด้วยจริงๆอะของเหม็นหมดเลยของเหม็นหมดเลยเราพิจารณาให้ลึกซึองฮะแล้วก็พิจารณาที่สรางศพมองไปโอ้โหมอว่ามันอืดขึ้นมาเนี่ยอกลิ่นออกมาอตาถลนอนะมันมีอะไรที่ไหนอะอืเราไปหลงมั้ยหลงแต่ฉากอภายนอกว่าโอ้โหมันสวยมันงาอืม เนี่ยยังเขาพูดถูกหมดแต่บางบางอย่างเนีสมมุติเขายังยังสื่อออกมาไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรออที่ทิดนอพูดเนี่ยดูแบบธรรมชาติเนี่ยพู ด, พดออกมาแบบต้องบป็นแต่งภาษาอภาษาภาษาสมมุติเนี่ยมันมันบางอย่างมันมันไม่สามารถพูดออกมาภาษาศัพท์ของของเรื่องธรรมเนี่ยของคนนี้ผมไม่เข้าใจการถ่ายทอดเพราะเนี่ยคําแปลของค มาก่อนนี้ผมผมใครเนี่ยอ๋อแล้วผมไปแปลตรรกะคาของพระเจ้าตัดออกมาด้วยโดยส่วนหนึ่งนะทำธรรมธรรมธรรมะคืออะไรธรรมชาติจัจัดธรรมคืออะไรอะไรมันเป็นอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าความหมายของแต่ละความจริงอะไรเนี่ยความจริงที่เรารู้ทเราสัมผัสเนี่ยเรียกอย่างนี้เนี่ยแต่ภาษาธรรมเรียกอะไรไม่รู้ไอ้ธรรมวัตถุบันงเนี่ยมันรู้เฉพาะทั่วในแบบเขาเนี่ยเขาพิจารณาเขาเห็นทั่ เจอทุกมันเหมือนนิยสัตว์เห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเพราะเห็นอุปทานที่เข้าไปยึดติดในธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วทำไมพูุทธเจ้าถึงบอกเอาความดับทุกไว้ก่อนดับทุกก็คือว่างจากความทุกตรงนั้นอ่ะคือไม่มีทุกอ่ะแล้วถึงทึงได้หาหนทางเป็นมรรคที่เดินเข้าไปสู่การดับทุกเพราะนั้นต้นของมันก็ต้องเห็นทุก ในระดับแรกเลยแล้วทุกเนี่ยมันจะทุกที่กายทุกที่ใจนะก็เห็นทั้งสองอย่างนั่นแหละอแต่ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดปัญหาทําให้เราทนอะไรไม่ได้มันคือทุกใจต้องเห็นตรงทุกตรงเนี้ยในความดับจริงๆของมันแล้วนะมันไม่ปรุงแต่งหรอกว่าธรรมชาตินั้นคืออะไรเป็นอะไรอย่างที่เขาว่านะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสมมุติไม่มีสมมุติทีนี้ว่าถ้าเราสมมุติว่าเป็นอะไรก็สมมติไป เนี่ยก็ภาวะที่ที่บันดับแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ยึดติดอ่ะมันไม่ยึดติดว่าเป็นอะไรมีอะไรทั้งภายนอกทั้งภายนแม้กระทั่งตัวที่เรารู้ที่คิดถามเขาเนี่ยแล้ตัวรู้อ่ะมันมันมายัางไงอตัวรู้มันก็อาศัยจากเหตุประจัญสนิหารจิตมาอาศัยมันก็จะมีสภาพของวิ ญ, ญญาณรู้ปรากฏขึ้ น, นแต่ถ้าเราไม่ยึดติดมันแตกดับไปแล้วเนี่ยสภาพแห่งความรู้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นให้เรารู้ เพราะเราไม่มีเหตุปัจจัยประกอบที่สมบูรณ์เนี่ยตรงเนี้ยขัดกันไหมนะขัดกันที่นี่ไหมอะไรอย่างพี่มะนาพูดอ่ะพี่น้าแสดงตามทิศมีพูดมันหลุดออกมาเนี่ยก็คือยังรู้อยู่มันก็มันไม่อาจารย์ตัวเนี้นะสําคัญนะมันไม่มีใครรู้แบบพออะไถ้าไม่มีธาตุขันใช่คือมันไม่สามารถสื่อออกมารู้ว่าใช่มันต้องมีอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเลย สำคัญทั้งหล้องเคให้แตกใจเราต้องฟังให้ดีนะธาตุขันนี่สําคัญนะผมเข้าใจครับคือพราะธาตขันแลประชุมแล้วมันทําให้เกิดการรู้ขึ้นมาแต่พอธาตขันแยกไปการรู้ก็หายไปไม่สามรถแต่ถ้าเรามีกิเลสอยู่จิตเนี่ยมันเป็นพลังลูกแห่งพลังก็ถึงมัเปราะมีกรเป็นอยู่มันมีเชื้ออยู่ตรงนี้พลังตรงนี้มันยังวิ่งไปเกิดตอนช่วงที่เป็นกฏระจิตไตเจอแต่ถ้าเราตัดขาดสายายโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ย เชื่อตรงนี้ไม่มีมันจึงไม่มีแดนเกิดอืไม่มีที่เกิดไม่มีพบไม่มีชาติออยากจะรู้ว่าพี่มานะสามารถทีหรือเปล่าก็ไปถามจะถามความนี้แหละอแต่ท่านจะตอบถ้าพบชาติไม่มีมันก็ไม่มีตัวประกอบให้เกิดทั้งรูปกายละเอียดเลือดลูกอย่างเพราะนั้นเนี่ยความว่างความพ้นที่ก็สมมติบัญญัติตรงนี้ที่ว่าดับทุกไปแล้วเน่ยจึงไม่มีที่อยู่อืไม่มีที่อยู่ที่จะมาแสดงรูปธรรม ร่างกายหยาบหรือเกิดมาเป็นกายละเอียดอีกอก็ไม่มีแล้ว ม, มันก็เหมือนของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันหาที่ประกอบไม่ได้แต่มันก็อยู่ในอนุธาตุนี่เราจะเห็นด้วยปัญญามันจะไม่ประกอบประเกิดขึ้นอีกนะมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ลุ่นล้วนจิตก็คือจิตใช่ไม่ได้มีอาการรู้ใช่อจิตก็คือจิตแต่จิตนั่นแหะมันไม่มีสมมติพอมันไม่มีภาษามีคว า, ามาาหมายก็คือสิ่งหนึ่งอย่างที่เขาบอกไม่ได้ ถ้ามันยังไม่ยังไม่รักสังขารมันต้องรู้อยู่มัจะมีภาสะท้อไม่รักสังขารก็มันยังมีเหตุเหปัจจัยให้รู้ได้ใช่ไตอนแตกแล้วปุ๊บจิตก็คือจิตที้มีอาการรู้เพราะว่ามันไม่มีการรวมใเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยมารวมจิตก็รวมอยู่ที่อาการรู้แล้ว้อลูกมาเห็นแล้วก็เลยหลงเหตุปัจจัยถูกต้องเนี่ยถกต้องเนี่ยคำถามนี้ที่ว่าอจารยพี่มันาจะตรงไหมตรงอันนี้ พอพีมาเคยพูดหลุดมาแล้วแต่แต่บนนั้นอาชีพนั้นพูดตึงเลยพนนั้อาชีพของหลวงพ่อมัได้ไนไหนอยู่บนเราูเราาพิ่เพิ่เจอเพื่อเมเพเจอผิดพลาดยังหนักตรงใช่ไหมแต่ว่าบรรลุทำไม่ได้ไม่ยันเพืจอบรรลุได้ยังไงมันยังเปสมาธิอีกเลยเออแล้วยังไม่ตองเลยเออแล้วมันเดินแต่ว่าบนใแถ้าเกิดกระตรุ่มก็ก็ เขาก็จะเออแจงแจงวันนี้ที่พูดมาไม่ใช่ที่สอนไครก็ไม่ใช่หมายถึงตัวผมเนี่ยครับอนีตรงครับแต่ว่าตรงมันไม่บรรลุครับแสดงว่ามันยังไม่ตรงเท่าไหร่คือเไม่เห็นความเห็นชอบอืแต่มันอยู่การปฏิบัติมันอยู่มันอยู่ในขั้นตอนที่จะเดินไปว่ามันมันให้เห็นทุกใจมากพิสปัญญามันเห็นแล้วอ่ะปัญญามันก็จะทำจริงพระบางรูปน่ะทำไมท่านเดินทุดง ทำไมท่านต้องไปทรมานเพราะท่านเห็นจิตที่มันอยู่ภายในที่มันยังประกอบด้วยอุปทานอมันมีเชื้อมีไข่ที่มันยึดอยู่มันมีความพอใจไม่พอใจมันจะพุดให้เกิดขึ้นเราจะเห็นหน้าตาของมันตรงเนี้ยไอ้ที่เราเห็นนั่นคือทุกข์พอเราเห็นเห็นตัวอุปทานตรงนี้เห็นมากเข้ามากเข้าเราก็เลยเบื่อหน่ายที่จะไปวิ่งตามอาการของมันนี่มันที่สุดแห่งทุกข์พอถึงตรงจุดนั้นอ่ะมันคลายหมดเลยอพอคลายปุ๊บ มันก็จะไม่มีภาษาไม่มีความหมายไม่มีปรงแต่งอ่ามันจะไม่ใช่ว่ารูปใช่นนามดีชั่วมันก็จะไม่มีเพราะจิตเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งว่าดีก็ชั่วเลยความสมมุติที่เราจะไปอาศัยในรูปธรรมดีชั่วมันเป็นสมมติโลกเขาเท่านั้นแต่ในจิตของผู้รู้เนี่ยจะไม่มีไอ้ตรงนี้ว่าดีไอ้ตรงนี้ว่าชั่วมันจะเป็นสภาพธรรมที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่มีกิเลสเลยข้างข้างในมันก็ข้างนอกก็ไม่มีอุปทานว่ามันคืออะไร ภายในก็ไม่มีอุทานคือคอะไรเพรจิตของเรานะี่มันถูกล้างออกไปมันจะเห็นสมมุติว่าโอ้โลกเขาว่าอย่างนั้นโลกเขาว่าอย่างนี้เขาว่าดีแท้จริงดีก็ไม่มีเขาว่าชั่วแท้จริงชั่วก็ไม่มีเพราะว่าเขายังมีอวดทานไปปุ่มแต่งว่าดีว่าชั่วออือแต่ว่าดีชั่วนะั้มันมีปัญเหตุปัจจัยอย่างที่ยกเขาว่าเยอะคือมันให้ผลทั่วมันให้ผลออแต่ว่าผู้ที่รู้น่ะเขาไม่มีผลตรงนั้นเพราะมันดีมีผลสะท้อนแต่ ออมาเขาก็ไม่มีอุปทานมันไม่ยุติดมันก็เป็นสภาวะของเหตุปัจจัยชั่วออกมาเนี่ยมันก็เป็นสภาวะของเหตุปัจจัยอย่างเช่นคนที่เขาบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเขาเกิดภาะวะกรรมที่ตามทาันมันเป็นวิบากแต่จิตเนี่ยมันพ้นวิบากอย่างเช่นพระโมคคัลลานี่ที่ทุกติง่ง่ายอะนัะเขาเห็นมาตรงนั้นนะจริงๆเขาไม่เขาเห็นวิบากตรงนั้นแต่เขาไม่มีอาการในสิ่งร้ายและคือธรรมชาติเหตุปัจจัยที่มัน มันเป็นสายใยของเขาอยู่แต่จินเป็นโมฆะนั่นคือเขาไม่มีอัตตาเขาก็เลยไม่เห็นว่าตรงนั้นมันชั่วหรือมันเป็นวิบากจริงๆแล้าไม่ได้ปรุงแต่งแต่รู้ว่าอาการมันจะต้องมาอย่างนั้นเราโยนของไปตรงนั้นะมันจะต้องไปหล่นตรงนั้นเราก็รู้อยู่มันก็ต้องมาตรงนั้นเขาโยนมาตรงเนี้ตามทิศทางที่เขาจะลงมาเขาก็รู้มันต้องลงมาตรงนี้เขาก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งเขาเห็นเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่มีอะไรออกมาเลยจากจิตเลยอ เพียงแต่อาศัยรู้อาศัยรู้เท่านั้นขนดับรู้เนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นว่าไอ้ที่เรารู้น่เป็นเราเลยพยายามจะถามโยมที่ให้ให้ฟังว่าที่เรารู้มันมันคืออะไร อ, ะอ่ะใช้จริงที่รู้นะมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งว่าเรารู้นะแต่ธรรมชาติที่มันประกอบขึ้นมาอาศัยสมมุติก็เลยสมมุติเรียกว่าเรารู้แล้วเป็นธรรมชาติรู้ก็เป็นธรรมชาติของของขันที่ ที่อประกอบด้วยรูปด้วยนามด้วยจิตเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่เขาอย่างแต่เขาไม่มีอัตตาในตัวเองเท่านั้นเองอไม่มีตัวตนในส่วนเรานี้ยเขาบอกว่าไม่มีอัตตาก็คือไม่ได้ยึดติดถึงธาตุขันจะแปรสภาพสลายไปมันก็เป็นสภาวะของเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตของผู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่ยึดไม่สมมุติไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สมมุติว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สมมุติว่ามันตายไม่สมมติว่ามันดับหรือว่ามันเกิดหรืออะไรเขาไม่ได้มีตัวนี้เลย คือมันไม่ได้สร้างภาวะในใจเลยเนี่ย ม, มันจะเห็นแต่สมมุติว่าอ๋อโลกเขาเขาอาศัยเรียกกันเขาว่าอย่างนี้ยตายอันนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแท้จริงมันไม่มีตาย ม, ม, ม, มันไม่มีเปลี่ยนแปลงมไม่มีเกิดไม่มีดับภาวะก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เองเนี่ยจิตที่มันถอดถอนแล้วไม่มีสายใยผูกก็จะไปปลุกแต่งนะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดได้เพราะเราเห็นทุ ก, ทกเห็นทุกเนี่ยเพราะว่าเราจะเกิดตกภายใต้อณิจจังตุกขามตาอย่างที่โยคะว่า มีความเปลี่ยนแปลงลเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็ทุใช่ไหมมันเป็นทุกข์อยู่เราอยากจะให้มันไม่ทุกข์ในร่างกายในสังขารล้วก็ไม่สามารถจะให้เป็นไปตามใจหวังได้สภาพในที่ไม่เป็นไปตามใจหวังได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันไม่สมหวังนะมันเป็นหน้าตาเพราะมันไม่เป็นไปตามใจเราใช่ไหมเพราะสิ่งที่เราเออกไปนี่จาทุกข์หน้าตาที่เรามีความปรารถนานี่แท้จริงมันมีแต่ตัวเรายึดเท่านั้นเมื่อเรายึดเห็นตรงนี้ยเราก็เห็นโอ้มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราวิ่งไปวิ่งไปนะเพราะว่าเรามีอุปทานเราจึงเกิดทุกข์แท้จริงมันคือสิ่งนี้เองสิ่งนี้เองเราก็เลยจะไปเอาอะไรกับสิ่งเนี้ยพอเห็นด้วยปัญญาตรงนี้ยพอเราไม่เอาอะไรทั้งหมดแล้วสิ่งนี้เราเห็นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยจิตมันก็ไลยถอนออกมานะเมื่อจิตรู้มันก็คลายเมื่อมันคลายเพราะมันก็รู้วันเราถอนออกมาแล้วยานได้ปรากฏแล้วอย่างรู้เข้าไปแล้วมันก็จะเห็นเป็นธรรมชาติ ขนาดยานอย่างดูสิ่งที่ปรากฏรูมันยั่อมได้ปรุงแต่งว่าคืออะไรจะเรียกว่าว่างก็เรียกไม่ได้จะเรียกว่ามันไม่ว่างก็เรียกไม่ได้เพราะ ม, มันไม่ได้ไปสร้างในภาษา ส, าสมมุติออกพานในธรรมชาติที่มีอยู่เลยในจิต <c oughs> มันเป็นอยู่อย่างอีอแต่เราอาศัยพูดได้สาศัยสมมุติได้แต่สมมุติอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปนตามที่สมมุติหรอกเพียงแต่เราสมมุติอาศัยสมมติผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> สมมุติว่าเกิดว่าตาย <c oughs> <S <S ค, ความจริงก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายโดยธรรมชาติสัจจะของเขานที่มันเป็นอยู่แล้ว เขาก็ไม่ได้เกิดเขาก็ไม่ได้ตายก็เป็นอยู่อย่างเนี้ไอ้ที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่แค่กระทบเท่านั้นเองอืรู้แค่กระทบรู้แค่ความรู้สึกรู้ไม่ต้องไปสร้างอะไรนี่คือจิตที่ถอดถอนมันเป็นอย่างอั้ตาเห็นรูปก็รู้อยู่จะคิดว่ามันดีจะคิดว่าชั่วก็รู้อยู่เพราะความดีความชั่วมันเกิดขึ้นจากสัญญาที่พระธรรมโยมที่แค่จะพูดขยายให้ฟังว่ามันดีอย่างนี้มันชั่วอย่างเนี้ย นั่นคือสมมุติที่ขอสมมติว่าดีว่าชั่วอแต่สมมุติของผู้รู้แล้วเขาไม่ได้ปรุงแต่งว่าดีว่าชั่วนะเพราะว่าดีชั่วเนี่ยเขาไปสร้างไม่ได้อเพราะไม่ปรุงแต่งแล้วชั่วเขาสร้างไม่ได้ทีนี้อาการที่ดีชั่วเนี่ยมันก็เลยสัากาแต่ว่าสมมุติเอาเท่านั้นเลยอไม่มีทีนี้เราไปติดว่าดีมีชั่วมีมันก็เลยเป็นอาัตราก็เลยยึดมั่นถือมั่นก็เลยเป็นตัวตนโลกที่เขาติดกันเขาเลยติดดีติดชั่วอยู่อย่างเนี้ยเขาก็เลยทุกเพราะว่า ดีเขาก็ชอบชั่วเขาก็ไม่อยากเอาปฏิเสธก็คือตัวกิเลสตัวตัณหาทั้านั้นเลยอนี่ยตรงนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเห็นทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์ตรงเนี้จิตจะเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายก็คือปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตก็เลยคลายความยุติก็คือความรู้จริงเนี่ยจิตมันก็เลยไม่เอาอะไรคา ที่จะถามว่าทํำไมจะะได้ถึงจะเบื่อหน่าได้ผมเจร ะ, ะได้ต้องเอาจิตเนี่ยสติเนี่ยไปเห็นจิตอย่างนี้ให้มากให้ต่อเนื่องเห็นจนกระทั่งว่าเราเอาอะไรไม่ได้เนี่ยนั่นแหละตรงนี้เขาจึงได้สะท้อนเป็นภาษาของอุปท า, านที่โลกก็มีว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังมันเป็นห น, น, น้าตานะแต่ความว่างไม่ใช่อนิจจังทุก ข, ข์หน้าตาธรรมาชาติทั้งหลายไม่มีนิจําทุก ข, ข์งตา แต่ต้องอาศัยสื่อสมมุติตรงนี้ที่เรามีอุปทานว่าเราเป็นว่าเป็นนั่นเป็นนี่อืมาเป็นตัวแก้ตัวแก้ด้วยปัญญาที่จะถอนจิตเราออกจากกันยึดญญติดน่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้อืเพราะฉะนั้นเลยจึงบอกว่าไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยคิดคิดมันก็เป็นแค่กิริยาคิดดีคิดชั่วเพรดีชั่วมันข้าสมมุติอ่ะสําหรับผู้รูม้มันไม่มันไม่ได้ติดทั้งดีทั้งชั่วคิดยังไงมันก็ไม่ติด ชั่วคิดชั่วยังไงมันก็ไม่ติดมันไม่เกี่ยวเนื่องกกรื่อจิตมันเป็นแค่สังขารความนึกคิดสังขารความนึกคิดมันไม่ไมีจิตเลยถ้าจิตไม่ไม่ยึดติดไม่เป็นคิดเลยว่าคิดนีก็ว่างทาอะไรก็ว่าง ม, มันไม่มีอัตตาอย่างนี้แต่เป็นสภ า, าว่าธรรมชาติที่เราอาศัยขันอยู่ก็จะเป็นธรรมชาติที่อยู่อย่างเนี้ยอมันจึงไม่มีอะไรสร้างออกมาจากใจแบบยึดจิตแบบอุปทานแบบรวดวลงุ อย่างนี้คือถอนออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่คือตัวแจ้งสว่างที่เห็นตามความเป็นจริงของสมมติบัญญัติโลกที่เป็นภาษาความหมายและเหตุปัจจัยของรู ป, ปรธรรมที่มีการแปรเปวนอยนเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะสมมติคู่กันไปสิ่งที่มีอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันความมีอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัติอแล้วไอ้สิ่งที่เราสมมติซ้อนไปเนี่ยเขาเรียกสมมุติบัญญัติอแต่ในสมมติบัญญัติมันก็เป็นเพียงภาษาความหมายเท่านั้นไม่มีอัตราตัวตน แล้วโดยสภาพธรรมแล้วแต่ถ้าจิตผอนแล้วมันก็ไม่มีสมมติกันนญญาเพราะว่าสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ใช่ตัวตนไม่ได้ปรุงแต่งเพราะจิตใจเราไม่ได้ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งของใจเราเนี่ยกับสิ่งที่เป็นภายนอกเนี่ยมันจึงเป็นอันเดียวแบบแบบไม่มีตัวตนนะเป็นสภาพธรรมที่มันว่างจากความเป็นตัวตนจะแปรปรวนยันยงไงก็ไม่ใช่เป็นตัวตนมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น จึใช้คําพูดว่าตาตาเนี่ยมาเป็นเช่นนั้นเองที่เป็นอยู่อย่างนั้นเองความหมายมันคืออย่างนี้แต่มันจะต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างแยงละเอียดเพราะนั้นจึงต้องมีการเจริญสติสติเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อให้เรารู้จิตเราอย่างเช่นหลวงพ่อสอนให้รู้จิตเมื่อมีการกระทบอพอจิตเนี่ยมันมีหน้าที่รับอารมณ์อยู่เสมอรับอารมณ์คือตัวกระทบอารมณ์ อารมณ์ทางตาหูจหมูกเล่นกา ย, จยใจแม้กระทั่งใจคือความนึกคิดจิตจะไปรู้หมดจะทําอะไรต่างตาจิตก็รู้หูจหมูกเล่นกายจิตก็รู้ความนึกคิดจิตก็รู้มารู้อยู่ที่จิตตัวเดียวอจิตจะวิ่งตามไหอถ้าจิตไม่วิ่งตามจิตก็นอกเหนือจากเหตุปัจจัยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำว่าบุญบาปมันดับไปเพราะว่าจิตมันไม่วิ่งไปตามบุญตามบาปเขาเรียกว่านอกเหนือเหตุปัจจัยอ นอกเหตุนอผลเพราะนั้นบุญมาบาปมาสมมาไม่สู่จิตเลยออืจิตไม่มีที่ตั้งแห่งการรับแบบอัตตาแล้วมันก็เป็นสภาพธรรมอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นไม่มีผลอะไรอนสําหรับผู้รนะู้นะออืเพราะนั้นผู้รู้มันจึงไม่ตะเกียกตะกายวิ่งทิ่จะเอาอะไรอะไรเพียงแค่อาศัยโลกหรือสื่อสารให้คนที่จะพอมีปัญญาได้รู้ความจริงตรงนี้จะได้ถ่ายถอดให้เป็นปจัจจิตตังรู้ได้เฉพาะตัว ต, วตรงนี้ไปออ ให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเห็นชอบตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เป็นจริงเขาก็เป็นอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะไม่ได้มีอัตตาเลยอังนั้นจึงมีคําพูดที่ออกมาว่ากิเลสมันก็ไม่ใช่อัตตาออย่างที่หลวงพ่อพูด่นะกิเลสกับโพธิคือตัวรู้แจ้งก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะมันสมมติเอาเพราะสภาพธรรมจริงไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาเราจะสมมุติว่ามันชั่วสมมุติว่าดี มันดีชั่วมันก็ดีไม่ได้ช่วมันก็ชั่วไมเพราะมันไม่มีตัวตนที่ธรรมชาติที่แท้จริงสาหรับผู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่ไปสร้างอัตลาแล้วเพราะฉะนั้นแหละโพธิกสิเดชของก็ความหมายก็คือความพ้นไปแล้วไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านั้นสําหรับผู้รู้ที่จะแสดงออกถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่หมดจากผู่กระทาำแล้วทาไมหลวงพ่อแสดงว่าเหมือนลมพัดมาอหมือนท่านหมายความวันยังไงก็เลยเหมือนลมพัดมาแค่เป็นคลื่นกระทบเท่านั้นเองเราก็ไม่ไหลตาม ถ้าเป็นเหมือนลงบูชาเนี่ยท่านก็บอกว่ามันแค่เป็นอารมณ์แค่ความรู้สึกเท่านั้นชั่วรูบหนึ่งก็ชั่ววูบของเพราะเรามีเหตุป<ฮ>ัจจัยในรูปนามเองเพราะเหตุจักใจกระทบมันก็รู้ทรรมชาติกันกระทบก็เหมือนกับคลื่นเข้ามากระทบก็มามันลุบแล้วก็ามาทำไงไงลมพัดมาใครใครพูดอีกในหนึ่งมือ้อดังลมพัดมอ <laughs> จะพุกหรือสกนะุกเนออยู่ที่ปัญญารู้เท่าไหในหนึ่งเหมือนดังลม พลัดมาเนี้พูดถึงกิเลสใช่ป่ะธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นกิเลสก็เหมือนกับจิตประภัสสรเนี่ยอแต่ว่าจิตที่มีกิเลสเนี่ยเพราะว่าอีที่ว่ากิเลสมันจรมาเพราะความไม่รู้แห่งการกระทบนี่แหละมันก็จรมาถ้าให้เราลงคือพถึงกิเลสจรมาอีกในหนึ่งเหมือนอย่างลมพัดมาใช่ไหมกิเลสคือเกี่ยกับกิเลส กิเลกก็คือการทุกข์กะารทุกข์เกะท่าทุกกะอย่างนี้หนึ่งเหมือนลมพัดมามันก็ผ่านไปพัดมาใช่มันไม่มีตัวตนไม่แช่จริงหรอกเออไม่ใช่ไม่ได้ความหมายถึงจิตแต่มาถึงกิเลสหมายถึงกิเลสหมายถึงอุปทานก็ก็เข้าใจว่าถึงกิเลสแน่แต่ว่าทําไมถึงถึงกล่าวว่ามันถึงเหมือนมันพัดไปพัดมาแสดงว่ามันชั่ววูบหนึ่งใช่เนื่องเขาก็สมมุติเอาให้เราให้เราสื่อปิศาจตรงนี้เปรียบถ้าเอาเข้ากล้ก็คือการทุกข์กะก็คือแขกผู้มาเยือนแล้วก็ไป มันมันมันไม่ใช่ของแท้ที่ใชเป็นโมจาาิยึดได้เเออออถ้าถึงจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้าไม่มีอะไรออกถึงยากนะเนี่ยมองแล้วนี่มันเหมือนกับมันจะง่ายแต่มันยากอย่างนี้อยากเข้าใจก็คือท่านพูดท่านพูดว่าอาศัยเป็นก็บรุธรรมใช่อันนี้นี่งอ่ะที่เขาว่าเี้่ครับ ทุกียาบทที่ก็พูดเขาพูดแบบธรรมชาติอรู้หน้าที่ทําไปนั่คือมีสติรู้หมดทุกหน้าที่ที่กระทบปุ๊บจิตไม่ไปไปรุงแต่งเลยไม่ไปยึดติดและวร er claro> okay> ู้หน้าที่รู้ทําไปรู้เท้อนี่เขาเรียกว่ารู้อาศัยอพอรู้อาศัยปุ๊บปัญญาอย่ตามมาตามมาตามมาตามมาก็เห็นถึงตัวจิตที่เป็นอุปทานเพราะทุกที่เราอาศัยปุ๊บเนี่ยเราขาดสติปุ๊บเรายึดเลยพอใจไม่พอใจเกิดพอใจไม่พอใจเกิดนั่น ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็จะเห็นตัวอุปทานตัวทุบที่จิตมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเอาไว้ตัวนี้มันต้นตอพ่าปัญญามันเห็นตรงเนี้มันสลัดออกเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ารู้รู้อาศัยก็เขาสื่อธรรได้ก็แบบนี้เนี่ยธรรมชาติทุบอารมณ์ทุกขณะจิตเลยเขาต้องให้จเจริญสติไงทุบช่วงชั่วขณะจิตนี่ไม่ให้พล่องลดไ น, นําอาการเลยนะไม่ให้ไปเลยให้รู้เ<ม>ท่าทันตลอดตลอพราะนั้นได้คุยกับปรันยู่ จำพลันอยู่ได้เก็พูดถึงสภาพความคี่หลวงพ่อเป็นนะแต่มาว่าพูดถึงว่าฟังความหลุดของเขาที่เราเราเห็น น, นั่นแล้วเราก็เราก็ช่วยเขาที่เคยพูดฟังที่ว่าธรรมชาติจิตมันไปตั้งอยู่บนเหตุปัจจัยจิตนั้นไม่ตั้งอยู่บนเหตุปัจจัยเนื่ยสภาพรู้ที่รู้ตามอาศัยเนี่ยก็คือไม่มีที่ตั้งในสิ่งที่เราอาศัยเหตุปัจจัยเลย มันว่างตลอดมีสติรู้ทันในที่สุดกิเลสมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้มันจะต้องเกิดปัญญาไปไปประหารกิเลสว่าตอนช่วงแต่ตัวที่มันเรามีสติรู้นั่นแหละตลอดเวลานั่นคือปัญญาจะเกิดตลอดเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันนอนเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันผุดออกมามันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันจะดึงให้เรานี้เข้าไปยึดติดเตัวนี้เราจะเห็นมันเห็นมันตัวนี้คือตัวทุกข์อ่ะตัวทาร์เนี่ยเมื่อเห็นตัวนี้แล้วก็ แจ้งโดยปัญญาเราก็ไม่เอาตามมาแล้วแล้วมัก็จะตัดขาดออกไปอืออันนี้มันจึงเป็นปัจจิตังว่าเราต้องเจริญในธรรมเองเจริญสติเองแล้วเราจะเข้าใจของเราอืคนเราทุกไม่เท่ากันเขีย <ใจ S 2> นปัจจัยก็ไม่เท่ากันอืแต่ว่ากิเลสทั้งหมดเหมือนกันเพราะว่าสมมุติในคนคนีรวยคนนี้ก็จนใช่หหไหม คนรวยเขาก็ทุกแบบคนรวยคนจนเขก็ทุกแบบคนจนเพราะมีกิเลสเหมือนกันเท่าเทียมกัน <c oughs> มันยังไม่มันจึงบอกวัดไม่ได้ด ไ, ได้ก็รู้ที่ตัวเองเทียกว่าปัจจัยต่างไม่มีอะไรแล้วโลกนี้ อ, อย่าไปมองเห็นว่าสิ่งนั้นมันมีสิ่งนั้นมันเป็นแบบยึดติดคนที่สิ้นไปแล้วเนี่ยมันจะแจ้งสว่าง ของว่าแจ้งสว่างนะั้นมาถึงความรู้แจ้งในธรรมรู้แจ้งในโลกโลกคือสิ่งที่มีอุปทานอุปทานนั้นคือที่ตั้งของจิตจิตยังเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดอมันจึงมีภพชาติเวีนยนว่าตายเกิดคนที่เขารู้ถึงแจ้งโลกตรงเนี้ยเขาสลัดออกไปแล้วเขาจึงเห็นในสิ่งที่มันยึดติดแต่เขาไม่มีสิ่งที่ยึดติดเขาจึงไม่มีจิตที่ตั้งอยู่ในโลกในโลกกระ t h a นี้เพราะโลกกระ t h a นี้กับเขานะ่ะเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นธรรม ที่มันไม่มีอัตราเมื่อร <Nether ian S 1> ่างกายนี้ดับขันไปแล้วเนี่ยมันจึงไม่มีแดนเกิดไม่มีที่ตั้งของการเกิดภพชาติเราจะเอาที่ไหนมาให้เราเห็นอไอ้นอคนที่เห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือเริ่มต้นก็เห็นว่าเป็นละยึดหละมันก็เลยมีเป็นอยู่อยอ่างนั้นมันจึงไม่เข้าสูธ่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมไม่ได้เพราะธรรมชาติดั้งเดิมเนี่ยเขา เขาอิสระเขาว่ามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่ได้มีตัวตนนยมันย้อนอดีตไปได้ยามที่เกิดเห็นเนี่ยพอเห็นภาว่าตรงเนี้ยมันไม่สร้างอะไรเลยแม้กระทั่งเรามันก็ไม่ผมแต่งวัดเราหรือว่าเขารู้ว่าใครหรือว่าสัตว์บางคนเราก็ับจิตมันก็ย้อนเข้าไปเขาไปนดีอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ตั้งแต่เริ่มมีชีวิตอือ เดนน้ำไปลมน้นมันเป็นปรากฏการธรรมชาติมันมีอยู่แล้วจิตก็มีอยู่แล้วแต่จิตไม่มีตัวตนแต่ถ้าว่าปรากฏการธรรมชาตินี่มันเป็นกฎจิตใจมาสร้างให้เป็นชีวิตขึ้นมาได้นะสมมุติว่าเราเอาเป็นคนละกันพอเกิดอารันะครบที่มีจิตตาเดินน้ำไฟลมมาประกอบกันมันก็เกิดอิรันะที่เป็นตัวรู้ขึ้นได้คือจิตอิงอยาง พอมันรู้แล้วมันไม่เข้าใจตรงนี้ไงไอ้ที่มันเข้ามาดั้งเดิมมันว่างอยู่อแต่กฎอาจีนตายมันมารวมกัปั๊บพอมันรู้ปั๊บมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืมันก็เลยยึดติดพอยึดติดปั๊บมันก็เลยสร้างอุปทานพอใจไม่พอใจพบชาติเกิดขึ้นตรงหน้าแต่ก่อนพบชาติไม่มีเนี่ยพราะไม่รู้ของกฎธรรมชาติสเราต้องรู้คนสิ่งมาก่อนอนี่เราเดินกลับย้อนเข้าไปสู่ธรรมชาติแต่ต้องย้อนด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเครื่องประหารกิเลสตัวนี้อ ประหารที่ไหนประหารมีความรู้ที่ใจเ่าเนี่ยแหละพอประหารแลาวมัก็กลับคืนสภาพดั้งเดิมอทีนี้ยมันเปรียบเสมือนข้าวที่สีแล้วไม่มีเปลือกมันมาเกิดอีกไม่ได้ไม่มีสายใยเนี่ยเป็นกนอังกฤษตายอย่างนี้อสมาจิตดั้งเดิมมันถึงต้องมาหลงมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองใช่มาเกิดเพราะว่ามันมีสังขารใช่ ถ้าจะพูดถึงตามบัญญัตินะอริยธรรมมันเกิดเพราะมีสังขารอย่างว่าในการปลูงแต่งเนี่นสภาพมันสมบูรณ์มีสังขารนะแล้วมันสังข า, งขารแล้วจิตของตัวไม่รู้ด้วยไงมันก็เลยติดเป็นเหตุปฏิสนุบาตไปไม่มีซึ่งสุดออถ้ามันตัดสายใหญยของตัวรู้ด้วยปัญญาตรงนี้มันก็ขาดหมดาตรงไหนก็ได้เราขาดซึ้นหมดมันไม่มีเชื่อนี่เขาพูดว่ามันยังมีช่วงขณะหนึ่งที่เราบรรลุธรรม แว๊บหนึ่งในขณะที่เราอย่างนี้ขณนะเราอยู่ตรงเนี้ย<ะ>ช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่สติไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันแต่ถ้ามีสติปัญญารู้ทันก็รูย้ยากออืเพราะว่ามันต้องคนที่เขาบรรลุทหรือเข้าถึงสภาพธรรมที่แท้จริงแล้วเขาจะรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทุกดวงจิตเนี่ยคือชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีช่วงชั่วนาจิตหนึ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งออือแงบบ่ปันว่าง อแล้วมันก็เชื่อมโยงเข้ามาต่ออีกอแต่มันมินิดเดียวตั๊บเดียว ม, มันพงเข้าตามองไม่เห็นะนะนิดเดียวนิดเดียวเราต้องเจริญสติไปเรื่อยเรื่อเรืยรื่ยรู้เท่าทันจิตตลอดไ ป, ไปแล้วไอ้สิ่งนี้มันจะปรากฏรู้แต่ว่าตรงเนี้เรามันพูดแค่ว่าเราอยากรู้เราสงสัยพูดไปมันมันก็ได้ไป อ, อีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่ต้องไป กินอะไรดูจิตเราอย่างเดียวเลยเข้อนั้นเลยแล้วมันรักเลยมันไม่ต้องไปเอาโน้นเอานี่มากมายอะแค่นี้แหละเอาแค่ไหนเอาแค่รู้จิตของตัวเองเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงมีต้นตอบอกเกิดขึ้นจากจิตเป็นเหตุก็ต้องมาด่าที่จิตเหตุเพราะว่าอาศัยสังขารความไม่รู้จึงปรากฏขึ้นเมื่อมีจิตกระทบ มื่กระทบปั๊บมันก็เลยยึดติด ม, มามาอารู้ที่จิตต้นของจิตแล้วก็อาศัยดูที่จิตจิตมันก็ประกอบด้วยสังขารเหตุปัจจัยที่มันหลงก็เพราะเราเราไม่เข้าใจในรูปธรรมนามธรรมคือชีวิตนี้ก็รูม้มันก็ตัดอารมณ์ออกไปเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายมันปรากฏแต่ไม่มีจิตสนับสนุน นั่นหมายถึงจิ ต, จตว่างจิตที่<ม>แยกออกมาจากกัน<ม>แต่จิตที่มีสัมพันธ์นั่นมาถึงตัวอุปทานอ ม, มันก็ทําให้เป็นไปอะไรไปเสรเริ่มเสะท้อนต่อมาทุกที่จิต<ม><ม>อยู่างนั้น<ม><ม>ในที่นี้ว่าจิตที่มันว่างจริงท่มีจิตสัมพันธ์แล้วเนี่ยเขาจึงเรียกว่าจิตคงประจันสมมุติเอาว่าคงประจันมันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีเชื้อไขที่จะไปสร้างอะไรแล้วไม่มีผลสะท้อนของจิตทุกทุกอย่างเช่นว่ารู้ทุกอย่างที่เขารู้เนี่ย ใช่จริงจิตมันไม่ทุกมันแค่ทุกทุกทุกปรากฏแค่เป็นอาการอแล้วในจิตเขาไม่ได้ปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นเรียกว่าทุกเพราะไม่มีภาษาคังหมายมันเป็นแค่อาการแค่ความรู้สึกมนะันแยกขาดโดยเส้นเชิงมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เรารู้เราก็ไม่ไดนรู้อะไรเสิ่องที่ผสมกันเอาแต่สัตว์ธรรมที่เป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างเนี้ยอถ้าไม่พูดก็ไม่รู้เพราะงั้นเนี่ยมัน จะเรียกว่ามันปฏิเสธของธ็ไม่ใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติขอเองแต่ว่าเหนือทุกขมันก็ไม่ได้เหนือก็ไม่ได้ตงแต่งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่มันไม่มีสายใยที่ผูกพันหรือเป็นพันธนาการเสื่งกันและวกันก็คือตัวประธานมาตบตัดขาดมันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นเองสัมพันธ์อยู่อย่างนั้นเองเป็นอยู่อย่างนั้นเองแต่ไม่มีอัตราทั้งนั้นเองแต่รู้แต่ไม่มีไม่ใช่ตัวตนเพราะนั่นเนี่ยทุกมันปรากฏเขาเลยสูงไม่เกียกว่าทุก แต่ว่าในความเป็นทุกข์ตัวนั้นน่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีภาษาความหามันเป็นแค่อากาศของธรรมชาติจนอย่างนีนี่เราก็อยู่กับสมมุติเราก็เลยต้องปรุงแต่งอาศัยสมมติบัญญัติขึ้นมาเีราะด้านความคิดแท้จริงเนี่ยความคิดนี่มันคือเหตุปัจจัยที่เก็อาศัยสมมติบัญญัติยกแค่นี้ก็เรียกว่าเราคิดอารมณแต่ไม่ใช่ตัวปรุงแต่งอารมณ์ตัวปรุงแต่งอารมณ์ในแท้จริงคือตัวอาตตา นันคิดอารมณ์คิดได้จะทำอะไรก็ทำได้แต่ไม่มีตัวอัตราเข้าไปสอัสนุนนะมันก็เป็นธรรมชาติที่เหมือนอยู่ลอยๆอเป็นธรรมชาติอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่ามันเป็นความเป็นความรู้แจ้งของจิตอยู่ตลอดเวลาเลย ม, นะมันไม่มีภาวะที่จะทำให้มาถึงจุดตรงนี้จะให้เป็นหลงติดมันไม่ไปอย่างนั้นแล้วก็ จ้ให้มันหลงมันก็ไม่หลงจ้า <laughs> งหลงก็ไม่หลงด้วย อ, ะอจะให้มันไปอีกมันก็ไม่ไปเพราะมันมันไปรู้หมดแล้วไปแจ้งหมดแล้วอ ม, มันก็เริมรู้จะว่าจะเอาอะไรให้ไปหลงไปติดหรือว่าไปมีพวกเป็นเราเป็นเขาอหรือว่าแม้กระท่อมเป็นพระนิพพานอหรือว่าเป็นทสาโราบันสกิตาคาอนาคลฐานมันไม่ปรงแตง่งปรงแต่งตรงเนี้ยมันเป็นสภาพธรรมของคนที่เดินไปตามลําดับชั้น ที่จิตมันสงบเย็นเข้าไปตามลําดับเขาจึงได้วัดระดับจิตตรงนี้พุทธเจ้าจึงได้มาิด เ, เป็นภาษา <S <S <S <S สมมติว่าตรงนี้ตรงนี้ผ่านระดับนี้ไปแต่ผู้ที่เขารู้ตั้งแต่เบื้องต้ น, ตนเขาต้องได้ฝึกแต่งผมให้ว่าโอ้โหข้าเก่งข้าแน่ข้ารู้จริงๆเหมือนก็ไม่รู้อะไรเพอกอ็ธรรมชาติที่ไม่รู้แต่มันรู้อยู่อไม่ได้สร้างอะไรมันไม่ไปหลงภาวะมันไม่หลงว่าคืออะไร ถึงแม้จะว่าความตายมันปรากฏขึ้นมาส่วนสุดเขาก็ไม่ได้ไปติดใจเก็รู้ว่ามันจะอยู่อย่างนั้อที่เป็นอยู่อย่างนั้นน่ยมันก็สมมติเอาไว้แหละเนี่ยเราเรมต้องใช้ปัญญาให้มากสอดส่งสติและนึกรู้อยู่ที่ตัวจิตที่มันนึกคิดเพราะทุกสิ่งอย่างมันตาเห็นรูปมันก็นึกคิดเออหูจมูกนึกดมกลิ่นมันก็นึกคิดเอความนึกคิดน่ยมันมันมัสัมพันธ์กับจิต จิตไม่รู้เท่าทันความนึกคิดจิตก็ยึดติดความนึกคิดทีนี้ก็โครงแต่งเป็นรูกลดหลงตรงนั้นอ่อนเป็นอุปทานโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่เราก็จะภาว่าถ้าเราข้าใจตรงนี้เราจะไม่ไปเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมผมต้องเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมผมต้องมันเพี้ยนดับไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาอย่างนั้นผมไม่ไปเรียกร้องเลยเพราะมันเข้าใจตามความจิตอยู่ก็ที่ว่าเราจะวางมันได้ไหอเท่านั้นเองนี่คอยู่กับปัจจุบันธรรมนี่จะเป็นอยู่อย่างนี้ ไม่คล่ำครวนไม่อะไรนะครับความจริงที่ความจริงที่ที่พระอัญญาพระอัญญาท่านพูดว่าอะไรเงี้ยอัญญาสีวัตโพกวนทันอยูที่านเรียกว่าเกิดดับอ่ะที่อย่างมีแต่ความเกิดมีแต่ความดับแล้นท่านอ๋อไม่ใช่จิตญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาอ๋อแล้วก็บรลุเฉยเลย ความจริ ง, งที่เกิดขึ้นมาทาําาทุกตัวเห็นเหตุปัจจัยก็สมมุติเหตุตามเหตุปัจจัยด้วยใจของท่านเออแต่ในส่วนลึกเนี่ยสําหรับผู้รู้อ่ะทพูดถึงว่ากินมัาบารีนะยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพังสังนิรทุกขธรรมแต่แท้จริงเน่มันมในส่วนลึกของผู้รู้จริงเนี่ยถ้าเขาไม่พูดอย่างนั้นแหละก็ไม่มีใครรู้อืมเพราะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดใดับอะไรอืม เหตุปัจจัยที่เกิดดับเป็นธรรมดานั่นหมายถึงว่าให้เห็นถึงสภาพธรรมที่เป็นอยู่แต่ตัวเองไม่ยึดติดไม่มีอุปทานในในความเกิดความดับกลับมาอาศัย ส, สมบูติบัญญัติ้นะถ้าไม่อาศัยสมมุติ์ปัญญามันจะสวัางว่าไม่ได้สร้างอะไรออกมาเลยแต่มีแต่ความรู้แจ้งอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าต้องมาพูดให้ฟังมันก็ต้องอาศัยเหมือนที่เราปรากฏรู้ด้วยด้วยสภาพธรรมเนีน่ย เราควรจะพูดว่าอย่างไงรเราก็สมมุติว่าคือยานพิสุทธิ์ที่มันได้ปรากฏคือยานมันเกิดขึ้นยานในอาสวะขพรยะยานมันเป็นอะไรขยายคำพูดที่พักยศพระสิจพูดให้กับโกริตตาภาษาทิบุตรภาสาทิบุตรยิ่งุณตันยานปรากฏอย่างรู้อย่างนี้ด้วยอะไม่มีตำรานแล้วก็มีใครกล้าพูดอืม ที่พูดกันจริงๆแล้วอะไรคอสมาธเป็นพุทธเจ้าเพ<ช>ราะเราที่สึ้นทุกข์ที่เขารับรองไว้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพะตัวอืให้ลองขยายคําพูดที่ว่าสิ่งทลเกิดขึ้นเพราะเหตุดับไปพราะเหตุดับเดี๋ยวที่เป็นคําพูดที่ว่าอของอันของอาสัชชี อ๋อทีเพูดว่าเนี่ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุโธติกาเขาก็่ที่แสดงเหตุเห็นความนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเวอร์ตนทั้งหลายมันเกิดจาเหตุกานเกิดดับก็ดับที่เหตุ่เงแต่ว่าส่วนมากคนไม่เข้าใจที่เหตุเพราะเขาไม่รู้ไงดับที่ดับเขาก็ดับที่เหตุก็คือดับความไม่รู้ออกซะให้รู้มันก็ดับแล้วแค่นั้นเองอ่ะง่ายแท้ๆเขาเ็ทัางหายตรงสั้นๆตรงสั้นเ้น่า เพราไม่รู้เราก็เลยเกิดทำทั้งหลายจากอัตตาที่จิตผมรู้ที่จิตมันก็ไม่ไปสร้างแล้วปัญญามันเกิดในะพวกการบรรูปแบบเซนที่แบบไปปรุงแต่งชอบฉันมันก็ลักษณะของการตีกลัดก็มันเหมือนกับว่าเขาพิจารมานานแล้วพ อ, อ, อถึงจุดรวมขนาดนั้นมันก็พองขึ้นมันก็ยุติกันตรงนั้นทันทีเลยเพราะว่ามันอาศัยแรงกระทบฉับพลัน มันก็จะอยที่จิตอยู่ดูจิตอยู่มันไม่แตกต่างกันหรอกแต่ว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นเพราะลักษณะของเซนมันสมมติมันจะเป็นปัญญาต่อเนื่องมันไม่ได้เดินด้วยสมาธิว่าเดินอยู่ที่จิตอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยที่เจริญสตินี่แหละวิธัสสติก็จะเข้าชนกดลงไปมันคนไม่ลงทุกคนไม่ลงทีนี้เหมือนภาวะที่เรารู้เราก็ไม่ได้ไปรู้ ขาดที่นั่งสมาธิที่ไหนเอออรู้ขณะที่สนทนาธรรมอืสนทนาธรรมมันก็เกิดรู้ชัดเขาเรียกว่าไงสติมันมารวมอยู่ที่จิตรวมเป็นหนึ่งปัญญามารวมอยู่ที่เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งพวกมันเห็นชัดตามความเป็นจริงก็เหมือนกับปัญญาก็เปรียบเสมือนมีดมันคมมันคมมันก็มาตัดเลยเพราะว่าเราใดที่มันเกิดขึ้นแบบยึดติดมันไม่เอามันซึ่งรมสโลดตรงนั้นดับตรงนั้นทันทีเลยเอ แหลมคมอืมทีนี้ผมมีคําถามถามทุกคนเลยเพื่อเป็ความมันถามทุกคนเลยคือต้องมีหลักอหลักการครับผมจะถามทุกคนแต่ให้ทุกคนตอบแบบตามที่เห็นตามความเป็นจริงที่รู้สึกแต่เราไม่เอาเราเมื่อไงผมก็จะถาตอบด้วยกอไวัยนั่นนะต่อเนื่องไง ในธรรมดาในธรรมดาผมจะถามว่าไอสิ่งที่เขียนอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยคืออะไร<ม>สําหรับผมเนี่ยอันนี้คือผ้าหม่มความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงอ่ะอ่าผมเห็นคือพระห่มต่อที่ผมเห็นที่ผมเป็นจริงจนะผมเห็นผ้าหม่มอันนี้ไล่ไปเลยใครเห็นอะไระ <laughs> โดยสัจธรรมก็ไม่มีอะไรน ะ, ะไม่มีภาษาสมมุติปัญญาตามที่มีที่เป็นจริงๆแต่ที่เห็นจริงๆริงแบบชัดๆเลยอย่างที่รู้สึกคืออะไรครับก็ <laughs> เนีาาย่ยจิญสติก็ต้องต้องเห็นจิลนลักษณะนี้แหละ อ, อเกณฑ์น่ะเป็นจริงคือมันเห็นแล้วไม่ได้ปรุงแต่ง่างสิ่ง น, นี้ไง้ามันเป็นจริงไงมันสิ่งนี้ที่เห็นเนี่ยมันคือธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่มันแคสร้างแต่อะไ ร, รมันก็ไม่ปรุงแต่ง่างสิ่งนี้ความนึกคิดก็รู้แค่สิ่งแค่นึกคิดมันก็ไม่ปรุงแต่งจากสิ่งนี้แต่พูดถึงอาศัยมันก็คือพระหมเออแต่ถ้าไม่อาศัยก็แค่แค่เห็นอยู่ในความที่เห็นอยู่คือความจริงที่มนมีอยู่ออคือธรรมชาติที่จิตมันหลุดไม่ไปสร้างอะไะ ตาเห็นรูปก็รู้แค่เห็นรูปทำมาเห็นรูปมันก็รู้รูปแต่มันไม่ต่อละมันจบแค่ตอืมคือถ้าถ้าพูดอย่างเดียวมาสุดต่งนะมันจะพูดคนที่ไม่สิ้นทุุรุษรำเนี่ยนะมัันบถ้าสิ้นทุุรุษรำเนี่ยเขจะพูดได้ว่าไม่เห็นไปได้หรือว่าเป็นพระผงก็ได้แต่ถ้ายังไม่สิ้นเนี่ยมันต้องตอบสองนายนายเทียนคือมันไม่ได้เป็นอะไรอีกนายนึ่งก็คือถ้าอาศัยสมมุติปัญอย่างไปจะเรียกว่าพระผอ คือผมพูดที่เห็นจากจีบผมจริงๆเลยมคือข้าวหมร้อยเเซนแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อีกล้วหอสมมติไงแต่วันนี้เราเคยจะไม่เห็นเนี่ยพอนก็แค่เห็เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรครับค่พูดถึงว่าจิบมันไม่อาศัยสมมุติน่ะแล้วเราไม่ไปสร้างสมมุติแล้วเราจะบอกข้าวหมได้ไหมนั่นก็คือสิ่งที่มีอยู่ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าไม่เไม่ต้องตอบได้อีกในหนึ่งไงคือถ้าตอบงั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปรุงแต่งหรือเปล่าผมแบบถ้าจริงแล้วมันไม่ใช่ข้อวหอม มัไม่ใช่อะไรเลยอือย่างนี้อ้าวก็เห็นอยู่แต่บอกว่าไม่ได้เพะคืออะไรอืก็บอกก็พูดอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้แล้าก็บอกว่าหุมใช่ใช่เก็ใช่ก็ตามที่คนสมมติเขใช่แต่ทีนี้พอไอ้เราตอนนี้เรามันตอบกันกันลักษณะคนที่จะมาแช่งจริงจริงมันไม่มีผิดไม่ถูกถ้าเราฟันไปว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจริงๆํามันไม่ไม่ไม่มีใช่หรือไม่ใช่มันไม่ผิดไม่ถูก ใช่ตามที่เขาพูดไงสมมุติอย่างนั้นเขาก็ใช่ตามที่เขาว่ามันก็เลยไปคานกับใค ร, ใ<ช>ยรอยู่แต่ถ้าถามโดยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอย่างนี้มันก็แค่รู้ว่าสิ่งนี้กระทบ ก, กันเลยไม่เลยแล้วแล้วแล้วที่อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นเป็นไรก็ไม่ได้เห็นเป็นทนายอ่ะไม่เห็นนั่เป็นอะไรได้ออืืถ้าเราเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราก็สมมุติมาแล้วอืืืมอออันนี้ยอมยมเห็นไเป็นไร เขารับผ้ e ผมไงเออก็ผ้าก็ผ้าก็ผ้าจครับริสเสร็เได้ยังไงคมมันเราศึกษาทํานี่เราต้องการที่จะทาลายความยึดติดของเรานั้นผู้องค์ก็สอนแค่นี้ ผู้รู้ต้องการให้เราเน ah ี่ยเข้าใจยากนะถ้าพูดถึงระดับของการเดินธรรมเนี่ยถ้าเข้าใจถึงธรรมชาติเหตุปัจจัยอ่ะกับธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยธรรมชาตินี่แล้วแล้วละคือถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะเข้าใจธรรมชาติรูปนามจิตใช่แต่อภิธรรมไม่ได้เรียกรูปนามเฉยทีนี้ธรรมชาติรูปนามจิตเนี่ยมันไปเข้าใจถึงเหตุปัจจัยแล้วมันไปเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่า จิตจริงๆเนี่ยมันไม่ตั้งอยู่บนเหตุปัจจัยจริงๆอยู่เหนือเหตุปัจจัยเนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยมันมันมีมากมายเต็มโลกธาตุสมมุติวันญาติก็คือเหตุปัจจัยรูปน้ําก็คือเตปัจจัยอุปทานโลกก็คือเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามผู้รู้จริงๆผู้รู้ที่หลุดพ้นเนี่ยหรือผู้รู้ที่มีปัญญาแจ่มแจ้งถามว่าเหตุใจคืออะไรเนี่ยจะตอบบ้างี้ อาเทรวดผมถอนขายนยนต์กลับมาเหตุปัจจัยคืออะไรพ่าผมคยอเหตุปัปจจัยคืออะไรผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้เนี่ยถ<ต>้า<ต>เป็นท่านละหานหรือผู้รู้ทำเนี่ยท่านจะตอบได้หลายในอพอเราไปพิสเสถัยกับไม่ได้ท่านจะตอบว่าเหตุปัจจัยไม่คืออะไรก็ได้เหตุปจัจจัยคือนั่นคือนี่มันก็ถูกอ่ะคือเขาเรียกว่า อาศัยเอถ้าอาศัยก็ไม่ต่างจากถามพ่อหมเลรู้แค่รู้ที่เราพูดนะพรู้เพราะเราอาศัยนี่ใช่เพราะท่านหลุดพ้นจากเหตุปัจจัยท่านเหนือเหตุปัจจัยเงเหตุปัจจัยมันก็ไม่คืออะไรอืือเนี้เราไปไปจับของผู้รู้เขาบอกว่าไม่คืออะไรเราไปว่าเขาก็ไม่ได้อเยพราะว่าท่านแสดงถึงภูมิที่มันลึกเข้าไปอีกอทําการให้เห็นความจริงที่มันมีอยู่ที่เราไม่เห็นเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไปพูดงนั้นจริงๆก็พูดไม่ได้พูดไปก็เหมือนกับไปสร้าง เราก็เลยปรงแต่งซ้อนกิจใจเราซ้อนนะแต่ถ้าผมพูดโดยที่ว่าเอ้ยผมยึดเลยว่าเหตุปัจจัยนี่คืออะไรอันนี้ผมสร้างสร้างลึกๆเบื้ในจิตว่ามันไม่คืออะไรเพราะเขาเรียกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาน่ะมันเป็นจิตของผู้ถูกค้นที่เขาไม่สร้างไม่สร้างเขาบอกไม่ได้เมันคืออะไรเพราะเขาไม่ปรุงแต่งมันเ่าแต่ถ้าเขาอาศัยพูดในโลกเขาเรียกว่าคน เรืองปุปหมพ่อเคยพูดถึงว่าการเราพูดตรงๆเนี่ยเราก็เข้าใจง่ายแต่เขาพูดให้แสดงว่าเขาไม่สร้างอะไรขึ้นมาเราจะตามเขาทันไหมใช่ตัวนี้แหละตรงจุดที่เขาจะถามเพื่อสอบอารมณ์ว่าเราตามทันไหมจิตเราจะกระยับเข้าไปสู่ภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนได้ไหมเหมือนกับว่าสอบเราว่าเราเจริญสติมาขนาดไหนจนกระทั่งคั้นว่าเป็นมหาสติหรือยังถ้าเป็นมหาสติจริงเนี่ยมันก็จะเห็นว่าระลึก รู้อยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรยะเหมือนเหมือนกับถ้เลือกได้ในฟาร์ไม่ใช่ตัวตนน่ะนะเขาได้เข็นตรงตรงและเลือกได้ในฟาร์ไม่ใช่ตัวตนถึงมันจะเป็นพาสติได้ใช่คือความเป็นจริงอ่ะถ้าเราจะเอาแบบให้มันรับน่ะ คือไม่ต้องเห็นก็รู้อยู่ไม่ต้องไปว่ามีภาษาความหมายอะไรแล้วกันเนี่ยตรงนี้ยแล้วนี่มันก็เดินไมตั้ตัวเราเราเดินเราไม่ต้องรู้ว่าเราเราหรือทั้งเราอะเป็นใครอจิตเราก็ไม่ต้องไปกําหนดว่ามันคือจิตหรือแต่รู้มีอยู่แค่นั้นพอแล้วใช่จจะไม่เป็นการแต่งเลยครับไม่อ่ะครับเพราะเราใช้ปัญญาตรงเนี้ยเอาธรรมชาติจริงตรงเนี้ยให้มันปรากฏอย่างเนี้ย เดี๋ยวไอตัวกรุงแต่งจิตของเรานะมันจะพุดออกมาเราจะเห็นถ้าจะไปดูการเจริญสติหมาสติประฐานสี่ที่เขากาหนดไว้ตามโสดนะพูดถึงตามสโก็วา่าเรียนเจริญยังไงถึงจะให้เป็นหมาสติเข า, าง่ายสุดแล้วคืออะไรที่กระทบรู้แล้วมันเกิดความอยากความโลภ ก, ก็แค่รู้ว่ามันคืความโลภกค่นั้นแหะแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจก็จะไปสร้างว่าจะต้องไม่โลภอย่างนี้นะ แต่ว่าก็ให้รู้ว่าเออโลกรู้ว่าโลกตั้งอยู่รู้ว่าลมดับไปโกรธเหมือนกันถือว่าคนส่วนมากก็จะไม่พอแค่นี้ให้ตัวรู้พอรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งสร้างอะไร คนสุดมากมันจะซ้อนไงมันจะต้องสร้างอะไร<น>ะถอนกลับมาดูในใจเราไว้ที่ <นะ S 1> รู้ว่าเกิดขึ้นเพรามีเหตุผลผู้ชา ย, า, า, ายเหตุผลบบต้องเกิดขึ้นเพอะนั่งแล้วสงบไงเพราะสงบแล้วมันก็จะไปเอาอะไรในควาสมสงบอีกเพราะเราโลภควาสมสงบความว่างจริงๆที่เราไม่สร้างนะถึงจะเกิดสมาธิมันก็ไม่ติดมันก็ไม่อยากได้สมาธิมันมีก็มีไปมันไม่นีก็ไม่มีไป มันก็ไม่เห็นว่าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งเลยเพราะมันอยู่กับปัจจุบันที่เรารู้ว่ามันเป็นอยู่เช่นนั้นแต่นี่เรามันคลั่งครวนะผมปฏิบัติไม่ได้ทําไมถึงอันนั้นไม่ได้ <c oughs> ก็เราจะสร้างให้ตัวไอ้ตัวคลิปตัวนี้ที่เราไม่เห็นตัว <c oughs> เป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะ่ะคือการเจริญสติที่ต่อเนื่องอในที่สุดมันก็จะเกิดปัญญา <c oughs> เห็นตัวที่ มันแน่นนะ ม, มันจะมันพุดขึ้นมาแบบพอใจไม่พอใจอีหลอดล้นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือโรกคนหลงนะั่นแหะมันพุดขึ้นตลอดเนี่จะเห็นหน้าตากิเลสอย่างนี้ออืในที่สุดแล้วก็จะไม่เห็นว่ากิเลสมมีความดีกันเราเลยมไม่ทำลายไ อ, อตัวตัวรู้นะ่ะตัวเห็นนั่นแหละคือตัวปัญญาอมันรู้ทำรู้น่ะมันรู้ภาษารู้สมมุติรู้สัญญาออื ถ้าเห็นทำคือเห็นตามความเป็นจริงที่ไม่ติดอยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แล้วต้องเห็นอถ้าไม่เห็นแล้วก็มันแค่รู้กกอมันก็ยังแย่มัน็ยังไม่ทํำลายกิเลสได้อืออาการที่ว่าโอ้ทั้งไปผมยังไม่เปื้อนหน้าสักทีอะไรอย่างงี้ตัวเปจะต้องดีวนั่นแหะคือตัวปลูกแต่งจะคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างเงี้ยคิดอย่างไรไม่คิดมันก็เป็นอยู่อย่างนจะเอาอะไรก็บสิ่งเบลนี้แล้วอืออือ ก็เหมือนหัาข้อสะท้อนนะโลกนี้จะเอาอะไรอจะเอาอะไรนะเดียวกันน่นแหละมันไม่มีทางี่ให้เราเอายากมากนะส่วนมากจะไปติดสมองปัญญาหมดติดอรูปลักษณ์เราก็ของกลังเดินกันบางทีการถ่ายทอดที่เห็นที่ฟังมันก็ไม่ตรงแต่ว่ามันก็สร้างพัฒนาไปร่วมกันก็ค่อยสร้างปัญญากันไป คือเรายังไม่เข้าใจว่าตัวตนคืออะไรสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนคืออะไรอสมมุติปัญญาติคืออะไรวิมุตติคืออะไรอืความหลุดพ้นน่ก็ต้องรู้สิ่งที่ไม่หลุดพ้นด้วยอืหมายถึงว่าความหลุดพ้นก็ต้องรู้วิมุตติก็ต้องรู้สมมติติด้วยออัตตาก็รู้จากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัตตาด้วยอืสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัตตาทําไมถึงว่าเป็นอัตตาแล้วสิ่งที่เป็นอัตตาแล้ว สิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัตราหรือเป็นอัตราก็คือสิ่งเดียวกันวิมุตติกับกับสมมติมันก็เป็นของสิ่งเดียวกันเนี่ยมันต้องเห็นแจ้งเพราะว่าก่ที่มันจะเป็นอัตราเนี่ยแท้จริงมันก็ยังไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรถ้าแยกเป็นส่วนๆเนี่ยพะความไม่รู้ปรากฏขึ้นก็นนะมันก็มาเป็นอาตาัตรา แต่จริงๆมันก็มาจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวตนนี่แหละอัตตาเนี่ยถ้าเราเห็น2สิ่งเลย่ะมันก็จะรู้อาศัยอ่ะอน่ามันไม่ได้เป็นอัตตาเราอาศัยว่าเราไม่ได้เดินแต่เราเดินอย่างเงี้ยอถ้าจริงเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งแต่สมมติโลกเขาปงแต่งว่าเออสมมติว่าเราเดินอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในที่แห่งเดียวกันมมันจะอาศัยสติต่อนห้เราก็พยายามทำความกระจางหรือทางนี้ได้ตรงอยู่ไปก่อน มีเดีคลิรู้ไม่ได้เลยเศรลลหมดทุกอย่างนี่ยี่ก็เป็นอะไรปิดกั้นได้ไม่มีอะรปิดกั้นตัติดตัวรู้ได้โคลเนี่ยมันจึงหาที่สงใสหาที่บติดาไม่เจอ้จะไปเอาอะไรบอกรีบกามันเกิดแล้วมันไม่โคลน่เด็กมันไม่เป็นไรเราที่มันตึงดูแันปหาอโดยสมบูรณ์มันก็จะไม่ขาดไม่ปรากฏขึ้นอีกไาเรื่องก มันถามถามมานานแล้วถ้าจะให้ดีต้องเจริญสติมากๆเจริญสติมากเอ่ให้มากๆให้มันมากวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปถามใครเอาให้มันเป็นปัจจจตังสักหน่อยเพราะงั้นเราเป็นถามเขาะเบางทีคนที่เขาซตอบซื่อๆเนี่ย ตอบกลับมาเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าภุมิรองรับเราไม่ได้บางทีถามโกนก็ก็ด่ากลับมาก็รับไม่ได้เเราไม่ได้ตัวนี้จังหน่อยเพิ่มไปเจอคนคนที่ก็รู้จริงก็ลองของแล้วก็จะไปโกนหงายท้องเลยแล้วที่เนี่ยเราพ่อเขาสอนถามตอบสืนทรธรรมกันมานานอคนเก่าๆเขาจาได้พอเราไปพูดตรงล็อกแล้วก็ตอบมาให้เราแล้วก็ไปให้เป็นตอบแบบรูปแบบนะ ทีนี้ว่าเราพูดไปป๊อบฉันพูดด้วยความจริงใจเขาก็ยอมรับเราไม่ได้อ <unk S 2> ยู่ทีนี้มันก็เลย ม, มีปัญหาเพราะว่าถ้ารู้ก็รู้มันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ พ, พิบัติปัญหาทะเลาะ ก, กันเมื่อก่อนนี้คุยธรรมากันไม่ได้นะเพราะทะเลาะกันคุยกัน ก, ก็เลยอ่านเพราะว่าแต่นเคนที่เดินจิตยังมีอุปทานก็เรียกวุตุชนอยู่มันเกิดปัญหาเราะนั้นจึงให้หันกลับมาดูตัวเราเองให้มากไม่ให้ไปดูผู้อื่นให้จ้องดูตัวเอง เราไปดูผู้อื่นไบบทุกเรื่อง้ปรัตตานีไม่ต้องดูตัวเองก็ได้มันจริงมันจริงพูดไปเดี๋ยวชาไม่ได้ไม่ได้นอกจากว่าเราเป็นเพื่อนสะธรรมิกที่เรามีเจตนาตั้งใจเดินกันไปอย่างนี้เราพูดเพื่อค้นหาทางออกของชีวิตเนี่ยเราคุยกันได้แต่ถ้าพูดว่าพูดลักษณะว่าคนนั้นดีไม่ดีหรือผู้อวดภูมิกันเก่งต่อเก่งเจอกันบัะไร ที่ติพระไม่ได้ถ้าหลวงพ่อเราไม่ด้หลวงพ่อเราเปนเลือดสินหาดดาเลยนะจริงนี่ตะกอนอยู่กันเนี่ยจะมีสามองค์ฟังมธรรมแล้วก็จะมาสนธนาธรรมตะกอนยังไม่มีอย่างเนี้ยออกไปมาคุยกันจะคุยกันยังไงมันก็เหมือนหลวงพ่อเขาก็ยกพิเศษนะสมัยนั้นท่านอาจจะพูดบ้างมันเสียงมันดังให้เบาๆหน่อยแต่ท่านก็ไม่ว่าไม่เคยว่าแต่ว่าที่รู้ที่อื่นๆเนี่ยโดนกันเยอะ ตอนนั้นอยู่กดที่ที่มันถึงอยู่เก่านะห้าสิบห้าเราจะกลับไปหลับไปนอนก็เที่ยงคืนโอ้ยสลึงสะลือแล้วเมื่อเมื่อมันไม่อยู่แบบนี้เนี่ยมันทํางานเนี่ยทํางวันทำงานมันเปียนเลยนะตั้งกตีสามครึ่งยันบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนสามนอนนอนสองสาชั่วโมงอันละเป็นยาวไปตนอนจนกระทั่งห้าทุมเที่ยงเที่ยงคืนเมื่อก่อนเขาเป็นเจารี ชี้ก็ลากกันไปขอหนึ่งได้สามทำงานนี่แกล่งมั่นไม่ได้หยุบพักเรานอนวันสองสามชั่วโมงเออือวิจัยเนี่ยโหแอบขอไปตัดไม้ไปช่วยรกไม้หน่อยไปยังไม่ตัดเลยแบบขึ้นเขาเอียงก็เอียงนะคิดดูสิแล้พิกหน่อยแล้วก็แล้วเต้งลงไล้วมาไปไหนมาไปนอกออืขอเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวโดนเขาตลอดมาพอรู้เนี่ยแล้วนี่มันเป็น มันก็เป็นลูกพียก็หลวงพ่อต้องบอกในให้หลายอย่างพรามาอยู่ใหม่ๆเราไม่อยากาอย่าละเมิดกฎเกณฑ์เขาหลวงพ่อต้องคอยพูดถูกให้ฟังแต่ว่าใช้ปัญญาเราอยู่ให้ใช้ปัญญาเพราะว่าถ้าทำไม่ได้จับได้หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้แล้อเนี่ยตามมากแล้วก็พูดถึงว่าสมัยก่อนถ้าอยู่นะหลวงพ่อจะเรียกแต่ชื่อออืจอก ขาด <laughs> ทีคค่แรกกั น, น เ, <c oughs> เพราะว่าเราก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องว่าระบบที่นี่มันมันก็มีลอดนะะมีมีจุดที่บอกอยู่ก็ตนี่ท่านก็มาแก้ให้ Mr. เขบอกว่ามันเริ่มต้นที่จุดนี้เมันก็แท้ไม่ได้คือจะไปปรับใหม่อย่างนี้อย่างงี้ก็ไม่ได้ <อ S 2> พ่อเขาเริ่มประเด็นมาจากที่นี่จะไม่มีกดเลยนะอืตี่นี่เราทําไม่ถูกก็แก้ไขไปเรื่อยๆอืเอมื่อทําไมต้องทํางานช่วงพัฒนาอืม ทีนี้ทําแล้วที่นี้มันหยุดไม่ได้เหมันก็หลวงพ่อให้เก็บตัวเนี่ก็ทํากันไม่ได้ก็ได้แค่ไมากี่วันเดียวก็รายงานทํางานพวกนี้แล้อเนี่ยมาช่วงหลังเนี่ยนะไม่ได้ออกนะข้างนอกกันแต่เมื่อก่อนทีโฮบริเวณนี่มันหยุดแล้วอกนี่หมดทั้งข้างล่างข้างบนไปหมดที่หยุดแล้วคือไม้เออ สคนโอบสามคนสองคนโอด ส, ส, สามโอดว่ะเมือไงกันน่ะปืนกันแล้วเนี่ยปืนเนี่ยเป็นกองสูงเท่ากับตึกชั้นสองอะพื <c oughs> ้นดานตึกชั้นแรกอะ่ะออก็คิดดูเนี่ยกระตีหลังเนี่เป็นกระตไม้ครั้งหลังสุดท้าย <c oughs> ที่ไปเอาไม้ในเขาแล้วโอ้จะไปเห็นคอนนะ่ะสิบเอ็ดว่าเนสิเอ็ดศอกกันไหมสิบเอ็ดว่า <c oughs> สิบเอ็ดซอแล้วเป็นไม้โอ้สองปบ อบเดียวไม่ได้อ่ะไม่ได้อะเออแล้วมันจะตดต้นอ่ะเป็นรากมันจะเข่าอ่ะเป็นคนเอาพัดชีไปตักวัดอ่คนงานเป็นลากกันมาเพื่อจะมาทําเนี่ยก็ฏีเนี่ยจะเป็นไม้นี่ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เลยไม่น่าสมัยก่อนฮอมาตรวจดูหลกกันหรอครับขนนี่มีต้องเม่จะปติดคุกกันให้หมดเลยกูคงไม่เอาติดคุกกูไปประกันนะลมิด รวมไม่ดีๆนั่นแหละไม่มาเค็งเนี้ยไม่มาเข็มไม่มาเข็อย่างเงี้ยไม่นางดำเข็มโอ้โหไม่ไปหาที่ไหนดูคุกสมมตวัดยินไมมาดูจิตตัวเดียวครับจิตตัวเดียวจิตคอยวางอย่าไปติดภาษาสมมุติบัญญัตให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงไว้อ มันอย่างกทนก็เป็นตัวสื่อเป็นภิกษุงามไหมยิกษุงามภิกษุงามก็ต้องเจริญด้วยสมถะกับพิปัสนาทุกลมหายใจเข้าออกแค่นั้นจึงภิกษุจึงขึ้นชื่อว่าดูงามพระเจ้าตัดว่าอย่างนี้มันก็เลยเรียกว่าสมรู้ร่วิคิดตลอดถ้าพูดไปมาในเปิดเผยแต่ปฏิบัติเข้มนิดไม่สึกกันเนี่ย ดูแล้วมีวาสนาไปไหนแล้วตรงแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยโยมมหากัญเจรนาด้วยไม่ไม่ไปโยมเขาไม่ได้เรียนภาษาพันธั์หยาดเราพูดดับใจอมาจังหวัดเดียวโยมมาด้วยพอดีก็เดือเปิดประเด็นตรงนี้หมากัญเจรนาเนี่ยนี่ระมืนะอุชิเนียนี่กษัตริย์ไปบทไม่กี่วันนะเช้าว่าจะให้แสดงทำกษัตริย์ให้มา มาเชิญพุทธองค์ไปที่เมืองอพอดีใินไปฟังทำสิ้นทุกมากันทั้งหมดอ่ะหลายคนสิ้นทุกหมดเลยเขาสิ้นทุกแล้วสิ้นแล้วก็กลับไปเชิญเอ๊ะกลับไปอ่านิมอวันพจารณาไปสิ่งที่เรารู้ได้ยากพ่ออะไรพ่อเราขาดความต่อเรื่องธรรมะที่หลวงพ่อพูดที่เนี่ยต้องก็พูดมานานแล้วแหละออืทุกอย่างให้หมดแล้วอือยู่ในภาคปฏิบัติเท่านั้นภาคปฏิบัติจริงไม่จริงเออ ท่านก็เลยท่านบอกว่าก็รู้สึกจะถามัน mm. ว่าทำไมถึงมันไม่ได้กันสักทีอะไร่เงี้ยแล้วการปฏิบัติธรรมอะต้องต้องเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นะอืกเรามีความบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงที่จะไม่อะไรอะไรกับใครแล้วก็ดูจิตไปทาไปคือให้มันต่อเอนื่องต้องทำยังไงครับถึงจะแบบมีเทคนิคที่แบบถ้าอยู่กับหลวงพ่อนะ ก่อนนอนก็มีสติแ ล, ล, ล, แล้วลึกรู้อืพอเราเลึกรู้พรเราตั้งใจว่าเราจะนอนปุ๊บเราก็หลับไปพอตื่นมาปุ๊บแต่เชา้าปก็มีสติแล้วลึกรู้ไม่ต้องมังวงงเงียแล้วปุ๊บลุกขึ้นไปเลยทําหน้าที่ก็ทําไปก็ให้มีสติรู้ก็เรียกว่าอนอนน้อยอืปฏิบัติมากอะ่ะชาเกียร์นิยออหมก็พขจะแบ่งให้เป็นหกสี่ยี่สี่ใช่ไหม ออ<ช>ก็ไม่นอนจริงๆอ่ะหกชั่วโมงจริงๆมันยังมากเกินไปสักสี่ชั่วโมงครับพอ<ช>่อต่อ ว, วันพูดถึงมรสติมันก็ต้องรักษาให้ได้วันยังยี่สิบชั่วโมงก็ดูที่ว่าท่านบอกว่าถ้าใครรักษาได้ยี่สิบชั่วโมงก็ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่เนี่ยี่สิบชั่วโมงมันต้องตัดช่วงที่เราหลงไปช่วงที่เราหลับแล้วลเราเผลอสตินี่ ตัดลบไปลบไปงั้นเจ็วัน <7 S 2> เดเดือนก็ไม่ได้ทำ<อ>เล ย, เลยนะที่จะเจริญสติแล้วก็ทำต่อเ น, นื่องสี่เดือนครึ่งแต่ว่ามันมันไม่ใช่มา น, นั่งยังนี้นะ ม, มันรู้ภายในของเราเองตลอดอืมมันต้อ ง, องน แล้วมันสำลอกกินเละทำเห็นแล้วมันยังเพลิดเพลินในนาทีรักครับอันนี้มันยังไม่สำล ọc ถ้าเห็นจิตตัวเองเ่ยมันจะเห็นไในสิ่งที่มันปรุงแต่งเมื่อก่อนภาษาแรกนะผมภาษาสองภาษาสมที่เดือดเดดมันอ่ะมันไม่เหมือนอย่างนี้นะอย่างนี้ผมยังแย่กว่านะถ้าเปรียบเทียบเมืก่อนผมเห็อะไรนี่ยผมมันจะทอมจะร้องไห้อุ้ยมันคิดไปนิดเดียวอุ้ยทำไมันเป็นนี้มันจะร้องไห้มันอแบบแบมันเหมือนกันเราสำล ọc กิเละ แต่ว่าตอนนี้มันไม่ปฏิบัติธรรมมันต้องให้น้ำตาไหลวางกันฮะคือฝันทำเน่ยมันจะมีช่วงชาวนาจิตหนึ่งพระทธรรมะก็ดีที่เราน้อมตามไปนะมีไทถ้าเรามีฐานดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะร้องไห้มันเห็นโอ้มันจะเห็นทษภัยแห่งกิเล ที่ต้องเว้นไวตายเกิดขึ้นมาเราจะสลดใจมันร้องร้องมาเลยร้องน้ำตาไหลพอดีออกมาเลยน้ตาเป็นตีนไ่้ตาเป็นแก้วทนยิ่งเห็นอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะมันถึงจิตถึงใจมันจะสั่งสมไว้มันเป็นบารมีแต่นี้มันก็จะเชื่อมโยงในปัญญาต่อไปเมื่อเราได้พบกระทบอะไรเม่อก่อนที่ชายร้องบ่อยจะอ่อนร้องบอยอ่อนนุ่ม ติดใจสวยจริงเงี้ฟังเงี้ยนะโอ้โหแต่ถ้าแขงก็ได้เนี่ยมันก็จะฟังมันก็ทื่อๆการสังสมบัติบารมีที่มันส่งครับพบลุ่มชาติกันยังไงครับมันก็มันก็เป็นกําลังมาสมมุติเราสังสมปัญญาตรงเนี้ยครับมันฝังไว้แล้วมันก็เหมือนเป็นกรรมอย่างหนึ่งแต่มันเป็นฝ่ายธรรมเนี่ยเราเกิดไปชาติหนึ่งชาติใดเนี่ยมันอาจจะไม่รู้อะไรเลยอ่ะ เพาะธาตุขันเนี่ยมันยังอินเสียมยังอ่อนอม้ถึงธาตุขันมันสมองพอเราโตขึ้นไปพอมันเกิดการกระทบทางหูทางตาหูจมูกทุกมันก็ต้นที่จิตพอต้นที่จิตของเก่ามีพบมันรู้เลยนั่นคือการส่งที่ต่อยอดประเด็นภพชาติอมันไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อมันจะเกิดภาวะรู้ขึ้นโดยธรรมชาติเลยันสมมาแล้วอก็เหมือนพุทธเจ้านั่นแหละเปี่ยมเปี่ยงมาแล้วในเห็นคนแก่เจ็บตายขึ้นมาเทวทูตสี่ขึ้นมาปรบลุกขึ้นเองเลยอั่นคือ เพราะว่าการสังสมแบบนี้แหละอืผมรู้สึกว่าผมมีบางอย่างเวลาผมฟังแล้วคนนี้ไม่ใช่ฝมฟันรู้เลยไม่ใช่ไม่ติดกันเลยเว่าพูดทํามากมาเนี่ยผมฟ้องริไม่ใช่พูดไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมันรู้แต่ว่ามันมันบอกไม่ได้ว่ามันรู้อะไรแต่ว่ารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่แต่่รู้วาถ้าจะดีที่สุดต้องดูใจตัวเองดีที่สุดเลยบางทีไปฟันมันก็มันก็เหมือนกับ เราก็ไม่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นเอาท้าพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อน้องทีฟาร์กล้าในฝันว่าไม่ใช่ครั้งต่อไปมันก็จะฝันว่าไม่ใช่มัวเรื่อยทีนี้ก็ออกทะเลเอในสิ่งที่เขาไม่ใช่อ่ะแต่จริงๆเขาใช่อยู่เออ คือเขาก็คือทําอยู่นะเขาเป็นธรรมแล้วก็จะโลกกฎลงนี่ไหนเขาก็เป็นธรรมอยู่เดี๋ยนี้เราไปสร้างซ้อนเข้าไปอีกสวยเข้าไปอีกซับซ้อนเีนี้มันเป็นปัจจัดต่างเฉพาะแต่ละดวงจิตเขาแต่ในดวงจิตเขาจะหลงกันไหนเขาก็เป็นธรรมอยู่เออที่เราทำการนี่ซับซ้อนนะครับอาการนี้อัจะลายนะนะมันเหมือนกับอาการที่ว่าอุคุณคุณพิเศษว่าคุณใช่นี่เป็นงเป็นงี้แล้วก็ไม่ตงเข้ามันเป็นหลงการยึดพิจิตรที่ไม่ไม่เป็น เป็นสิ่งที่ยากไงแล้วเป็นมือ่มเตาแรกเลยนะเดินทีแรกมันจะรู้อ่ะแต่ห้ามไปรู้ภายนอกนะต้องรู้ในจิตเรเองเดียวรู้ภายนอกไม่ดีคนเราที่ที่เรายังไม่สมบูรณ์ทางจิตเนี่ยความความเป็นปุตุชนน่ะชอบไม่ชอบย่อมปรากฏ แล้วสิ่งที่เราปรากฏในสมมติพบมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวในจิตเราอใช่ก็ถึงว่าในสิ่งนั้นก็มีสิ่งแอบแฝงอมันก็ยินดีด้วยนะไม่ใช่มันก็ไม่ค่อยชอบด้วยใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราภูมิธรรไม่ถึงไปเจอภูนที่รู้เข้าออที่เขาภูมิธรรสูงเขามองเรามองเขาไม่เห็นนะก็เป็นแค่กิจยาเนี่ยออันตรายอดังนั้นอ่ะสิ่งเราเนี่ยเขาจึง ไม่ให้เราไปมองคนอื่นไงเราเองปฏิบัติทําให้หันกลับมารู้ใจเรารู้นิสัยเราสิ่งที่เรามันจะสร้างกิเลสขึ้นเนี่ยเราก็ละไล้สิ่งตรงนั้นออกไปนั่นนั้นเองทีนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาล่วงลึกถึงได้ขนาดนั้นแหะเราจะพิสูจน์ใครก็ได้อแล้วก็ค่อยๆพูดแต่เราพูดแบบมีสติอพูดแบบเข้าใจที่เราไม่ได้ปรุงแต่งพเพียงเราต้องการที่อย่างอยากจะรู้เพื่อเป็นวิปัสสนาก็ได้ออื มันไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ต้องให้ระวังนระวังอย่ประมาอณและเอการหลงการใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะถอนออกยังไงอก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีทั้งใช่แล้วไม่ใช่มันไม่มีเทนั้นอยู่แล้วก็บอกแล้วมองมันไม่ต้องไปเป็นอะไรทั้งนั้นเรื่องโลกอ่ะออโลกกับธรรมอะอะเป็นโลกอะไรเป็นธรรมไอ้ใช่ไม่ใช่เป็นโลกอแต่ถ้าเป็นธรรมคืออะไร อก็ไม่ต้องไปสร้างมันนะใช่ในนี้ถูกต้องตีให้แตกเราเพืสร้างเพราะโลกแหละโลกมันคือได้คือเสียคือกำไรคือขาดทุนคือใช่คือไม่ใช่เลคือถูกคือผิดอะืรแต่ถ้าเราไปยึดถือว่าเออเนี่ยใช่ฟันธงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การทำว่าเนี่ยเ้ามองอะไรเป็นธรรมแล้วก็จะไปหาตรงไหนที่ไม่เป็นธรรมนั้นไม่ได้ไม่รู้จะหาตรงไหนที่ไม่เป็นธรรมด้เห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ผิดละอืเพราะธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้ ขอหาตรงไหนเจอดาทไม่มี ม, มองตรงไหนที่ไม่เป็นธรรมมันซ่านกว่าหน้าหลังเดินเดินนั่งนอนกินถ่ายตรงไหนไม่เป็นธรรมไม่มีเมอเพราะธรรมชาติรอนนั้นมันไม่ได้มีกิเลสอเอาไปสร้างมันเองอเอาความแล้วพูดถึงปฏิบัติธรรมก็ต้องดูจิตเพราะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เราบอกนะที่เกิดที่จิตไอเกิดที่จิตอย่างนี้แหละทีนี้อาการอย่างเงี้ยมันไวมากอย่างเงี้ยที่เราก็มันคล่องอ่ะมันเคยชินมาตลอดนะ เพราะ บ, บางคนเนี่ยเขาจึมีอุบายให้ทวนกระแสบ้าอให้ทวนตัวเองบ้างอืมไอ้ความว<น>ายที่เราไม่เห็นอย่างเงี้ยมันมันอตายตรงไหนวะคน<อ><อ>ที่มีมปัญญาเนี่ยมันก็เชื่ออะไรยากเพราะนั่นเราต้องหันกลับมาดูตัวเองมันเยอะๆถ้าถ้าดูจิตของเราลึกๆว่าไอ้อนี่ใช่แล้วเราเป็นอะไรต่อไปแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นอะไรต่อไปมาดูที่จิตนะ ก็ตูสะท้อนก็ใช่ก็ไกลไกลเลยพวกไม่ใช่บอกไม่ใช่ปั๊บเราก็อาการตไอ้ไกลเลยนะผบอกไมใช่เราก็มีอากติล้เบี่ยงปทางที่ชอบเนี่ยแล้วถามไอ้ไอ้อาการตีเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความลำเอียงที่เขาไปยึติดหรือป่เพราะโลกเนี่ยมันผชนเนี่ยมันตกติดภายใต้อคติ4ี่ลำเอียงเพราะรักโลภโกรธหลงกลัวอะไรเงี้ยนะแบบครูบาอาจารย์จะด่าสิทธ์จะพูดสิทธ์แต่ท่านไม่มีกติ พูดเพื่อกระตุ้นให้เกิดปัญญาด่าอยู่แม่แม่กลับมาพูดเยี่ยมเล่นเลยแหละไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นแหละตัวสงคาญเนี่ยตัวปรุงแต่งที่ความความเป็นอกติเนี่ยตัวลำเอียงที่มันเลยกลายเป็นว่ามีความหลงเกิดขึ้นเพราะนี่มันโดนมาปฏิบัติไปเดียวจะสงสารเราเหมือนเราทีแรกๆเพราะความไม่รู้ นี่มันก็เแค่รู้แค่พื้นฐานเท่านั้นเองอยังไม่ถึงที่สุดมันก็ต้องทำต่อเหมือนกันออืแต่ว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วไม่ทางอื่นแล้วจิตไปทางอื่นไม่เป็นแล้เราเข้าใจว่าจิตเดิมแท้จริงๆว่าเราก็อย่าไปสร้างอะไรไปในจิตเล ย, ย, ยจริ ง, รงมันก็ไม่ไวางอย่างทว่าเนี้ยก็คือไม่ได้ไปสร้างเลยก็สมมติว่างเพราะไม่มีไม่ได้ไปยึดติดมันใช่ทีนี้ถ้าเราไปสร้างไปในจิต ว่ามันเป็นจิตหรือเอาอะไรไปใส่เป็นนั่นเป็นนี่เสรมมโนปัญญามันก็เลยจิตมันก็เลยไม่เป็นมันก็เลยไม่ว่างมันก็มันก็เป็นประทานที่เข้าไปมีไปเป็นในจิตว่ามีจิตจริงๆเนี่ยอแต่จริงๆเนี่ยมันไม่มีมนว่างเนี่ยจิตมันก็ไม่มีตัวตนออจิตมันก็ไม่ใช่เรานะตรงนี้ยากที่สุดเลยอเพ่พอเราว่ามองตัวเอื้อว่างๆๆเพรามันถึงตรงจิตทำไมมันมันถอนไม่ได้ว่า มันไม่ใช่เรามันเราดีกว่ามันถอนยากค้ยอดเขาพูดวันนี้เป็นุิเคราเห์นะวิเคราที่อาจารย์บอกว่าไหนจิตเอาจิตมาดูซิเราจิตมาได้ช่วยดับให้เรากำลังทุบที่จิตนะขณเรามองเห็นว่ามันว่างนะนามันก็ว่างรูปมันก็ว่างถ้าพอถึงจิตแสดงมันว่างเลยให้หามันว่างไหยเพาจิตมันยังไม่รู้อยู่ความจริงมันรู้มันก็ว่าง มันยากเหมือนกันนะไม่ลบไม่ได้เขาใช้ปัญญาให้มาเมื่อครั้เคยถามหลวงพ่อถึงเรื่องการเรนพิธรมที่เขาจะมีรูปจิตสิป์จิตจิตศิลป์รูปนิพพานใช่ไหมมาถามความเห็นหลวงพ่อหพ่อบอกาฉันไม่มีจิตกระจบแล้วฉันไม่มีจิตมันหมายความายังไฉันไม่มีจิตก็คือไม่มีกิเลสไงไม่มีตัวตนที่สร้างว่าเป็นจิตไงอืา มันไม่ปรุงแต่งแล้วว่าคือจิตเราไม่มีแล้วมันไม่มีเราแล้วอ่ะอือออย่างตามความเห็นเรื่องเกี่ยวตอนนั้นที่สงสัยว่าทําเป็นอัตตานัตตาเนี่ยส ถ, ถานของพ่อท่านบอกว่าฉันไม่มีความเห็นมันก็จบอ่ะนี่ก็เห็นคำ ว, ว่าไม่มีความเห็นก็คือไม่ไม่ตั้งไม่ปรุงแต่งในจิตอืเนี่ยทีนี่ว่ามันพูดให้คิดกับพูดให้เป็นกลางและอย่างอีกจุดหนึ่งที่ท่านบอกว่า ถ้าหลวงพ่อจะตายหรือรักสังขารเนี่ยหลวงพ่อจะบอกก็ท่านสอบสุริยะตาธรมแล้วท่านบอกไหมล่ะก็ท่านบอ ก, บบอกไหมถ้าก็ไม่ได้บอกแต่ท่านก็บอกว่าท่านตายาก็บอกอยู่ในความจริงนี่นะเอาอย่างนี้เก็บร้งลิเกเลยกับเก็บปฏิลเจอ <laughs> อย่างนี้แบบโอ้ก็สุริยตาธรมก็คือความจริงก็คือมันปรากฏอยู่ตรงหน้าสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือความจริงจะจะจะทำหพอจะตายเดี๋ยวจะบอกนะ แต่ก็ไม่ได้บอกเป็นคำพูดมันเป็นอะไรที่เป็นไม่ถึงว่ามันเหมือนสัจจะนะเราหนาวอ่ะเดินหนาวจะบอกขณะที่มันหนาวคุณยังไม่ได้มานี่มันอยู่กับปัจจุบันตรงนี้อี่ความเป็นจริงก็ถ้าตามทันมันก็จะเข้าใจถ้าตามไม่ทันมันก็จะเออหลวงพ่อโกหกเงไหนว่าจะบอกอยู่บอกอออเ และอย่างความคล่ อ, องในการพูดนเนี่ยอย่างผมเนี่ยติดเรื่องนี้มาทั้งชีวิตก็ไม่รู้อะติดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงจังหวะที่มันจะพลิกจากรู้อจากไม่รู้วเป็นรู้เนี่ยประจะตั้งแหละน <c oughs> จะพูดให้ฟังถึงจุดหนึ่งที่หลวงพ่อบอกไม่เหใค้ <พอ S 2> ถ้ารู้รู้หอเราจะรู้ด้วยตัวเองบอกว่าเรื่องจริงลูกศิษย์หรือวผู้ที่มีภูมิธรรมนี่ผู้ที่ปฏิบัติทางธรรมเนี่ยมันจะมีความเห็นเป็นตัวตนคือมี ธรรมะอยู่ในใจกันทุกคนมีมีที่อยู่อ่ะพูดไง<ม>ว่ามีมที่อยู่กันทุกคนแล้วคือแนวทางที่เราเดินนี่แหละอือจุดนี้แหละที่เรามั่นใจว่าใช่ใช่เราก็เดินเราไปเงี้ยที่มาเจอผู้รู้พูดถึงจริงเนี้ยท่านธรรมจิติเราอืท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเดินนี่ไม่ใช่เงี้ยแต่คุณถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็จะไม่เชื่อเขาไม่เชื่อผู้รู้ใช่ไหมแต่เราศรัทธาเรายอมให้เขา เราไม่เขาเพิกกิเลสออกซะเราก็จะเดินตามที่ท่านบอกท่านบอกว่าคุณเลิกทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราชินมากเลยอย่างเงี้ยออืถ้าเริ่มได้เนี่เราก็เดินตามท่านได้แต่ถ้าเราละไม่ได้จุดเนี้ยเราก็จะเดินตามทางของเราท่านก็จะเดิน่ท่านท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามเราได้เพราะว่าเราไม่ไม่ออกอ่ะไม่รื้อขอเก่าอออกละที่ฏฐิมานะไม่ละตามเห็นตัวนี้ออกไปซะ มันไม่มีทั้งข อ, งหของใหม่ของเก่าเราจริง <c oughs> เราไปตั้งตนว่ามันมีอยู่มันจบแล้วตั้งตนใช่มันเป็นการตั้งตนขึ้นอืมมันมีตนมันมีนั่นมีนี่อยู่ความจริงมันก็อยู่กับปัจจุบันธรรมเราเข้าใจอคนอื่นเขาไม่เข้าใจกับเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเขาอืเขาว่าเราหนา ว, วจริงเราร้อนอยู่ก็เรื่องของเขา ในความจริงมันอยู่กับปัจจุบันของเราคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ที่มีปีครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องของการละความโกรธที่ท่านว่าถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ชั้นยอดเนี่ยก็คือคนนี้จะละไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็คือลูกศิษย์น่าจะยอมอาจารย์ที่ยอมให้ฆ่ากิเลสฆ่าความโกรธ แต่ถ้าลูกศิษย์เนี่ยไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่แต่นะเหมือนกับความโกรธเนี่ยมันละยากเพราะความโกรธนี่มันขั้นขั้นไหนเนี่ยนาคาอืมธนาคาไม่มีความโกรธแล้วออืาบ า, า, างทีเขาแต่ก็ให้เพื่อเราเกิดปัญญาทีหลังที่ได้สำรวมระวงังถ้าแต่ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันก็ไม่พูดอืที่นี่เขาก็ไม่พูดหลวงพ่อไม่พูดบางองค์ บางท่านมันก็ไม่พูดถึงบางท่านก็แต่พูดให้ฟังว่าแตะไม่ได้อืจิตมันเสียเพราะว่ามันต้องอาศัยฟังมากๆไปเรื่อยก่อนอืตนต้องช่วยตนก่อนนั่นแหละถึงจะค่อยไปชกกันต้องฟิตให้มันฟิตให้มันแข็งก่อนแข็งก่อนนาะเข้มาซัดกันนะต้องรอบ่มก็นี้โดนพ่อไล่แวออะืไปไปช่วยดวงอมถ้ากลับมาจมูกยังไม่แข็ง เราก็มาคําเดียวต่อไม่ได้จะถูกด่าด่าให้มันจะมาเป็นสิทธ์ชั้นอืถึงจะถึงที่ไหนถ้าถึงทำจะเป็นสิทธิ์แต่ก็ถือเป็นสิทธ์แล้ไม่เป็นสิทธ์ก็เป็นสิทธิ์ถือเป็นสิทธ์ถือเป็นสิท์อืความจริงท่านรู้แล้วหมดแล้วอืทางมาทางไปรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอืแล้วท่านก็จะรู้ด้วยว่าอ่าถ้า ท่านไม่อยู่มันก็เหมือนกับว่ากันไปกันไปเหมือนก็ไม่ต้องเสียใจปฏิบัติกันไปออธิบายได้นะก็เจตนาก็เหมือนว่าทนอย่าเสียสัตจากปฏิญญาของตนเองที่ตั้งไว้มีโดนโดนด่าอะไอย่างนี่ยังโดนพ่อด่าเลยโดนด่าโอ้โหด่าที่เราชนีย โคเม้องโคตรแม่เดลฉานพระ <laughs> สามยักหนาข้าวของทุกวันมันึลืมหมด <laughs> แล้วหือนะครับเสจแล้วก็ช ม, มดูจิตไงท่านดาและท่านก็อรอก็าว่าเออเนี่ยพูดถึงความโกรธไง <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้นะคนรับไม่ได้ที่ว่าแต่ละเสียเนี่ยมันจะรับไม่ได้พระรับไม่ได้เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาตามวามตัวแก่ที่ท่านท่านเห็นจิตเนี่ย กรจัรจิตเ่ยออาทีนี้พอโดนอย่างเงี้ยที่หลังพอเรียกประจามเนี่ยเาเรียกเื่อยเลยพอสัมผัสจิตได้แล้วตั้งรู้าอ๋อนี่มันมันก็ผพานผ่านไม่ผ่านเงี้ยนะผ่านอย่างขอผมเนี่ยสงสัยไปพานก็คงผ่านตั้งแต่ทัท่านก็เมตตาเลยแต่นี้เรามันโดนหนักหน่อยก็ได้เพาประจานประจานเอ่พ่อ ย้ำสามวันนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะพาษาแดงทำตอนเช้านี่ซ้ำซ้ำซ้ำืมแต่ละคนนี่ปากดีดีกันทั้งนั้นดีดีด้วยซ้ำให้เลยนั่งฟังนี่แทบอยากจ่เขียนป้ายไปค่อยไปติกุติเขาเอมีอมีอะไรชื่ออะไรระยองอยู่คนองค์นะเปินแนบเลยยังไม่ทันได้โดนอะไร่ออยูเ นั่นเขาก็คิดไม่ดีนอตามแม่มาเนี่ยเขามาอยู่กันเป็นนั่นแล้วยังไม่รู้เลยพอว่าฟังกันนั่เฮ้ยที่นี่เขาปฏิบัติ์ทำบนที่ว่าอะไรว่ามึงหมายังไงมึงโดนหน่อยเดียวเปิดนะาเปิดแนวเลยภาษาไม่ดีรับไม่ได้ ปัญญาไม่มีอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องหมดไปงันแมืนเจตนาก็มากป็นอย่างนั้นน่ยมาไม่ได้ตั้งใจมาตามพวกมั้ยไม่ใช่ตามพวกหรอกมันก็บวชมาไม่รู้ทิศรู้ทางแต่ว่ามีวาสนามาที่นี่ก็คือแม่เน่ยมาอยู่ที่นี่อที่นี่ก็คือเขาอยู่ในสํานักนู้นไปเที่ยวอยู่สํานักนู้นอยู่ไงปฏิบัติที่นู้นอยู่พอย้ายมาก็เห็นก็ตามมาแม่อยู่ที่ตามแม่ตามมาเนี่ยมาก็มาอยู่ กลุ่มในกิจกรรมลูกสำนักนู้นเค้าก็ไม่ได้อยู่ประจำไปๆมามาออดิเทพมาแล้วเชื่อออกไหมจังแม่นบนด้วยไม่ออกพระอดิเทพพระตุฒนะออกตุหน่อยกระตุ้มกระติ่งโดนว่าก็ไปม้งลูกก็ขาดแล้วในเรื่องเรื่องจินนี่บนนี่ก็เหมือนกัน อาจารย์าจะทําใจได้นะเดี๋ยวไม่มีใครรู้จักเราเนี่ยจะทําใจได้มั้ยมายถึงยังไงครับดียวเขารู้ยิ่งเราเข้าใจมากยิ่งวางมากมันเหมือนจะมีถูกถูกทิ่มมากถูกสุยตาทดสอบแล้วมันมันเป็นโดยธรรมชาตินะมันเหมือนว่าเขามาทดสอบเราบาลมีเราใช่ไห เนี่ยตอนนี้ผมวางคนเนี่ยโดนระดับเหนึกงนะโดนเยอะเจอที่สุดเลยเจย้อนมาเนี่ยเฮ้ยเราไปทําอะไรใครวะเนี่ยทําไมเขาปกติขนาดนี้หวังว่าเราเสียเราหายด้วยสุดท้ายไว้ทําให้เราเป็นสามัญคนธรรมดาที่ไม่ใหญ่ดีอะไรกับใครเราอยู่ทำหน้าที่รักษาจิตเราทั้ง ผมได้คิดแล้วผมกำลังหาทางพิกของผมอยู่ว่าพใช่ไม่ใช่อะไร้ผมก็นั่งนึกไปอ๋อนั่งนึกอยู่ว่าจะลบยังไงไปยังไงดีวะเนี่ยท้งชีวิตมัเป็นเส้นก้าวชีวิตเปไปสร้างมาตรฐาน้กับสที่มียูก็ทีนี้ก็ยากนะยากั้ผมเราได้ใช้ทั้งโลกได้ใช้ทังธรรมแล้วก็เห็นพี่นะเห็นโทษเห็นคุณมันเรี่ย เอายังไงจะต้องเกิดอีกกี่ชาติหรือว่าเราจะสร้างพลังบารมีถ้ามีวาสนาก็ชาตินี้ก็จบถ้าไม่มีชาติหน้าก็ต่อยอดต่อยอดต้องไปหาคูณโชคด้วยหาคู่โชคก็คืออย่าไปติดขาดเลยไม่ออกอื ตายข้างหนึ่ก็ยอมอไม่มีที่อะไรก็ยอมคือยอมสละชีวิตนี้แล้วแม้พูดถึงปัญญามันมองเห็นเนี่ยแล้วมันเข้าไปเพราะเราเลยจิตกับพิธิญาเราจะต้องจะจะต้องเข้าไปคนศึกษาเรื่องคนใช่ไหมคนชั่วก็ไม่ว่าอะไรจิตเป็นยังไงยังไงเพราะว่าเราจะเข้าไปว่าคดจะยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราจะมีแนวอยู่ตรงนี้แนวของเราก็คือเราต้องการอยากจะให้เขารู้ด้วยเราก็รู้ด้วยแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเนี่ย ยังไงฐานเราต้องให้มันแต่ถ้าดูจิตจริงๆเนี่ยมันคือการไม่ปรุงแต่งอืถ้าปรุงแต่งก็ทุกอ่ะที่ถ้าเราไปสร้าง่ะเราก็ทุกไงถ้าจับตัวตัวที่เรามองว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันคืออะไรตามสมมุติแล้วกันออืเอาไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเราก็ทําตามสมมตินั่นแหละออืมันจะไม่ได้ไงครับมันจะใช่ไม่ใช่ ก็ตรงนี้มั น, นจะเ<า>ห็กับ <ไง S 2> จิต <ไง S 1> เราตลอดไงสติมันจะอยู่กับจิตเราเราเดินเนี่ยแต่เราไม่เดินเนี่ยหลวงพ่อจะสอนบ่อยอเรากินแต่เราไม่ได้กินแต่อศัยกินอศัยเดินเนี่ยเรียกว่าอาศัยเนี่ยเนี่ยให้ดูแค่นี้อยู่ตลอดมันจะอยู่กับปัจจุบันเมื่อกี้จะรู์เม่อี้ยังถามันนี้เาเรียกผู้หงส์อาจารย์ให้พูดวังอะคุณเดินวินิจัอะไรยัเอาเอานฐาน ถ้าพื้นฐานนี้แบบเข า, าทำเปมนบิบทุกวันเนี่ยมันจะได้ตรงนี้หละอืยเพราะว่าอยู่นี่เราไม่ได้เดินบินบารเราไม่ได้เดินสํารวมเราจะอาจจะรีบไปทํา ง, งานหรือว่าจะรีบอะไรสักอย่างที่มันมีเป้าหมายบินธบาตส่วสมมากเขาะจะเกิดปัญญากันนะเพราะมันอยู่กับตั ว, <ส>ตวเองบอกตัวเวาจะให้อาหารใครดีไม่ใช่ผมได้ตรงนี้เยอะเยอะมากออได้เยอะมากให้ลองพิจารณาดูตอนช่วงที่เรา มีความเป็นส่วนตัวเนี่ยรัเป็นการ ส, สังสมปัญญาแต่จริงๆแล้วสร้างบารมีคือการสังสมปัญญาทุกสิ่งแรกมากว่าให้ปัญญามันเกิด อ, ะอ่ะต่อเห็นภาพที่ว่าตรงนี้แล้วทางโลกหาหาความเจริญไม่ได้เลยไม่มีสาระเลยบางบา ง, บางรูปในบินนบาาเนี่ยเขาก็จะ มันแมมจะพูดไปก็คือมันทุจริตตั้งแต่ตอนช่วงที่ไม่มีสาระเลยจะต้องตัดอสากับตังแค่อยู่ตังเหตุปัจจัยนะก็รอดับชีพยามไอ้พอรอดับชีพเลยเดี๋ยวใจเราไม่รู้เก็บอะไรไว้มันเริ่มต้นมันผิดแล้วทุจริตแล้วสําคัญเลยศีลก็บอกศีลเริ่มต้นกับทุจริตแล้วศีลอะไรนี่สมาธิปัญญาเกิดโอ้โหเดีนะกระเป๋าใส่เครื่อสำคัญเลยสำคัญยามนกเตี้ยม อลานินตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ครับมันนั่นแล้วมันเริ่มต้นมันก็ไม่ดีแล้วแล้วก็ทําห้เอะไรเกิดไม่ได้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีผมบอกว่าเริ่มปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจอตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจอันนี้เป็นความสำคัญมาากธรรมนะเป็นหลักสูตรแต่ว่าที่อยู่กับเราเองนะลุงเดี๋ยวอะไรเกิดไม่เจอที่ไหนเนี่ยสาคัญอาก มันคือเขาได้เพนบางคนเห็นหลวง่อ็ร้อนคือถ้าบางคนเนี่ยที่อยู่ได้สัมพันธ์กันมากมากก็เห็นหลวงพ่อก็อบอุ่นใจตลอดร้อนนะแต่มันมีแต่ใช่ไหมอย่าไปตั้งความหวังปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งความหวังดินเนี่ยกองเป็นถนนเนี่ยทั้งหมดลานเนี่ยย2เทิบสองเที่ยวไม่ใช่ที่ต่อห้าสิบสองเที่ยว เห็นรถเล็กๆนี่ยแน่ทิ้งลงไปข้างล่างเนี่ยดินข้างล่างที่ทํำเปิดเนี่ยขุดทิ้งกันนะขุดทิ้งแล้วก็ปะนั่นกันไปทํากันไปโอ้ยตอนในวัดเนี่ยชีแล้ววิทย์นายอับแจ้งก็ยอมรับแขกเรื่องการขุดดินว่าผมยอรับขุดคนเดียวไปแม้แต่มา่สองวันในหลวงแม่นี่มั่งโฟตามให้ไปช่วยหลอกบ่อในในที่ของเขาเนะ่ย ที่แม่เกี้ยผลงานเยอะแต่คนเดียวนี่คุมเลยพอเลยเขาบอกว่าคนอื่นก็คือให้ชี้นี่ยแค่สองคนตัวแข่งอืไได้งานแน่ตอนนั้นตอนนั้นก็เ็นเนี่ยเป็นหนองเนี่ยไปพ่าปกะปีเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออยคือทํามันทําจริงมันไม่ได้เบี้ยวไงผมมีความบริสุทธิ์ใจไม่รู้เลยมันผมไม่นวดแรง ก็เหมือนกันก็อย่าเน้นอยู่เนี่ยในสติของเราทํางานรู้ผมเรารู้ผมเราพใจไหมไม่พอใจไม่โกรธไหมโลภไหมหลงไหมในการทำงานให้มีสติรู้แล้วก็วางแล้วก็ทำไปเนี่ยมันจะผุดขึ้นตลอดผุดขึ้นตลอดไอ้สิ่งที่เขาท่านไม่ได้ว่าเราลายนะอท่านว่ากิเลสเราพนจิตของเราทุกดวงมันจริงบริสุทธิ์ดวที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่าท่านมันไม่ด่ากิเลส มันจะหลุดตอนช่วงที่ไปทํางานเนี่ยร่วมกิจกรรมกันกับพักยิ่งจะเหนื่อยง่ามันจะออกมาเพราะมันทําใจไม่ได้มันรักษาสติไม่อยู่อแล้วมันพ่ออยู่ที่เนี่ยถ้าเราศึกษาคนเก่าพูดะยิ่งอยู่นานไปอยู่ด้วยกันไปขี้กำพืชมันจะเห็นขี้กําพืชซึ่งกันและกันคนเราเนี่ยเป็นยังไงสันดานเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงมันยังมีต้องแก้ไขสอนทำไมก็พูดก็พูดหนัก กระจอยนะครับเมอผมยืมเงินเอาไว้อยู่มันเป็นสํานักปฏิบัติไม่ได้อผค้างนมันจะดีจะชั่วจะเกิดขึ้น่องนในขณะที e ่อยู่ร่วมกันเนี่ยพ่อกขาจะพูดก um ่อนแล้วผมถึงไม่อยากให้ลงบางคนเราลดทำไมบางคนแสดงออกมาแก่ไม่ไเป็นลมมาไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะดีหมดนะอาจจะมีวิบากกรรมที่ไม่ดีกันมาแล้วมาอยู่แล้วมันก็จะเป็นคู่กรรม อคติกันพม e um like ันนี่ก็ไม่ใช่จะส่งผลให้ดีท่าเอะรบอกว่าเราอยู่ร่วมกันเรามาสร้กิเลสมารกรรมอะไรก็ปล่อยวางได้ก็อย่าเอาเรื่องกันให้มันหมดกรรมกันในชาตินี้เอแมลงที่เร่องทำม้นมาอยู่แล้วถ้าเป็นขนอเนี่ยถ้าเป็นอคติกันเนี่ยมันโกรธกันเนี่ยมันก็จะโกรธกันอยู่นั่นแะแต่ที่นี่มันจะต้องถ้ามีการโกรธก็จะต้องให้ละหรือถ้ามีอธิกรณ์เนี่ยก็จะต้องมามาไก่เกลี่ยแล้วก็มันจะต้อง ไม่มีที่ท่ยอมจริงๆนะอย่างเงี้ยไหมยอยึดยอจริงๆนะจริงๆครับจริงๆได้ครับได้ได้เงี้ยต้องได้แล้วต้องจบไม่มีการเลืออพื้นหลังจากที่อธิบดปลัดิทักร์แล้วอืมทางเดียวเดียวนี่ยังโดนต้องสีหา้หาเที่ยวสเทียวแต่นั้นมือใจเป็น เป็นหนือมชายหนุ่มในหนุ่มชายที่หนักนะก็ชี้กระชี่ยชี้กระชงออกมาชี้กระชงออกมามนมันเกี่ยวกับเรื่องของชีมเป็นกลุ่มเนี้ยพอเราเข้ากลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงก็อากตีมานี่ยย้ายเรียนแบเพ่งเลงกันไม่เห็นคือที่เนี่ยไม่ย้ายใครได้ดีหลวงพ่อพูดเลยว่าทาตัวเป็นกลางกลา่าเด่นมันก็อยากเขาไม่อยากให้ใครเด่นไงแล้วก็ มีปัญหาเกิดการร้องเรียนไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เตือนก็อุทุชนอะมันเป็นอย่างเงี้ยจะเอาอยัางไง<อ>มอบหมายหน้าที่ไปแล้วมันมานั่นกันก็ต้องให้วางจใจสุกวยชัะชตอนนั้นโอ้โหแต่ทําทุกวัน เ, นเช้าแต่ยังทําตามคิวนะแต่ว่าเขาว่ามันเหมือนกับว่าอะไมันฝรังเน่าไน่ฝรั่งเน่าไน่มันก็ตอนช่วงฤด<ต>ู รวมดีมีแรงแล้วก็ปรับปรุงอ่ะต่เรือนี้มันยิ่งพีเศษเส้นเย็นนะพอมาบ่อยๆตอนจนพอพอเราออกจากตรงจุนี้ปีสี่เอปีีปีสีเจ็ดไหมสี่เจ็ดสแปก็เป็นเลยไม่ใช่ท้องอ่ะท้องขากุดอ่ะท้องขากุดิ กรรมเนี่ยเก่งพอเป็นนยออไปแล้วไปซึกข้างนอกนะไปกินลามาเอาเปามายุ่งเนี่ยอหเนหลายเจ้ามาทั้งน่ะหลายเจ้าแต่เป็นพิบัตปหมดเลยจเย มันก็แป ล, แลมรมันก็ไม่เป็นกราจินไตอ่ก็ไม่จะเป็นอะไรใครเขาแต่ว่าขบเป็นกันเอ ง, องก็เป็นหลวงพ่อเคยพูดว่าฉันไม่ได้ทําอะไรนะว่ากรกินไตแล้วทำงานงกราจินไตทํางานเองออืคนที่เคยปา마่หลวงพอ่อโอ้โหรถเชิ่งกระดูกหักเจ็ดท่อนอแต่หลวงท่านไม่ได้ทำกราจินไตทํางานออืแล้วพอว่อเจวะจารึกเนี่ยมันก่อนมีหมาหมาเยอะมากตามพระบินฑบาตอี่ย แล้วไอ้คนขับรถน่ะมันชนหมาตายอืหลวงพ่อบอกว่ามันไม่เห็นหมาเหรอล้มันขับเร็วอะ้รเ ง, งี่ยอแต่มันไม่เห็นหมามันตั้งใจชนเงี้ยก็ก็ให้มันตาบอดซะโอ้ยนั่นกลับไปเป็นไงวะปอกตะปู ด, ดิตะปูกระเด็นใส่ตาแตกป่ะแอบตาบอดอก็รู้ว่าเพราะไอ้คนชนมันเได้ญาต <c oughs> ิชีชี้ก็ที่อยู่ข้างล่าแล้วก็มาบวชเงี้ยมันเป็นญาติกัน ก็ตาบอดอะอกรรมเนี่ยฉันบอกว่าเพทำนะ ด, ดีก็ได้ดีอะเขามีพลังเยอะถ้าทำดีพวกพลังเขาก็ส่งให้เราเยอะอืทำไมดีพลังก็ส่งให้เราเยอะสถาเนี่นะเพราะพลังแผ่มานะพลังนึกถึงตอนหลวงพี่สมพิธอะไปนั่งคู่กันเนี่ยให้ไปนั่งคู่กันเนอะ ว่าเราวางใจดีแล้วนะอัวใจมใจแทบจะออกมานอกเนื้อมุกบอุกบมุกบอกุกอโอ้โหนันแหละมันแพ้แพ้จริงๆเลยเอผมเคยโดนทีหนึ่งนะโดนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ปัญญาหนึ่งสองสามมาลีเส็นผมน่ะมันจะแม่นมากเพราะว่าทําสมถะมาเยอะที่เคยพูดว่าตอนมาก็รู้อ่ะในความฝันเนี่ยมันชัดเจนมากที่ว่าเคย เป็นเพื่อนกันมานานมากมันไม่พูดถึงวันนานขนาดไหนนะแต่ว่าเขาแก่ฝ่าห้าพรรษามาพูดทำที่เป็นสุญญตาธรรมความว่างว่าว่างเนี่ยกิจอิสระมันดีอย่างงี้นะแล้วมันทุกอียาบทไงจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนก็คอยมาบอกไม่แต่นอนตะแคงคอบอกมันชัดเจนในใความฝันถ่ประลุธรรมนั่นเองใจนะว่าคนที่ประหออคนที่พูดเนี่ย ก็แก่ไปเราห้าภาษาแต่ในความจริงก็ไม่ใช่ม 5, ไม่ใช่ห้ 5, าภาษาบวชเป็นห้าภาษาปีแล้วก็บวชปีเดียวไปตอนนั้นพอหลังจากนั้นมาเข้ามาอมาครั้งแรกเลยรู้จักกันครั้งแรกเลยตอนเย็นนะตอนเย็นมาถามว่าท่านธุดง ม, มาเนี่ยรู้จักสถานที่ที่ไหนเขามีปริวาสไหมเราตอนนั้นใกล้เข้าภาษาจะจะเข้าปริวาสสักครั้งหนึ่งก่อนเข้าภาษา อยากจะไปเข้าวันาเอ้ยอยากจะไปปฏิวัติเก้าวันเนี่ยไปกับผมสามวันดีกว่าอืตามมาที่ไหนชัยภูมิตอนอยู่ยาวปปหลาไหลาคืนนี้ตีสี่แล้วไปไปคุยกันประมาณตั้งหกโมอนะหกโ ม, ม, มงฟ้าโมมันไปมันไปได้โดยกฎของอซึ่งเรามีบาทดําที่เป็นพระไม่เคยไปไหนแล้วมันก็ไม่ได้คิดมันต้องขออนุญาตหมดเลยไงเป็นพระใหม่อ่ะไปอื แล้วก็มามาพ่ออะไรกันพวกกันนะก็คุยแล้วในความฝันหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นนที่เคยคุยว่าไม่เคยเจอแต่ว่ามันนั่งสมาธิแล้วปันมืดตึบเลยนะมืดเหมือนกับเราหลับตาปีอะไรอยู่ในถ้ำเลยฟ้าเลยปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บ๊มันเป็นสายฟ้าหลวงพ่อก็นั่งพลึบแต่แล้วก็มาสนทนาธรรมสนทนาธรรมแล้วจับเข่าคุยกันแล้วคำหนึ่งที่เราจำได้คือตีขันให้แตกโอ้โหเนี่ย แล้วโหหุ่นหัวลุกทีพอมันเหมือนก็นเป็นเพื่อนกันแล้วมันนุ่งมันเหมือนกับในชุดนั้นที่เราทําวิชานสุภาพอนะ่ยพอมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยท่านข้อให้ให้ทําวิชาสุภาพนั่นงหัวเข่าชนกันเหมือนท่านมันนั่ ง, งคนกับเราเนี่ยแล้วก็ลองพาลาังกันนี่ดันดันแล้วท่านให้ดนันศีรษะท่า น, นะอะเพราะท่านจะลองว่าคอท่านอ่ะแข็งขนาดไหนไงเพราะว่าโปติก็ห้ามสะบัดคอเนี เพราะแั่ตลายแต่ว่าจะให้ใช้วิธีการต้านไง้ยายฝาหน้าหลังเนี่ยตา้ยานแล้วท่านก็จะให้เราดันก็ไม่กล้าทำไงงั้นเอามือปิดแล้วก็ดันมือก็แข็งเนี่ยคอแข็งนี่นพูดถึงว่ามันเออมีจุดหนึ่งท่านด่าผมอ่ะเพราะว่าสอนวิชาไทาจิแล้วมาทำตรงนี้น ทำมากกับเพื่อนเ่ยทําบ้าทําหลังอ่ะพูดง่ายยุงกัดก็ไม่กลัวพองส่งมาเป็นพยานเลยโอ้โหอยู่กระดาษนี้มัยางลําเนียนกก็เลยมันบินมาเป็นร้อยอ่ะอืดําปีก็มีแดงแปดก็มีนกประเสริฐพูดได้ตอนด้านรับจิจีโอ้โหเขาได้ปวดมากเลยนั่งนั่งไม่ได้อ่ะนั่งฟังธรรมเนี่ปวดมากต้องพูดได้กลัวเจ็บ โอ้หเจ็บเ่แปดเมื่อรำเนี่ยทีแรกก็หกเข า, เขาเบวมอย่างนี้เลยนะตัว่ามันยังไม่คืนงานยังไม่เข้ายังไม่โลง่งอ่ะัวจะนัพผู้ได้ <S S S S S ในใจเราไม่กลัวเจ็บนงคุยพอฝังโดนดาระวังควรจะวิปลาดน <S S S 1> ะท่านไม่ให้ไปไปใส่ใจเรื่องอย่างนี้ไง พลวว่าเดี๋ยวมันจะพาตัดหัวใจมือสลวยมือติ้งเลมันสาบไปยันุ่มแน่นลังทำไมเวลาไม่นั่งใกล้ลูอถึงจะได้สั่นไหวขนาดนั้นปวเจ็บปวเจ็บมันมีอดีตมาเพนี้ดีกันคือตัวเียมันน่าจะเป็นลูกศิษย์มันแปกอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนผ่อนพาไปจะต้มต้มไข่ต้มทำอาหารเกลือไส่ปลาอะไรนีพอสกดยอนะเพราะว่ากุติ พระตอนนี้เป็นกุฏิชัยยาคามงนะ้าอยู่กันไปวันนี้ก็จะมีซากรายัปนกลมแรกกันเต็นมาทำกันเนี่ยมาคืนเนี่ยต้นไม้ใหญ่มีอยู่ต้นนึงไแต่หัวร้อนดังน่ะคืนเนี่ยโางทีเขาไลา่ฟางเลียเราล้ายจีอยู่ประมาณเบื่อเบื่อหนโมงึ่งค่ำเนี่ยไม่นนรอดนะกลัว่าจะคน้ลูกฮ่าฮาาก็<笑><笑>อยู่ใกล้ๆกัน หายไปแล้วเนี่ยต้นไอหยู่เนี่ยเราไม่รู้ก็ได้แล้วที่ตรงแนี้ที่มานหนาบอกว่ามันมีต้นต้นใบยอมต้นใหญ่อยู่ตรงมุมต้นเสาเนี่ยต้นยอมใหญ่นี่นะขออนุญาตพี่นา ย, ยแต่แั้วยังไม่เป็นพระตาพี่นขออนุญาตพี่นายไม่ผ่านคีบน้ามไม่ให้ิีบน้ำไมาให้ยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้คนต้นไม้อะออถ้าไม่คนต้นไม้เราจะสร้างยังไงก็ยังไม่เ ใ, ใจเขาบอกว่าคุณก็อบต้นไม้ไปเลย ห, หลังคาออกต้ไนไมก็เลยต้องใอส่กำลังมือหลพ่อหลวงปฐานจิตเงีนะ <S <S ขุดเลยขุดลงไปแบบเอากระมังฝังมานะขุดล ง, งไปแล้วมันไม่เจอรากขรังโน้ยเลยนะแต่แดงก็ลากเข้ามาข้างนี้นะแบบนี้นะผมจะเททพื้นด้วยรากมันเข้ามาเดี๋ยวมันจะอันตรายเพมันจะไปทําให้แตกพื้นแตกเ<ต>หน็นไหมลากไม่ออกนอกแต่ผมก็วินาบาตให้ทางคุมดู งคุดรายงานงานหลวงพ่อเองนะท่นอ่าก็ทําเรื่องรายงานเสร็จกะะ็แบอกนมัติตามได้โคนคนหลวพ่อสุขก็มาช่วยโคน่นจนอย่างใจเลยนะแล้วก็ทําเสร็มพ่อกระโจมหมาตัวนันเนี้ตอนนั้นยังอย่างค้าเงินยังพอยังไม่มีกระเบื้องมุงแอ่เพื่อทำโค้งแล้วแต่พื้นเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกปูกระเบื้องแต่ว่าไม่ได้ทํำข้างๆนะ ปกะเบื้งล่างเนีเด็ดนั่นแหละเป็นตัวขบถช่วงนั้นน่ะเขาพลาแม่พาพี่มาเลยเดี๋ยวจะปลูกระเบื้งให้ลุงพี่ขอเงินกัมาเพียบเลยเสร็จแล้วเลยพันตัวยังมติดแล้วมันเชียร์โกะขนาดนั้นใช้น้ำให้ควนเดี๋ยวนี้ก็ล่ากันดีล่าง คคลุมอ่เรียนดแต่เราก็ล้าผิดเลยพาประมาณ<อ>เนี่ผิดล้าสูบล้ำบางทีทางานเนี่ยมันจะมีชุดเ่ใส่ปลอกแขนใส่หมวกใส่แล้วลกลุมเลยน่ะออกกบจากที่ทำงานล้ำเลยหมดวเวลาเร<อ>าบอกคุณล้ำอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทอดออกต้องให้หล้วมอย่าให้เข่งอย่าให้รัดอะไรเงี้ยนะ้ให้หลวมๆแมือนเจีนนี่ก็ล้นียาจะมีมุงเกงสบายสบายตัวบายอย่าให้รัด แต่การจุ่มหมามาดูหมนเลยผู้คนนี่ได้กุิลรีที่สุดในกุติเก็บผ้านนะ <c oughs> ถ้าแต่ในน้าไม่แต่กิยอนะหม า, ามเข้าดูหมแล้วก็ตอนแรกเป็นแรงงานทําห้องน้ําเนี่ยพอทําเสร็จเอ้ยมันต้องมีห้องน้ำเลยรายงานทำห้องน้ำท่านก็ให้พังหมดนะแล้วตรงข้างที่แจ้งก็แรยงานทํไม่่าหิงดาบกู รันเลยไปตามวันชายมายตอนแรงงานไม่มีห้องน้ำํำมันเป็นอะไรประวัติไปแล้วเป็นตานานํานานไปแล้วครับเป็นตำนานเถอะเาทเมตตา ม, มากแต่แม่พูดเลยว่าข้ า, ายพยาชจะช่วยมันแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันระวังตัวเกินอย่างเงี้ย ยมันไม่ยอมให้ผิดพลาดอะไรก็สำรวมสำรวมคือมันก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าทําแบบเบิ้ลเบิธรรมดาเนี่ยปล่อยหลุดปล่อยอะไรเงี้ยอัยนนี้ท่านช่วยเลยก็แค่ขนาดนกนี่ถ้าเกิดช่วยแล้วอ่ะเรียกว่าหาหาทิติไม่ได้ก็เลยไม่ได้ช่วยแล้วไม่ไดช่วยไงมีอยู่ข้างหนึ่งอ่ะถามถานท่านว่าหลวงพ่อทำท่าแบะได้ไหม ถามแค่นี้ท่านช่วยเลยนะาท่านด่าท่้นทาโทษเลยอ่ะแล้วถามผิดไหมอ่ะแค่ผมถามว่าหลวงพ่อทำท่าแบบได้ไหยทําท่าแบบยืนแบบยืนเงี้ยคือเราจะบอกว่าเราทําไม่ได้แต่มันเหมือนว่าเราไปสุประมาท่านก็ทำได้ปะท่านทําไม่ได้ว่ามันก็เป็นครูบาจารย์ถ้าทําไม่ได้เนี่ยคือถามคําเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าท่านทําไม่ได้เนี่ยมันจะเสียชื่อฝวาเป็นครูบาาจารย์ เสียหายหมดเสียหายหมดเลยเราลู่กศิดไม่น่าถามนครับอย่างนี้เออนีคือคำพูดพูดผิดเงี้ยามไม่เป็นถามไม่เป็นถามว่าถ้าแบ่ทอยังไงรําไรทถ้าแบดทำถูกที่ทำผมทำไม่ได้ไอ้นี่เราก็ไปพูดกับกรมชีที่อุปถาบอาโอ้โหเป็นลูกแง่เลยมันยอมเป็นลุกแง่เลยแล้วตอนพรนี่จะมีการเช็คพลังคุณจะเอาพลังเท่าไหร่คือชนยุว ดันเนี่ยนิ้วเดียวนดันเนีน่ยไปยาวสองเมตรสามเมตรนี่กระเด็นนะเจ็ดสิบเปอร์เ็นครับเจ็ดห้าเปอร์เซ็นครับกระเด็นนี่ตอนตอนท่านก่อนรับสังขัญเขบอกว่ายอมนี่เส ม, มือนกับว่าหมดแล้วซึ่งมรณทิทฐิใช่ไหมครับกระเด็นบึ้งก็คือแปะได้พูดไงว่า ท่านช่วยเราได้เรายอมให้ท่านช่วยที่เรายอมไม่ช่วยเพราะว่าท่านก็คงจะเห็นว่านี่เอ๋พระที่มันอยู่ฝั่งโน้นอย่างสำรวยอยู่ไม่เดินตามแต่เราอยู่ฝั่งนี้นะทำไมเราเดินตามส่งท่านขึ้นบติทุกวันพาเนียหลังจากแสดงธรรมแล้วแล้วก็ยืนหยุดสแสดงธรรมนอกรอบคุยนั้นคุยนี้ให้ฟังสิบนาทียี่สิบนาทีก่อนที่จะแยกกัน แม่ที่ตัวบอกโอโห้ทั้งหลักทั้งกลัวหลักกัวหลักกลัวกับกลัว <h> <ๆ>ไม่เหมือนสายญาตินะทั้งหลักทั้งแขนยังไม่เคยเจอใครที่บารดสีหาใชไหมไม่เคยครับแล้วก็แสดงให้ดูไม่ได้มารดสีหน้าเ <c oughs> นีคือหลวงพ่อนี่ครบสมบูรณ์เนี่ยท่านบอกว่าของท่านเนี่ยถ้าถ้าคนจริงเนี่ยรัศมีสิบกิโลเมตรเนี่ยได้ยินอืแล้วตาที่เห็นเนี่ย มันเหมือนกับมันมันตาดีอ่ะคือตามไี่ถ้ามีตาไหนแล้วยานในรัศมีสามพันกิโลเมตรเข้าหมดมีอยู่ตอนช่วงท่านจับพมศ์ละเองนะแล้วเพียมากเลยท่านคนหลับก็ถามถามในตอนที่เขาแถว่าเอ้ยนยก็ถามนะ หลวงพ่อหลับจริงๆเลยเหรอกลับตาจริงเลยนะที่ว่าหลับแล้วขับรถเนี่ยนะรถนี่ยังแล่นอยู่นะหลับจริงๆนี่เขาหลับจริงๆอหลับสั้งสามนาทีแล้วก็ตื่นมาก็เหมือนกับไอตัวที่เป็นโกรฮอร์โมนมันหลังแล้วมันก็เหมือนหลับลึกไปแล้วอ่ะเอมันก็ปกติจะาหลับจริงๆอ่ะหลับแล้วขับรถด้วยแล้วตาในมันทำงานอยู่ไงอันนี้อัศจรรย์ คุยเรื่องของพ่อถ้าคุณไม่ศรัทธาไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อเพราะมันพูดคนไหนคนไหะรู้สิทธิ์ที่มาที่ช่วงทำงานเนี่ยผมมองดูว่าถ้าไม่เอาจิงเนี่ยมานั่งฟังทำก็จับหลับไม่ได้เพราะว่ามันเพียยไง มันนั่งเนี่ยจะหลับกันทุกคนน่ะที่นั่งฝืนไม่หลับมันนั่งมันต้องจ้องเลยจ้องให้ตามลืมกันอยู่มันเดือดขนาดขนาดเราไม่ได้หลับนะแต่ว่าเส้นมันตกเนี่ยฟังเล่าแล้วเพียเส้นก็ตกระตุกมันมันก็เลยหลับนอนหนักแล้วมานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยช่วงนั้นทํางานหนักมากมันไม่ไหวงไม่ว่าสร้างตึกสร้าง เลยไม้ไปอะไรมันงานหลอกผมเข้ามาตลอดไม่หยุดเลยอในงานทํากันตลอดไปไหนมาไหนนี่บอกท่านท่านจะแปดตาให้อนะแม่เนี่ยโดนอุบัติเหตุท่านบอกให้รีบกลับนะไปแล้วให้รีบกลับโอ้แม่ไปอยู่ยาวไงไปอยู่นานนะไปเช็ดกระจกห้องสมุดมันอยู่สูงกระจกที่เป็นตู้มันอยู่ชั้นชั้นสูงสูงแล้วสุด ท, ท้าย กระจแกแตกเนี่ยคล้ายๆว่ากระจกนานแล้วเช็ดแรงไหมว่ามั่นจกแตกกับผมมันเหลี่ยมมนันปักเข้านี่เลยทะลุเลยเนี่ยพ่อไม่กลับบ้านต้องคอยสังเกตเลยท่านบอกเนี่ยจากนั้นมาก็เลยมีปัญหาตัดเส้นลงป่าอือราะนั้นโดนเลือดพุ่งจุดทัมือ่ากายถูกเชื้อเลย เลือดอพุ่งจุ๊บเลยนะเอันพราะมันกำลังร้อนเหนื่อยแม่แหละหลบ<ช>เลือดลมกลังวิ่งท่านบอกว่าท่านเตือนก่อนแล้วว่าฆ่าปรากฏเห็นเลือดอคนที่ทำงานเกี่ยวกับไม้ให้ระวังไ อ, อพวกช่างไม้นี่พกของขังเต็มเลยโอ้โหส่านพูว่าชเลยจำพี่ลายเลยก็จำได้พกกันเต็มเลยอกะว่ากูรอดกูรอดไหนได้ มันไม่โดนเลยโดนเราเราไม่ได้ชักใบตะเดอยไปช่วยเขาขนขอนี่แหละเราเราไม่มี้พกของดีนะไม่หนีผมไม่มีของก็ใช่แต่คนอื่นพกนะจอยก่อนไม่มีอะไรนะโอ้โหไอปูนั่งทิ้งไม้ที่โปูจำได้วันนั้นมายังแซวไปเลยไม่ใช่ท่านด้วยเอ๊เจ๊เออ แซลโอ้โหนึกประตุแจ่ตะคายตนลักคู่กันเลยมันมีประเด็ดประเด็ดแจ้ที่โปเราเยเรากระดูดนะคนละคานไงแต่แจ่ทิ้งไงทิ้งเราก็เราค้ายกําลังลากมาเลยเราคาเนี่ยทิ้งเราเราก็ลงไปควบหนึ่งเราก็นิดเดียวหัวเขาาลดแน่ผะกแว่ทิ้ง ทิ้งไปแล้มันก็ม้าก็โดนเลยว่าก็โดนรถปึ้งอะไรแจ้งนี่ไม่ธรรมดาเจ้งแจ้งเขาแข็งแรงมาเราเน่ยลองได้นัดนดีด้วยโหเมื่อวานเมื่อวานนี้อยู่เราก็นั่งรับโยมดีนะแกมาคุยโยมสองคำเนี่ยโยมถวายหน้าสองแพ็กสบายแกนะเอออนี่มีวาสนาดีแจ้งใคร มีคนข้างละสองคนไม่มันมีมันมีทิโต้คนจำได้โต้แล้วก็เอาไม้มาทํากงมาได้วู้นแก่ทิโต้ประเด็ชและทิ่งเหลือก็ราวสองสามคนไม่ใช่ตรงที่ทิ้งอยู่นะมันมันมันในตรงช่วงหน้านนี่หมดสี่มดนสี่คนข้างละสองคนอยู่คนเดียว เราดึงรถต้องดก็มาจังหวดที่จะขยรถยังดึงยังไม่หลุดจากไม้ไงมันทิ้งไม้โคมที่นี้ไอ้ปลายไม้ก็ฝ้ายกับปากรถอ่ะฝ้านก็กมันกระโดดเลยหลังก็ดีขึ้นโอ้โหเราเลือดทุ่มพุ่งเลยแล้วก็แล้วก็ให้หมอตอนไฟเย็บแล้วก็ไฟหมอตอนไฟเย็บมันเย็บเพราะอะไรเพราะหมอขอดแกมือสั่นเย็บสด หมอคลอดนี่แกจบเภสั์มาแต่ว่าก็ทำแล้วเป็นแล้วมันเข้ากัไเหเนี่ยหมอต้นสอืมเปิดปากปรากฏว่างไงว่อักเสบยึบไปกีมหลายเข็มเลยอเสบพอบอกเป็นบุปกา ร, รจะนีกัดอีกอเกือบขาดเลยพ่อก็เช็ดอยู่เลยนะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราก็รงงานไปเรื่อยแหละ ก็ลงทรรมวัดไม่ได้เพราะยังมผ้าไม่ได้อย่างเงี้ยต้องรายงานไปได้ยากไงพ่อก็คอยเช็คว่ามันมือมันเส้นเอ็นมันขาดเปล่าถ้าขาดนี่ก็จะพาไปต่อไงพง่ายว่ารู้จักโรงพยาบาลที่มันเป็นเอกชนเนี่ยนต่อได้เดี๋ยวมาเส้นอมเดเอ็นนี่ต่อพวกชนีกัดถึงกัดที่มันจะกัดทงข้อทังเนี้ยถึงกัดเส้นขาจริงมันไม่ได้นั่นนะมันเป็นบุปกรรมไงชนีเนี่ยไปไหนตามเหล่บยังไม่ตายยังไ่ตางอยู่เนี่ย อยู่เขาไปปล่อยอยู่ที่สวนสัตว์เปิดปูเขียวโอ้โไอ้หลอบใจดีจะตายมันเล่นกับผมมันแต่ทีนี้ว่ามันกัดเพราะว่ามันมันระแวงว่าเราฟั่มบาทเนี่ยให้มันมันได้รู้จักวงนี้ไปแย่งมันออฝาบุหรี่กัดเราเขาก็ชาดเลยมันก็เวอร์เลยแต่นั้นแต่นั้นมาเนี่ยหลวงพ่อเขาสั่งตัดเขี้ยวสั่งตัดเขี้ยวไอยรอด ทีไล่ฉีดไปสามเข็มโอ้โหนึกว่าตายไม่รอดไปเจ็ดวันเลฉีดเข็มเดียวมันก็นจริงให้ฉีดเข็มเดียวแหละแต่นี้เขาก็บอกสงสัยยาตจะหมดลิปเอ้ยไม่ใช่สงสัยยางมันจะส่คุณภาพอะไรเงี้ยลฉีดไปอีกเอพอหน้าไปพอจับราวบันไดพอคนขึ้นบันได้มาปั๊บมันฟ้าอีกอีกเข็มหนึ่งเหลือไปสามเข็มใครตัดเขี้ยวได้ เงียบไปเจ็ดวันตำนานเยอะมากกว่านีที่นี้ก็เป็นที่ประกาศกรรมแต่ถ้าไม่มีอะไรที่มันกระทบแบบนั่นนะ่ะมันไม่มีอะไรทีนี้มันจะไม่เกิดแบบนั่นนะ่ะ แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหงพ่อท่านแนะนำมันบอกคุณปล่อยเต็มที่เลยทําแบบอิสระเลยปล่อยแล้วก็ดูจิตที่มันก็ทบอะแต่ถ้าไปอยู่แบบสํารวมระวังเกินไปเนี่ยมันไม่เกิดไงถ้าปล่อยเต็มที่เลยอยากอะไรก็ปล่อยไปแต่เราดูจิตมันก็เป็นคุณบ้าๆไปเลยเงี้ยนะรอไงให้มันรอรโรอเต็มที่เลยช่วงนั้นแหละรออยู่คนเดียวแต่ปูนอยู่ในใน มัเปิดปล่อยมากปล่อยสุดๆกี่โมงแล้ววันนี้จะเข้าไล่กลุ่มเพื่อนที่ว่าเรียนเดตอะไรด้วยกันมันไม่เข้ามีผ้พี่สิบสนั้งส่งภาพโป้มานี่